เมืองไทยนี่ไม่น้อยหน้าประเทศไหนในโลกแต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งคนเป็นจํานวนมากมีความเชื่ออยู่เหมือนกันก็คือเรื่องพูดผีปีศาจวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหล่านี้มีคนอยู่สามประเภทที่มีความเห็นไม่ค่อยจะตรงกันคือหนึ่งพวกที่นับถือแบบเชื่อมั่นสองพวกที่ไม่มีความเชื่อเลยและสามพวกที่เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งแต่ก็ไม่ลบหลู่ ซึ่งพวกนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยโดยจะเริ่มคล้อยตามเมื่อมีคนมาเล่าแล้วก็จะรู้สึกเฉยๆเมื่อไม่ได้ยินได้ฟังพวกนี้จัดอยู่ในพวกลังเลอ่าส่วนพวกที่เชื่อก็จะถูกอีกพวกโจมตีว่างมงายแล้วคนพวกนี้ก็จะตอบกลับว่าพวกหัวแข็งหัวดือ้อสรุปได้ว่าสามกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย ลังเลงมงายแล้วก็หัวแข็งคุณคำหนึ่งที่เล่าเรื่องนี้จะไม่บอกว่าอยู่ประเภทไหนลนะ่ะเพียงแต่อยากจะตั้งข้อสังเกตตามประษาคนขี้สงสัยว่าคำว่าวิญญาณหรือว่าคำว่าผีนี่มาจากไหนถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพวกเขาตั้งชื่อขึ้นมาเรียกได้ยังไงพูดง่ายๆก็คือเพราะมีเรื่องลึกลับคนจึงได้เจอเรื่องลึกลับนะ คุณคำานึงเล่าให้ฟังถึงเรื่องว่ามีฝรั่งชาวโยุโรปคนหนึ่งลงทุนบินกลับมาเมืองไทยเพียงเพื่อนำเอาอิด ก, ก้อนหนึ่งกลับมาคืนให้กับวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรียุธยาโดยเขายอมรับตามตรงว่าเขาแอบหยิบไปเพื่อเป็นที่ระลึกเท่านั้นแต่เดือนเดียวที่อิด ก, ก้อนนั้นอยู่ในบ้านทาให้การใช้ชีวิตของเขาไม่เป็นปกติเหมือนเช่นเคยเช่นบางคืนหรือว่าเกือบจะทุกคืนก่อนจะหลับตานอน ยังปรากฏภาพหญิงชายในชุดโบราณมากมายมายืนอยู่ปลายเตียงบางคืนมีผู้ชายในชุดนักรบโบราณขี่มา้าถือหอกถืองาอ้าล์ไปเป็นขบวนแต่ที่หนักกว่านั้นในตอนกลางวันของบางวันขณะที่เขานั่งทานอาหารอยู่ชั้นล่างก็ดียินเสียงเหมือนมีคนเป็นร้อยวิ่งไล่กันบนชั้นสองบางทีก็ได้ยินเหมือนเสียงหอกเสียงดาบกระทบกันเกลียวกล่าว เสียงคนร้องอื้ออึองปนกับเสียงม้าเป็นระยะระยะอยู่ระเบงเซงแซ่ที่หนักกว่า น, นั้นบางทีมีเสียงปืนใหญ่ดังตมตมอยู่เป็นระยะจนบ้านสะเทือนถามเพื่อนบ้านรอบๆก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าสี่ชีวิตในครอบครัวนี้พบเห็นสิ่งเดียวกันซึ่งไม่สามารถอธิบายได้แต่ก็ไม่แน่ถ้าไปเจอคนประเภทหัวแข็งซึ่งไม่เคยเชื่อในเรื่องแบบนี้ ก็อาจจะบอกว่าบ้านเนี่ยประสาทกันทั้งบ้านก็เป็นได้ก็ไม่ว่ากันมุมมองใครมุมมองมันเราก็ต้องเคารพฝรั่งครอบครัวนี้ก็เหมือนกันหลังจากเอาอิดมาคืนก็กลับไปใช้ชีวิตยอย่างเป็นปกติสุขอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งสี่คนหายจากโรคประสาทพร้อมกันโดยบังเอิญก็ได้ที่เล่ามานี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆกับฝรั่งและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ แต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นที่เที่ยวทางธรรมชาติกล่าวกันว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกสถานที่มีอยู่เหมือนกันโดยบังเอิญก็คือเรื่องลึกลับที่บอกว่าลึกลับก็คือมันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันคืออะไรก็เลยทำให้เราผู้รู้น้อยมากถกกันอยู่จนหาข้อสรุปไม่ได้อยู่อย่างทุกวันนี้เหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นเรื่องของเพื่อนรักสี่คนชาวกรุงเทพอ่า ที่คงจะจดจำไว้ไม่มีวันลืมก็คือเรื่องการไปหาที่เขาดาวนับถอยหลังวันปีใหม่ซึ่งหลายคนก็อยากจะหาที่เงียบๆนะอากาศดีๆลมเย็นๆโรแมนติกซึ่งบางทีเมื่อไปแล้วก็จะได้เจอกับความเงียบกลับไปเจอเอาความวุ่นวายอึกระทึกยัวเยะของผู้คนเหมือนหนีจากกรุงเทพไปเจอบางกอกยังไงอย่างนั้น สรุปก็คือหนีจากความจอแจไปเจอความอึกระทึกเพื่อนสี่คนรถเก๋งหนึ่งคันโดยมีในคำรบเป็นทั้งผู้นำเป็นคนขับแล้วก็เป็นเจ้าของรถด้วยพาเพื่อนขับออกจากกรุงเทพมุ่งสู่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งจังหวัดนี้เป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนเพราะว่านอกจากจะมีประเพณีเทศกาลงานบุญต่างๆที่สนุกสนานแล้ว ก็ยังมีสภาพอากาศที่สดชื่นเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากอีกด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าได้ฉายานามว่าเป็นทะเลหมอกทะเลภูเขาที่สุดหนาวในสยามก็เป็นได้ในคํารบและเพื่อนถึงที่หมายได้โดยสวัสดิภาพใกล้ค่าแล้วแม้จะอารมณ์เสียบ้างในตอนบ่ายขณะที่เปลี่ยนยางที่ตีนภูหน้าผาตรงต้นกระบกนั่นแต่ทุกคนก็ดูผ่อนคลายไปมากเมื่อได้ที่จอดรถ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พากันแบบเป้เดินขึ้นภูสูนอากาศอันเย็นเ ย, ยือกที่ลมหนาวพัดมาวันสุดท้ายของปีเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาความเงียบสงบเป็นส่วนตัวเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนระดับแถวหน้าของประเทศหลายคนย่อมต้องคิดเหมือนกันโดยเฉพาะวันสิ้นปีอย่างนี้ก็มีคนอยากจะมานอนเขาดาวนับดาวเหมือนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่จะมีคนเดินขึ้นลงภูกันเป็นระยะทั้งสี่คนก็ได้ที่กลางเต็นท์ได้ที่เหมาะเหมงไม่เงียบแล้วก็ไม่พลุกพล่านมากนะักมีเต็นท์กลางอยู่ก่อนแล้วประมาณเจ็ดแปดหลังทุกคนก็เข้าสู่บรรยากาศของคืนสุดท้ายแห่งปีด้วยความเออะกระเอือกคลื้นปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าบรรยากาศแบบเนี้ยทุกที่จะไม่มีแอลกอฮอล์เสียงดีดกีตาร์ร้องเพลงเสียงกล่าวทักทายสวัสดีกันเป็นระยะ เหมือนกับว่าทุกคนเป็นญาติพี่น้องพ้องพี่ญาติสนิทอยากจะให้คนไทยทักทายกันด้วยบรรยากาศแบบนี้ตลอดดีจังแต่คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั่นเป็นบรรยากาศแห่งความฝันของคนที่คิดดีเท่านั้นเองวันนั้นงานเลิกกันจนดึกหลังจากนับถอยหลังเข้าสู่วันปีใหม่ทุกคนก็ค่อยๆยทยอยแยกกันเข้าเต้นเต้นครเต้นมันจนเหลือกลุ่มของในคารบเนี่ยเป็นกลุ่มสุดท้าย แต่ก็ไม่นานนักทุกคนก็แยกกันเข้าเต็นอ่เต็นใครเต็นมันเหมือนกับคนอื่นตกดึกบรรยากาศของความสงบเงียบอันเป็นปกติของป่าก็กลับมามีเสียงจิ้งหรีดและแมลงกลางคืนบางชนิดหยุดเว้นจังหวะผลัดกันส่งเสียงเป็นระลอกระลอกลมยามดึกก็วูบมาทีละสายละสายใครอยู่นอกเต็นก็คงจะหนาวเย็นจนเสียดแทงเข้าไปในกระดูกตอนนี้ภายในเต็น ในคำรบยังนอนลืมตาอยู่เขาตื่นมานานแค่ไหนก็จำไม่ได้แต่ว่าหยิบนาฬิกาบนหัวนอนมาดูก็บอกเวลาว่านี่ใกล้จะตีสามแล้วเป็นบางจังหวะได้ยินเสียงลมตีกระทบเต็นอ่าดังอยู่ผับผับบนเนินภูที่อยู่สูงแบบนี้ลมมาจากทิศไหนพัดมาก็รับไปเต็มเต็มเสียงกลุ่มหมาหอนดังเซงแซ่อยู่ไกลๆจากหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ตีนภู ฟังดูชวนขนลุกเหมือนกันมันอยู่ใกล้ๆสักพักก็เงียบลงทั้งเสียงจิ้งหรีดและมแมลงที่รายรอบก็หยุดลงทันทีเหมือนกั น, นัดกันทำให้นึกถึงในายามที่ปกติเมื่อมีสิ่งใดรุกเข้าไปในอาณาเขตที่พวกมันร้องมันก็จะหยุดลงทันทีทตามสัญชาตญาณขณะที่คํารบนอนลืมตาอยู่ก็เหมือนกันเสียงมันเงียบจากเต้นหลังแรก จนเต็นหลังสุดท้ายที่ติดแนวป่าซึ่งเขาก็อยู่รับรู้ได้ทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมามันเหมือนกับเสียงคนลากของหนักๆพรูดไปบนพื้นเสียงดังเริ่มมาจากเต็นหลังแรกที่อยู่ติดขอบทางดังมาดังมา ช, ะชะ้าๆสลับกับเสียงหยุดแล้วก็แวะที่ละนาทีสองนาทีแล้วก็มีเสียงลากต่อถ้าจะให้หลับตาคิด ก็จะอนุมานได้ว่าผู้ที่ากของหนักมานี้กำลังแหวะซ้ายทีขวาทีเพื่อทักทายกับทุกเต้นเสียงมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาช้าๆสลับกับหยุดอ่าที่ละนาทีสองนาทีตอนนั้นหัวใจในคำรบก็เริ่มเต้นถีขึ้นแรงขึ้นขนาดอากาศหนาวเย็นในตอนดึกก็ยังทำให้ทั้งมือทั้งเท้านี่ชุ่มโชกไว้ได้เหงือ่อแถมยังรู้สึกร้อนเผาที่ใต้ติ่งหูเหมือนกับนั่งอยู่หน้าเตาไฟ เสียงนั้นใกล้เข้ามาเขาก็ไม่ได้สวดมนต์บทไหนเลยเพราะจําไม่ได้แต่คิดได้นั่นก็คือคิดว่าให้ใครก็ได้ในเต็นท์อื่นตื่นขึ้นมาเจอแล้วก็ชวนไอ้หมอนั่นนั่งคุยเพื่อจะถ่วงเวลาอย่าให้มันมาที่เต็นท์ของเขาแค่แวบเดียวเสียงนั้นก็มาหยุดที่หน้าเต็นท์ของเจ้าพงซึ่งเต็นท์ต่อมาก็คือเต็นท์ของนายคํารบนี่แหละเวลาผ่านไปเกือบสามนาทีก็ไม่มีเสียงเคลื่อนที่ถือว่าหยุดนานกว่าทุกเต็นท์ ถึงจะห่วงเพื่อนก็ยังไม่เท่ากับห่วงตัวเองในคำรบค่อยๆเอาหูแนบชิดขอบเต็นท์นเบาๆก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรจนเกือบห้านาทีเขาก็เริ่มคิดไปในทางบวกก็ตัดสินใจค่อยๆลุกช้าๆและเบาที่สุดขยับมารูดซิปหน้าเต็นท์ปลายตีนพอซิปเปิดแค่นั่นแหละสิ่งที่ว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นนั่นก็คือใบหน้าคนมันแนบรออยู่กันหน้าเต็นท์แต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ มันไม่ใช่หน้าคนธรรมดามันกว้างพอๆกันหน้าเต้นที่เราลอดเข้าลอดออกก็แล้วในคำรบรู้แต่เพียงแค่ว่าเขาวูบลงตรงนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นตะวันสาดแสงอ่าสดใสรับปีใหม่หลายคนก็จ็อกกิ้งบากเดินทักทายกันจอแจแต่มีกลุ่มหนึ่งประมาณสิบประคนยืนมุงอยู่หน้าเต้นของนายคำรบบางาหนวดเฟ้นตามแขนขายาดมยาหมองจอกันให้วุ่น อ่าสักพักเจ้าคำรบ ก, ก็ฟื้นขึ้นท่ามกลางเสียงปรบมือเฮฮาของบรรดาผู้มุงทั้งหลายเมื่อสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็ได้เล่าให้ฟังครา่าวๆทุกคนวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรก่อนที่จะแยกย้ายกันไปส่วนเจ้าพงก็ได้สอบถามในคำรบอย่างสนอกสนใจเป็นพิเศษถึงรูปร่างหน้าตาของคนที่ไม่ได้รับเชิญมาผู่ที่หน้าเต็นท์เมื่อคืนนี้พอได้รู้เจ้าพงก็ถึงกระอึ้งพอเริ่มจะสาย ทุกคนก็ทยอยกันออกเดินทางเพื่อกลับบ้านกลับช่องของตัวเองส่วนเจ้าพงก็ได้พาในคำรบและพวกแวะซื้อทูบเทียนมาไล่ที่หมู่บ้านโดยขากลับได้พาทุกคนไปขอขมาในสิ่งที่อาจจะได้พูดได้ทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจจุดนั้นก็คือหน้าผาตรงต้นกระบบกใหญ่ที่พวกเขาได้จอดเปลี่ยนยางเมื่อวานแม้แต่ตัวของในคำรบเองก็เพิ่งจะได้สังเกตเห็นว่า มีสารเพียงตาเล็กๆเก่าๆาตั้งอยู่ข้างต้นกระบกก็ตอนที่ในพงได้บอกนี่แหละในคำรบยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆสารเพ่งมองเขาไปข้างในอย่างพินิจพิเคราะห์เขาแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองกับสิ่งที่ได้เห็นนั่นก็คือรูปปั้นปูนพลาสเตอร์ตะแก่ที่นั่งอยู่ข้างในมีใบหน้าแบบเดียวกันกับหน้าที่พลูที่เต็นท์ของเขาเมื่อตอนกลางคืนเขาขนลุกตั้งเดเลยอ่ะ คนลุกอีกเป็นครั้งที่สองเมื่อขับรถออกมาได้ไกลแล้วนายคำรบก็ได้หันไปถามเจ้าพงว่าแกรู้อะไรมาถึงได้พามาจุดทูปไหว้ที่ต้นไม้น่ะเจ้าพงก็เลยบอกว่ามีคนไปนั่งไหนเต็นท์เขาเมื่อคืนแล้วก็ถามว่าไอ้รบนี่ยมันนอนเต็นท์ไหนซึ่งเขาก็จําได้ว่าหน้าชายคนนั้นเหมือนกับลุงที่ยืนข้างต้นไม้จุดที่เปลี่ยนยางตอนที่นายคำรบไปยืนฉี่ ด่าขมวงฉงเฉียงตอนเปลี่ยนยางนั่นเองเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับทุกคนได้เสมอเชื่อว่าทุกที่มีเจ้าที่เจ้าทางคอยดูแลอ่าไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําลําคลองถ้ำทะเลขุนขาวแม้บนอากาศยังเคยมีคนเห็นพระท่านนั่งสมาธิอยู่บนอากาศลอยอยู่ใกล้เครื่องบินอ่าแต่อย่างไรก็ตามสี่คนที่ไปนับถอยหลังหรือว่าเขาเดาว ปีนั้นก็คงจะจำปีใหม่ปีนั้นโดยไม่มีวันลืมเลยล่ละครับก่อนที่จะได้ผู้หญิงที่สวยที่สุดในซอยเป็นแฟนเนี่ยนายเกษมต้องเฉือนคมหักเหลี่ยมกับร้อยเอกหนุ่มรูปลอแล้วก็ข้าราชการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมทั้งน้องชายเสียใหญ่ทั้งที่เขาตกเป็นรองทุกประตูเนื่องจากผ่านไวยชะกันไปแล้วรายได้ก็ไม่ค่อยแน่นอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ที่เอาชนะใจการด่าได้ก็คือในกเกษมเป็นคนซื่อๆพูดจาตรงไปตรงมายินดีส่งเสียพ่อแม่ของฝ่ายหญิงตั้งแต่หล่อนยังอยู่ระวังช่างใจว่าจะเลือกใครดี แล้วก็ให้ประเอินมาในทหารรูปหล่อนะ่ะแอบไปเป็นกิ๊กกับเพื่อนหญิงเของหล่อนส่วนข้าราชการคนนั้นก็มีนักร้องสวนอาหารแสดงตัวเป็นคู่นอนอย่างเปิดเผยและสําหรับน้องชายเสียนะ่ะเป็นคนเจ้าชู้ฟันผู้หญิงไม่เลือกนะหน้าวางใจอะไรไม่ได้เลยอ่าว่ากับหล่อนนี่เขารักจริงหวังฟันหรักจริงหวังแต่งกันแนะ่เพราะฉะนั้นในกเกษมก็เลยเป็นทางเลือกที่ใช่ เพราะว่าเขายังโสดสนิทแล้วก็ไม่เจ้าชู้ทำงานขยันตัวเป็นเกลียวมีเงินในบัญชีก้อนใหญ่พอฝากผีฝากไข้ได้ลงท้ายก็ยอมแต่งงานกับนายเกษมบ้านนายเกษมอยู่ในซอยลึกแห่งหนึ่งย่านชานเมืองแต่ว่าอยู่ในซอยย่อยแยกจากซอยหลักอีกทีหนึง่งนอกรั้วบ้านบนพื้นที่สองร้อยตารางวาไม่ว่าซ้ายขวาหน้าหลังยังเป็นป่าหญ้ารกชัด เพราะว่าเป็นที่ดินจัดสรรคนที่ซื้อส่วนใหญ่เขาซื้อไว้เก่งกำไรมีนายเกษมคนเดียวที่ตัดสินใจซื้อที่ปลูกบ้านอ่าเป็นบ้านตึกสองชั้นอยู่อาศัยเมื่ออยู่กินกันแล้วการด่าก็หอบเสื้อผ้ามาอยู่กับเขาที่นั่นด้วยปกตินายเกษมใช้บริวารวินมอเตอร์ไซค์ที่ปากซอยเป็นประจาตอนนั้นมือถือยังแพงมากเขาก็เลยตีสนิทกับร้านขายโจ๊กปากซอยซึ่งมีโทรศัพท์บ้านใช้ ถ้าต้องการให้ในปุ้มมอเตอร์ไซค์รับจ้างสีกันแวะมารับที่บ้านเมื่อไหรก็จะโทรฝากบอกไปกับเจ๊ร้านโจ๊กซึ่งร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกวินมอเตอร์ไซค์เจ๊แค่โบกมือส่งสิกในปุ้มก็รู้แกวบึงมารับเขาที่บ้านทันทีแต่หลังจากอยู่กินกับการดาลันขับรถเก่งทั้งรถเก่งรถปิกอัพอ้อนในเขาซื้อรถขับสักคัน ในกเกษมรักเมียก็ตามใจซื้อรถญี่ปุ่นมือสองสภาพดีให้ใช้จะว่าไปก็เป็นการดีสำหรับเขาเพราะว่าการดาเนี่ยขับไปส่งเขาถึงที่ทำงานได้เลยไม่ต้องวุ่นกับวินหรือว่าแท็กซี่มิเตอร์อีกต่อไปอีกอยู่กินกันห้าหกปีก็น่าแปลกใจที่ยังไม่มีลูกด้วยกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของเขาลดลงแต่อย่างใดเพราะว่าการดาเอาอกเอาใจในกเกษมสารพัดอย่าง บ้านช่องปัดกวาดเช็ดถูสะอาดเอี่ยมอ่องไม่ต้องจ้างสาวใช้ให้สิ้นเปลืองวิมือปรุงอาหารก็เข้าขายแม่ครัวหัวป่าแม่ครัวมาประจำบ้านให้ยุ่งยากไม่ต้องไปหามาหรอกอเธอทำได้ท่ามกลางความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตนั่นเองคืนหนึ่งการดาหลังจะ ก, กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บางกระบือเมื่อกลับถึงบ้านหล่อนดูแปลกไปจากการดาคนเดิมยังกระแก่ไปอีกสามสิบปีอย่างกระทันหัน เวลาเดินนี่หลังโกงยังกระยิย่แก่ไว้ไม้ใกล้วังพูดคุยด้วยก็เอาแต่หลบหูหลบตาเหมือนกับมีพิรุษอะไรสักอย่างที่นายเกษมยังเดาวไม่ถูกเสียงพูดก็เปลี่ยนไปมีสำเนียงคล้ายๆคนอีสานทั้งๆที่หล่อนเป็นคนกรุงเทพนี่เองถึงเวลาเข้านอนหล่อนก็ขอนอนที่ชุดรับแขกชั้นล่างไม่ยอมขึ้นไปที่ห้องนอนชั้นบนอันเป็นความแปลกประหลาดที่นายเกษมไม่นึกว่าจะเกิดขึ้น แล้วร้ายยิ่งกว่า น, นั้นการมาในมาดใหม่ของเมียทําให้นางจูลี่หมาจูขนปุกปุยที่เลี้ยงไว้มีอาการตื่นกลัวนาะยหญิงของมันอย่างเห็นได้ชัดแค่เดินเข้าใกล้มันก็รีบถอยหลังกรูดกรูดทำหางตกอันเป็นอาการหวาดกลัวของสุนัขเวลาเจอศัตรูตัวใหญ่กว่าหรือว่าอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับมันแล้วพออ่าเขากลับไปที่ห้องนอนชั้นบน มันก็ตะเกียกตะกายตามไปอยู่ในห้องนอนด้วยทั้งที่แต่เดิมเนะี่ยมันรักนายหญิงยังกะอะไรดีสิ่งที่นายเกษมเอะใจขนาดหนักจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็คือการด่าอ้างว่าเวียนหัวขับรถไม่ได้ก็เลยทิ้งรถไว้ที่บ้านพ่อแม่แล้วขึ้นแท็กซี่กลับบ้านตัวเองเมื่อประมวลความพิลึกพิลั่นหลายอย่างเข้าด้วยกันก็ทําเอานายเกษมนอนไม่หลับ คนอย่างเขาผ่านร้อนผ่านหนามามากหนังสือก็อ่านถึงขั้นได้ฉายาว่าหนอนหนังสือทีเดียวเคยอ่านเจอจากหนังสือแนวาศาสตร์มืดมนดําบางเล่มระบุว่าผีปอบนะี่ยังมีอยู่ในโลกยังแฝงตัวอยู่ทั่วทุกขวระแหงไม่ว่าในป่าในบ้านหรือว่าในเมืองผีปอบเกิดจากผู้ร่ําเรียนมาทางมนดําจนร้อนวิชาของเข้าตัวเองก็ทําไม่กลายเป็นปอบไปได้อย่างลึกลับ ปอบที่มีอำนาจความเป็นปอบแก่กล้านี่มันสามารถถอดวิญญาณเข้าแทรกสิงใครก็ได้ที่อยู่ในช่วงเคราะหหามยามร้ายพระสุขข้าวพระเสาแสกทกเทวดาที่เคยรักษาจะทิ้งร่างไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวเป็นเหตุให้ปราศจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวเองจนผีซ้ำดำพลอยได้โดยง่ายผีซ้ำก็คือหมายถึงผีจรมาจากที่อื่นดัพลอยนี่แยกออกเป็นสองคคือดักับพลอย ดำในหมายถึงผีย้าผีเรือนพลอยในหมายถึงแม้กระทั่งผีย้าผีเรือนที่เคยปกปากรักษาเราก็พลอยมาเหยียบย่ําซ้ำเติมเราด้วยในกเกษมทน อ, นอึดอัดอยู่จนรุ่งเช้าก็โทรฝากบอกเจ๊โจกให้เรียกในปุ้มมารับไปยังปากซอยเพื่อจะขึ้นรถแท็กซี่ไปทํางานถึงที่ทํางานแล้วลาอยู่เครื่องวันอ้างว่าป่วยต้องไปหาหมอแต่หมอที่ไปหานีเป็นหมอพลังจิตซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันในวัยเรียน ไปบอกเล่าให้หมอเวทได้รู้ถึงความผิดปกติของเมียหมอเวทนั่งทางไหนได้ก็นั่งหลับตากำหนดจิต ด, ดูประเดี๋ยวเดียวก็พูดได้เป็นฉากฉากเอ๊ะเมียแกะนะดวงตกถึงคราวเคราะหามยามร้ายนะเว้ยผีปอบของคนร้อนวิชาถอดวิญญาณออกหาร่างใหม่พอดีพอเจอเมียแกตอนที่ไปเยี่ยมพ่อแม่ก็เลยช่วยโอกาสเข้าสิงอ้าวงั้นก็จริงอย่างที่ฉันละแวกนะสิวะ นี่ทำไมได้ยินจากปากของแกน่ะเป็นคนอื่นมาพูดฉันไม่ยอมเชื่อหรอกปอบมีอยู่ในโลกจริงๆหรือว่าเพื่อนนึกว่ามีแต่ในหนังเรื่องปอบที่ฉายตามโรงหนังเอยผีที่คนสมัยก่อนพูดถึงนะ่ะมีจริงทั้งนั้นละ่ะไม่ว่าจะเป็นกระสือกระหังผีโพงผีพรายผีไตห่วงตามถนนสายต่างๆแม้แต่เสือสมิงก็มีจริงไม่ใช่เรื่องในนิยายแนวป่าลึกรับสยองขวัญ คำนองเดียวกันไก่หรือเป็ดท่านในโลกไม่เคยมีเป็ดไก่อยู่เลยคนจะเอาสมองที่ไหนไปคิดคนคําพูดใช้เรียกเป็ดไก่ขึ้นมาได้วะในกะเกษมเริ่มใจคอไม่ดีบ้านแสนสุขของเขาดูท่าจะเป็นแดนอันตรายที่ไม่น่าอยู่ซะแล้วเออถ้าอย่างนั้นฉันจะกลับบ้านไปอยู่กับผีปอบได้ยังไงวะแค่คิดว่าจะต้องกลับไปเย็นนี้ก็เสียสันหลังแล้วเ อ, อ้ยปัญหามันมีไว้แก้ แต่ก็รอช้าอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าปอบไยตัว น, นี้มันจะกัดกินตับไตไส้พุงเมียแกหมดภายในเวลาไม่กี่วันคืนรอช้าอีกไม่นานเมียแกจบเพนแน่ต่อไปก็จะกลายเป็นศพผีสิงโลออกอลวาดเอากระชาวบ้านเ อ, อ้ยแล้วฉันจะแก้ปัญหาได้ไงเพื่อนฝูงวิชาอาคมอะไรจะก็ไม่มีสักอย่างเดียว อ, ะอ่ะฮะแกไม่ต้องกังวลหรอกไอเรื่องปอบนะเป็นธุระของันเอง อย่าไปหาหมอผีที่อื่นมาปราบนะผีปอบตัวเนี้มันเป็นนักคาถาชั้นยอดเลยแต่ว่าร้อนวิชาจนกลายเป็นปอบถ้าหมอสยสศยศาสตร์มีพลังจิตไม่กล้าแข็งพอมีหวังเสร็จมันแน่ก่อนพลบค่ำวันเดียวกันหมอเวทก็ติดตามเพื่อนเก่าไปปรากฏตัวขึ้นที่บ้านของนายเกษมเห็นการดานั่งอยู่บนโซฟาเปิดทีวีดูอยู่ที่ห้องถงชั้นล่าง เวลาผ่านไปไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงดูมันรูปร่างหน้าตาหล่อนจะน่ากลัวขึ้นอีกขอบตาเขียวคล้ำคล้ายๆเอายามองไปป้ายไว้จนผิวเนื้อไหมเป็นสีดำคล้ำหล่อนหันมาสียยิ้มเมื่อตอนที่นายเกษมเข้ามาบ้านแล้วเธอก็มีอาการผงะอย่างตกใจเมื่อเห็นใครอีกคนเดินตามมาติดๆพาใครมาวะท่าทางไม่น่าไว้ใจไล่มันออกไปเดี๋ยวนี้ กเกษมถอยหลังกรูดกรูดยังผวากับเสียงตะวาดที่ดังมาจากเมียเสียงนั้นแปลกเสียงดุร้ายเหมือนคนเจ้าโทสะเขาก็รีบหันไปมองเพื่อนเอเออไม่ต้องกลัวเสมแกหลบไปยืนอยู่ตรงมุมห้องก่อนทางนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองนายเกษมถอยหลังจนไปยืนพิงผนังตึกด้านข้างบันไดาทางขึ้นชั้นบน เพราะว่าบัตรนี้เมียของเขาผลุดลุกขึ้นยืนประจันหน้ากับหมอเวชท์เขาให้แล้วร่างที่เคยงองุ้มยืดตรงในท่ายืนจังก้าห่างจากหมอเวชเพียงสามเมตรอ๋อที่แท้ไปตามคนมาเล่นงานกูนั่นเองเองเป็นใครกันไอ้หนวดเจ้าหมอเวสหัวรอเบาๆอ่าเออเปิดเผยตัวก็ดีแล้วฉันเป็นใครไม่ใช่เรื่องที่แกต้องรู้ ที่สำคัญก็คือแกมาสิงอยู่ในร่างเมียเพื่อนฉันตอนนี้แกทำร้ายเธอหนักหนาสาหัสพอแรงแล้วฉันจะไม่ปล่อยให้แกทำอย่างนี้อีกเป็นอันขาด เ, เจอคนดีมีวิชาเข้าแล้วเลยนี่เอรู้ซะด้วยว่าขักกินเครื่องในนางนี่อยู่ถ้ากินหมดนี่นางนี่ก็จงเป็นร่างของข้าอย่าหวังว่าแกจะไล่เขาออกไปได้เลยอ๋อแกยังพูดคุยรู้เรื่องนี่นะ แสดงว่ายังพอมีสติอยู่ไม่ใช่ร้อนวิชาจนควบคุมตัวเองไม่ได้แกเรียนวิชาอาคมมาไม่ใช่น้อยก็คงจะรู้จักวิชาคัดคุณสายออกจากร่างฉันจะให้เวลาแกคิดหนึ่งนาทีว่าจะออกไปดีๆหรือจะต้องให้ใช้วิชาเล่นงานจนแกไม่มีอำนาจคุณสายคุ้มครองตัวโดนปอบซ้อนปอบกัดกินเครื่องในที่ร่างของแกซึ่งทิ้งอยู่ในกระท่อมกลางป่าละมาะ ไม่มีอะไรคอยป้องกันอันตรายปอบร้ายตกเป็นฝ่ายพงะอย่างตกใจคาดไม่ถึงว่าชายแปลกหน้าจะรู้ลึกรู้จริงถึงที่มาที่ไปของมันอย่างละเอียดขนาดนี้แสดงว่าเขาสามารถถอดกายทิพย์ไปตรวจ ด, ดูที่ซ่อนของมันได้แต่จะเก่งถึงขั้นมีวิชาคัดอาถรรพ์ออกจากความเป็นมันได้จริงหรือเปล่าก็ยังยากจะแน่ใจการใช้วิชาคัดวิชาของอีกฝ่ายหนึ่ง ยึงจะต้องมีวิชาแก่กล้ายิ่งว่กข่าเป็นสิบเท่าถึงจะทำได้น้ำเร็กอยากเขียนเสือให้วัวกลัวดีกว่าคำไม่หลงกลยิ่งไง่ายรักก็ตามใจแกตอนนี้ครบหนึ่งนาทีแล้วถ้ายังดื้อด้านอยู่ในร่างต่อเก็จะสำนึกเสียใจเนี่ยมันจะสายเกินไปนะปอบร้ายนี่เป็นอาจารย์อาคมขลังจัดอยู่ในธรรมเนียบสุดยอดนักคาถาคนหนึ่งของแถบทินเขมรต่ากัมพูชาวิชาอาคมที่มีอยู่ไม่เป็นสองรองใคร มันเก่งถึงขั้นสงบจิตเป็นสมาธิบริกรรมคถาได้อย่างรวดเร็วเพื่อปะทะขั้นแตกหักกับหมอเวทเสียงบริกรรมมันแหบต่ำแ ผ, ผวโผยน่ากลัวกเกษมก็ยืนมองอย่างอกสานผวอนแผนเมื่อได้เห็นพลังอำนาจของอาคมขลังกับตาตัวเองเพราะขณะที่มันกำลังบริกรรมตามหลักศาสตร์มืดมนดำของมันก็มีกลุ่มหมอก ควันสีดำมาเมื่อมพวยพุ่งออกมาจากภายในร่างแล้วปกคลุมตัวเองไว้จางๆหมอเวชก็เอ่ยชมอย่างใจเย็นเอ อ, เ อ, อไม่เลวเหมือนนี่พริบตานั้นมือทั้งสองข้างของเขาก็ยกขึ้นขวัดแกว่งสลับันไปมาเหมือนท่วงท่าร้รำบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลทัทธิพราหม์แต่เสียงบริกรรมมนเป็นบทสวดสันเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันมีกังวานเสียงแจ่มใส กลบเสียงแหบโหยเหมือนพ่อมดของปอบร้ายได้อย่างสนิทกังวานเสียงที่เปล่งจากพลังจิตต้องหมาเวทเหนือกว่าอำนาจมืดเป็นสิบเท่าปอบร้ายที่สิงอยู่ในร่างการดาเร่งบริกรรมคาถาจนผีรัวหมายเอาชนะด้วยพลังมืดที่จารึกอยู่ในอัคารอาถรรพ์เร่งร้ามนดำถึงขีดสุดจนเกิดกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งจากหัวเป็นกลุ่มก้อน เหมือนข้าวตอนหุงสุกใหม่ๆอยู่ในหม้อแล้วเกิดไอร้อนเป็นควันขมงรวมตัวเป็นงูยักษ์พุ่งเข้าฉกกัดหมอเวทถ้ามันสัมผัสร่างได้นี่ก็จะตายอย่างไร้ทางรอดพริบตาเดียวกันนั้นก็มีวงกลมสว่างใสคล้ายคฟองสบู่พุ่งปราดจากฝ่ามือของหมอพลังจิตตรงเข้าโอบล้อมควันมืดไว้ในใจกลางฟองสีขาวใสแล้วพริบต่อมาฟองมหศจรรัจจ์ มันเกิดจากพลังจิตก็หดเล็กลงเหลือเท่าอนุอากาศนำกลุ่มควันสีดำมาเมื่อมหายวับไปจากห้องโถงได้ในอึดใจเดียวปอบร้ายสิน้นผิดสงกลายเป็นกลุ่มก้อนวิญญาณลักษณะเหมือนดวงไฟทรงกลมโตประมาณกำปั้นผู้ใหญ่พุ่งออกจากห้องโถงหายลับไปกับความมืดยามพลบคำ่ำร่างที่เคยถูกปอบแซกสิงล้มลงทั้งยืน เดชบุญที่ล้มฟวดลงบนโซฟาข้างหลังไม่บาดเจ็บขณะหมดสติหมอพลังกิตร้องบอกนายเกษมให้รีบเข้ามาดูแลเมียโดยด่วนเออฉันคัดอาถรรพ์ออกจากปอบตนนั้นสำเร็จแล้วตอนนี้วิญญาณมันกำลังรีบกลับเข้าร่างเพื่อป้องกันปอบซ้อนปอบกัดกินตับไตใส้พุงของมันหมดโอกาสจะมาทำร้ายเมียของแกอีกแล้วนายเกษมเข้าประคองร่างเมียไว้แนบอก ความตื่นเต้นยังไม่ทันจางหายไปไหนโอ้นี่ทำไมเห็นขตาฉันไม่เชื่อเด็ดขาดว่าไอ้ศาสตร์มืดมนดำนี่ยังมีอยู่ในโลกนี้อู้ทำไมปอบมันน่ากลัวขนาดนี้มันเคยดูหนังเรื่องปอบตั้งหลายภาคนึกว่าปอบเก่งแค่วิ่งหลอกคนให้ตกใจเท่านั้นนะ่ะหมอเวศก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดีท่าทางอ่อนเพลียเนื่องจากเมื่อตะกีนนี้ใช้พลังจิตขั้นสูงสุดออกไปสดสดร้อน เขาก็อธิบายให้กเกษมรู้ว่าปอบในหนังนะเขาสร้างเพื่อให้คนดูสนุกสนานตื่นเต้นแบบหนังไทยเท่านั้นแหละปอบจริงๆมันไร้กาศเพราะนั้นเป็นร้อยเท่าไม่มีการวิ่งไล่กวดใครทั้งสิน้นมันเป็นคนมีวิชาใช้อํานาจมืดเล่นงานคนจากระยะไกลได้ไม่มีการวิ่งไล่วิ่งหนีกันอย่างที่แกเคยดูในหนังไทยรักคนที่เล่าเรื่องนี้ชื่อคุณจรันครับบอกว่า นายเกษมนี่เป็นเพื่อนสนิทของเขาเรื่องหน้าอัศจรรย์ที่เล่าไปนั้นนายเกษมเล่าให้ฟังในยตัวเองปัจจุบันภรรยาของเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ทันเสียท่าโดนปอบกินเครื่องในหมอเวสสามารถใช้พลังจิตรักษาให้หายเป็นปกติดังเดิมได้ครับ ไม่ไกลจากบ้านคุณนิกรเ น, นี่ยมีต้นค่อยใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมีเรื่องราวแปลกๆเกิดกขึ้นเช่นเวลามันออกลูกมาในสีเหลืองอารามน่ากินมันหวานอร่อยพวกนกมันชอบกันมากเลยแต่ว่าเรื่องน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่มันออกลูกสีเหลืองรสหวานอร่อยหรอกเพราะว่าต้นค่อยต้นไหนมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นออกลูกมานกมันก็ชอบขนยังกินเลยอ่าก็คุณนิกรนี่แหละเก็บกินมาแล้ว ทีนี้มันสําคัญตรงที่ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมีคนฆ่ากันตายที่ต้นข่อยต้นเนี้ยแล้วเจ้าข่อยต้นนี้มันก็จําเพาะอยู่ตรงหัวคันนาของนาแปลงหนึ่งที่ฟ้าชอบผ่าลงมาอยู่เป็นประจําเลยมันตั้งอยู่ตรงมุมหัวคันนาด้านตะวันตกเฉียงเหนือไอ้ตอนที่มีการฆ่ากันตายน่ะเลือดแดงฉานไหลนองศพนอนอยู่ที่โคนต้นต้นข่อยที่ว่าเนี้นาสาวคุณนิกกนีแหละเป็นเจ้าของแปลงนาประหลาดเนี่ย แล้วก็ถือได้ว่าเป็นเจ้าของต้นคอยใหญ่ต้นนั้นอีกด้วยนาแปลงที่ว่านี้มันแปลกประหลาดฝนตกฟ้าขนองทีไรฟ้าผ่าลงมาที่นาทุกทีผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรีย ง, ย ง, ยงลงในานาเลยนะจนคนที่ปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆต้องย้ายบ้านหนีไปอยู่ให้ห่างๆมันหน่อยกลัวจะโดนหางเลขกไปด้วยนาแปลงนี้ติดถนนติดคลองเหมาะสําหรับปลูกบ้านมากแต่ไม่มีใครอยากได้สองฟวาข้างปลูกบ้านกัน เป็นแถวเลยชาวบ้านพวกนั้นเขาเล่าว่าฝนตกฟ้าร้องทีไรปลกสันขวัญผวาเห็นกับตาเลยว่าสายฟ้ามันแวบๆลงมาเป็นเส้นเป็นสายแล้วก็เปรี้ยงลงมาที่กลางนานั่นแหละแล้วนาและอแรลงนี้ก็ทํานาปลูกข้าวไม่ค่อยได้กินข้าวก็ไม่ดีไม่งามปลูกผักควักแวงแปงคว้าก็ไม่ค่อยจะได้ผลนาก็เลยไม่อยากจะเอาไว้ก็บอกขายแต่ก็ไม่มีใครอยากได้มันก็เลยตกทอดเป็นของลูกของหลาน ชาวบ้านเขาพูดกันว่าใต้ดินมันคงจะมีแร่อะไรสักอย่างที่ฟ้าชอบผาบางคนก็ว่าน่าจะมีขุมทรัพย์แก้แหวนเงินทองที่คนแต่ก่อนเขาอาจจะฝังเอาไว้มันน่าคิดอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ยไม่มีใครกล้าไปขุดหรอกคอยใหญ่ต้นนี้ไม่มีใครคอยปีนป่ายขึ้นไปเด็ดลูกมันกินหรอกเพราะว่าบนต้นมันมีงูงูเขียวเผลอๆจะมีงูเห่าดอีกด้วย พวกงูมันก็คงไปหาจิ้งจกทุกแกกินเพรามันตา ม, ตามราษาหรือไม่ก็จับนกกินไข่นกพวกงูนี่มันคงจะชอบด้วยแหละนกเอี้ยงนกปลอดนกกระจิบนกเขาวพวกมันชอบทำรังออกไข่กันที่ต้นคอยใหญ่เนี่ยมันเห็นเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเกา่เกาๆแก่ๆ ก, ก็นึกว่าปลอดภัยพึ่งพาได้นะเอออย่าได้ไปเชื่ออะไรง่ายๆเขาเกียวจะพาเดือดร้อนทีหลังถ้ามันฟังภาษาคนดูเรื่องเนี่ยคุณนิกรคงจะเตือนมันไปแล้วอะ อ่าว่าอย่าไปอยู่และที่ต้นคอยอนะันงูชุมวันนั้นคุณนิกรเดินมาถึงแล้วนั่นไงต้นคอยใหญ่ต้นสูงใหญ่นั่นแหละอ่าเข้าไปใกล้ๆจะได้เห็นมันชัดๆอ่ที่ตรงนี้เลยละที่ศพนอนอยู่เลือดไหลนองคนมาดูกันเต็มไปหมดยั ง, งมีงานวัดไม่มีผิดช่วงนั้นน่าจะราวๆปีสองพันห้าร้อยี่สิบห้าคิดดูแล้วกันว่ามานานกี่สิบปีผ่านมาแล้ว เวลานั้นพ่อคุณนิกรยังไม่ตายน้องสาวกําลังเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งและพี่ชายคุณนิกรก็ถูกบริษัทส่งตัวไปทํางานที่จังหวัดเชียงใหม่ตัวคุณนิกรเองก็เพิ่งเข้าไปทํางานที่บริษัทเดียวกับพี่ชายแต่ว่าอยู่กรุงเทพนี่เขาเป็นคนฝากงานให้เพิ่งจะเข้าทําได้แค่สามสี่เดือนก็พักอยู่ห้องเช่าเล็กๆไม่ไกลจากที่ทํางานนักน้องสาวก็โทรมาหาที่บริษัทบอกนักข่าโดนยิงตายนะ คนยิงชื่อพี่เดียวตายคาที่อยู่ใต้ต้นคอยใหญ่เลือดแดงสดๆไหลน้องหมดพี่เดียวกําลังหลบหนีอ่าพี่เดียวนี้เป็นญาติห่างๆกันด้วยนะนะก่อนที่จะหนีไปก็โทรศัพท์มาถามน้องว่าพี่ชายยังทํางานอยู่ที่เก่าหรือเปล่าน้องบอกไม่รู้ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วน้องก็บอกให้เตือนพี่ชายที่อยู่เชียงใหม่ด้วย บอกว่าถ้าทางพี่เดียวจะรู้จักที่ทํางานเก่าของเขาอ่าก็เดี๋ยวจะไปหาที่สุกที่ซ่อนเนี่ยเดี๋ยวจะลําบากกันนะน้องเพิ่งกลับมาจากบ้านนอกตอนนั้นก็รีบโทรบอกจากหน้าตลาดหมอชิดอ่าโทรมาอ่าบอกเขาหนีไปเมื่อวานก่อนก่อนน้องจะกลับมาแต่ว่าไม่รู้ว่าหนีไปไหนข่าวว่าแอบไปทางบ้านญาติเขาที่อยุธยา มีคนเห็นเดินตัดทุ่งไปทางนั้นตอนค่ำน้องก็เล่าบอกว่าเขาจุดไฟเผารอยเลือดกันด้วยชาวบ้านนะนะคุณนิกรก็ถามน้องว่าเขาเผาทําไมน้องบอกว่าเขาเผาไม่ให้วิญญาณเฮี้ยนตอนนั้นคุณนิกรก็ไม่ได้โทรบอกพี่ชายเพราะว่าเขาอยู่เชียงใหม่ห่างไกลกันมากในเดียวนี้คงจะไม่ไปอ่ะนะปรากฏว่ามีคนโทรมาหาพี่ชายที่บริษัทบอกว่าเพื่อนจากบ้านนอก พูดมาตามสายบอกอย่างงั้นไม่บอกชื่อคนรับสายชื่อพี่บางอ่อนทำงานอยู่ที่บริษัทก็บอกไปว่าพี่ไม่อยู่อ่ะอยู่แต่น้องชายก็ก็เรียกเรียกให้คุณนิกรเนีมารับสายคุณนิกรก็พยายามบุ้ยใบให้บอกบอกว่าผมไม่อยู่ว่ายอย่างงั้นพี่บางอ่อนก็เลยบอกไปว่าเออน้องเขาก็ไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะกลับมาอีกหรือเปล่า เขาก็บอกกับพี่บางอ่อนว่าเขาอยากจะเข้ามานั่งรอในที่ทํางานแต่พี่บางอ่อนบอกว่าคุณ น, นิกรจะกลับเข้ามาอีกหรือหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันพอเขาถามถึงที่พักคุณนิกรพี่บางอ่อนเขาตอบบอกไม่รู้เขาก็พยายามจะคาดคันให้รู้ให้ได้พี่บางอ่อนมาเล่าให้ฟังภายหลังจากวางหูไปแล้วว่าเสียงเขาฟังดูร้อนรอนน่ากลัวมากถามว่ามีอะไรกันนะคุณ น, นิกกรก็เล่าให้ฟังนะ ว่าในคนเนี้ยเป็นญาติกันแต่ว่าฆ่าคนตายแล้วหนีอยู่พี่บางออนก็เตือนเตือนให้คุณนิกรระวังตัวกลัวมากเลยให้ที่พักพิงกับคนร้ายนี่เดือดร้อนแน่ถ้าโดนตำรวจจับได้อ่ดีนะเนี่ยที่พี่บางอ่อนช่วยโกหกไปห้าโมงเย็นเลิกงานคุณนิกรตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่เช้าแล้วว่าจะไปบางลำพู แต่พอออกมาที่ป้ายรถเมล์ตีนสะพานก็รู้สึกมีคนมองก็ค่อยๆมองไปก็เห็นเขาเนี่ยยืนรับรับล่อๆ อ, อยู่ข้างมุมตึกผมคิดว่าใช่ในายเดียวแน่เลยอะ่ะเขาก็มองผมอยู่ร่างผอมสูงร้อยหกสิบกว่าผิวคล้ำพอดีรถเมล์มาเนี่ยคุณนิกรก็กระโดดขึ้นทันทีเลยเสร็จแล้วก็ไปบางลำพูพยายามดูว่าเขาตามมาหรือเปล่าก็ไม่เห็นพักเดียวคุณนิกรก็รีบกลับที่พักเพราะว่าไม่อยากอยู่ให้เขาเจอ แต่อยู่ๆก็รู้ว่าเขาแอบสะกดรอยมาถึงหน้าปากซอยห้องเช่าเข้าประชิด ต, ตัวคุณนิกรเลยคุณนิกรตกใจหมดหนทางปฏิเสธป้าเจ้าของบ้านที่เป็นคนแบ่งห้องให้เช่าในหินเข้าแอบเข้ามาซักถามคุณนิกรเป็นการใหญ่ว่าเขาเป็นใครคุณนิกรก็บอกว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเขามากรุงเทพไม่มีที่พักแกก็บอกว่าท่าทางไม่น่าไว้ใจเลยในเดียวก็ถอดเสื้อยืดสีดาออก เห็นที่เอวคาดตะกรุดเขาบอกมันกันผีได้ยิงกันก็ไม่เข้าเป็นของดีเขาก็ซักไซคุณนิกรว่าพี่ชายคุณนิกรว่าไปทํางานที่จังหวัดไหนคุณนิกรก็บอกไปว่าก็ยังไม่รู้แน่ชัดเพราะยังติดต่อเขาไม่ได้ต้องรอให้เขาติดต่อมาก่อนตกลงคุณนิกรก็ต้องซื้อข้าวให้เขากินบริการเขาทุกอย่างเขาไม่มีเงินมาเลยแต่มีปืนพกกระบอกดํามาเมื่อมหน้ากลัวเช้าเขาสั่งห้ามคุณนิกกรบอกใครทั้งสิ้น ตอนเช้าป้ากระซิบกระซาบบอกว่าเมื่อคืนมีคนพยายามจะเข้ามาในบ้านตำรวจมาที่สำนักงานมาถามหาพี่ชายพี่บางออนก็ตอบว่าพี่ไม่ได้ทำงานอยู่กรุงเทพแล้วไปอยู่เชียงใหม่ตำรวจก็ถามถามคุณนิกรคุณนิก ร, กรปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นนิ่งมากเลยแต่กลัวแทบตายคุณนิกรไม่เป็นอันทำงาน ทนทำจนเย็นก็รีบกลับห้องแต่รู้สึกว่ามีคนสะกดรอยตามมาคิดว่าเป็นตำรวจก็เลยแกล้งเดินไปทางอื่นข้ามเรือไปสนามหลวงแล้วก็เห็นว่ามีคนตามมาจริงๆเป็นผู้ชายสวมเสื้อสีดำผมยาวคงจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบคุณน้กลับถึงห้องเกือบทุ่มเนี่ยในเดียวนี้โกรธมากเลยนะก็เล่าให้ฟังว่าโดนตำรวจตามแล้วช่วงเช้าก็มาถามที่สานักงานด้วย ตำรวจนะนะเขาก็ตะคอกในเดี่ยวก็ตะคอกคุณนิกรบอกว่าแกบอกอะไรเขาหรือเปล่าคุณนิกรก็บอกไม่ได้บอกเขาก็นั่งอึง้งคิดหนักที่เตียงคุณนิกรก็รีบไปอาบน้ําพอกลับขึ้นมาเขาไม่อยู่แล้วในเดี่ยวไม่อยู่แล้วไปแล้วเงินในกระเป๋าสตางค์ที่เหลือติดก้นกระเป๋าไม่กี่บาทนะ่ะ นาฬิกาข้อมือรองเท้าหนังสีน้ําตาลเสื้อเชิ้ตสามตัวกางเกงยีนอีกสองตัวหายเกลี้ยงเงินเดือนที่เพิ่งออกมาเขาก็เอาไปหมดเลยเขาทิ้งชุดเก่าเครอะาเอาไว้ซากเหล่านั้นของเ้าในอยู่บนเตียงเสื้อยืดคลมสีดํากางเกงลายทหารรองเท้าผ้าใบเก่าๆขาดเหม็นหึง่งป้ามาเคาะประตูบอกว่ามีคนมาหาท่าทางเหมือนตํารวจ คุณนิกรตกใจแทบช็อกรีบเอาเสื้อผ้าทั้งหมดของเขาโยนทิ้งออกไปนอกหน้าต่างไปอยู่ในซอกหลังห้องน้ำํำนะตำรวจเข้ามาซักายไล่เรียงคุณนิกรค้นห้องแต่ว่าเขาไม่เจอหลักฐานอะไรแล้วป้าก็ช่วยยืนยันว่าไม่มีใครมาพักอีกด้วยอยู่ต่อมาวันหนึ่งคุณนิกรกลับค่ามากป้าดักรออยู่แล้วถามว่าใครอยู่ในห้องอ่ะคุณนิกกรก็บอกไม่มีนะป้าห้องใส่กุญแจไว้นะอ่ามันก็เลยบอก งั้นขอป้าดูหน่อยคุณนิกรก็ไขกุญแจเปิดป้าเข้าไปดูกลมๆเงยๆดูใต้เตียงแล้วก็สายหน้าเออไม่มีจริงๆแต่ป้าบอกว่ามีเสียงเหมือนมีคนอยู่ตอนใกล้ค่าป้าขึ้นมาแล้ยินเสียงป้าว่าอย่างนั้นวันต่อมาป้าก็มาพูดอีกยืนยันว่ามีใครสักคนอยู่ในห้องคุณนิกรจริงๆโดยเฉพาะค่ำๆแกสักไซว่าเลี้ยงตัวอะไรไว้หรือเปล่าคุณนิกรก็บอกอาจจะเป็นหนู แกก็ว่าบ้านแกเคยมีหนูแต่แกเอายาเบื่อให้กินเงียบเสียงไปนานแล้วไม่กี่วันต่อมาน้องสาวโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายเป็นงูสวัสดที่แผ่นหลังอาการหนาวสั่นเป็นไข้ ย, ย่ําแย่คุณนิกรก็รีบกลับบ้านไปเยี่ยมน้องนะ่ะกลับบ้านทุกสัปดาห์ที่บ้านมีอะไรน้องก็จะเป็นคนส่งข่าวให้รู้ปรากฏว่าแม่อยู่โรงพยาบาลหมอกําลังรักษาแม่อยู่ไปบ้านไปเยี่ยมแม่ก็ได้รู้ว่าผีนักไข่ที่ตายนะ่ะโดนยิงตายนะ่ะ เฮียนมากหลายคนเจอเจอแกในชุดที่แกโดนยิงตายคือกางเกงจีนสีดําเสื้อแขนยาวเป็นเสื้อทํานาสีดําเหมือนกันมีคนเห็นร่างสูงโยงของแกแวบไปแวบมาอยู่แถวแถวต้นคอยใหญ่ที่แกตายอ่ะแหละไอ้วันที่เกิดเหตุร้ายที่แกโดนยิงเน่ยมันก่อนขําไม่นานนะักไข่เนี่ยแกเดินกลับจากนาของแกแล้วก็ไปเจอพี่เดียวที่ดักรออยู่ใต้ต้นคอยใหญ่โกรธเคืองกันเรื่องอะไรไม่มีใครรู้ ที่เดี่ยวก้าวออกมาจากหลังต้นไม้เหนียวไกลระเบิดกระสุนเปรียงเปรียงเข้าทีหัวและหน้าอกอ่มามามันน่าสยองจริงๆเสร็จแล้วตอนนั้นน่ะคุณนิกรไปบ้านไปเช้าวันอาทิตย์เห็นแม่เขอ ย, ยังช่วยแล้วก็รีบกลับตอนเช้ามืดวันจันทร์ด้วยรถสองแถวเที่ยวแรกออกจากหมู่บ้านพร้อมพวกแม่ค้าต่อรถบัสที่ท่ารถตรงปีนสะพานใหญ่ในตลาด พอป้าเจ้าของห้องเช่าเจอแกก็บอกว่าแกเห็นผู้ชายตัวสูงโยงแต่งชุดสีดำเหมือนชาวไร่ชาวนาเดินแวบๆขึ้นบันไดาหายไปป้ารีบตามขึ้นไปดูแต่ก็ไม่เห็นหายไปแล้วนะพอคุณนิกรเปิดประตูเข้าห้องแกก็สังเกตเห็นว่าข้าวของในห้องถูกเคลื่อนย้ายมันเป็นไปได้ยังไงก็ถามป้าป้าก็บอกไม่มีใครยุ่งก็ใส่กุญแจใครจะเข้าไปทําอะไรได้ยิงอย่างที่ป้าว่าน่ะ ลูกคุญแจอยู่ที่คุณนิกรแม่กุญแจนี้ก็ของตัวเองอนะซื้อมาใส่ไม่ใช่ของป้าแต่อย่างใดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยแล้วต่อมาคุณนิกรก็รู้ว่ามีสิ่งลึกลับอยู่สิ่งหนึ่งที่ติดตามตัวแกอยู่คุณนิกรต้องใช้บริการเรือข้ามฟากอยู่บ่อยๆค้ามวันหนึ่งมันก็ฉุดกระชากขาแกขณะแกจะก้าวขึ้นมาจากเรือแกพลัดตกน้ํำตูมลงไปตรงช่องระหว่างกราบเรือกระขอบโป๊ะท่าเรือ สำลักน้ําเกือบตายที่รอดมาได้เพราะว่ามุดลอดใต้ท้องเรือไปอีกด้านหนึ่งไปยื่นมือเกาะกราบเรือแล้วก็มีคนช่วยฉุดลากขึ้นมาอยู่มาไม่กี่วันมัวไปกินอะไรกับเพื่อนเพื่อนที่ทํางานเผลอตัวกลับมาเลยเที่ยงคืนเรือข้ามฟากหมดแต่ว่านับว่ายังมีโชคดีที่ว่ามีเรือเล็กรับข้ามฟากข้ามเรือเล็กนี่มันน่ากลัวมากพอถึงกลางแม่น้ําปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ว่าเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันทําให้เรือล่มอ่า ก็เกือบตายไปอีกแล้วดีแต่ว่ามีเรือหางยาวลํานึงแล่นผ่านมาแล้วมาช่วยช่วยเอาไว้ทันก่อนที่คุณนิกรจะจมดิ่งลงไปส่วนลุงคนพายเรือแกก็เกาะเรือของแกอยู่ไม่เป็นไรเลยตั้งแต่นั้นกุนิกรก็เลยต้องห่างท่าเรือเอาไว้ให้ ม, กมากๆแกก็มาเล่าเรื่องนี้ให้คนที่ทํางานฟังปีบางอ่อนก็ให้พระเหรียญหลวงพ่อมาองคหนึ่งเก่าวมากจนลบเลือนไม่เห็นชื่อหลวงพ่อแล้วปีบางอ่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลวงพ่ออะไรแต่เป็นเหรียญทองแดง อ่าคุณนิกรก็ยกมือไหว้ท่านเอาเชือกร่มมาร้อยห้อยคอไว้พอได้เหรียญหลวงพ่อองค์นั้นมาแขวนคอแล้วเหตุร้ายก็ไม่เกิดอีกป้าเจ้าของห้องเช่าก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับห้องที่จะอยู่นั่นอีกเลยยังไงเสียคุณนิกรก็ยังไม่ค่อยกล้าใช้บริการเรือข้ามฟากไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่กลายไปหามานะันน่ะอยู่มาวันหนึ่งน้องสาวโทรมาว่าพี่เดี่ยวตายแล้วคุณนิกรก็รีบถามว่าตายยังไงน้องเล่าบอกว่า พี่เดียวเนี่ยหนีหายไปหลายเดือนแต่แล้วเขากลับมาก็ไม่มีใครรู้ว่าเขากลับมาแล้วแม้แต่พ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาแต่ว่าคืนนั้นฝนมันตกหนักฟ้าผ่ารุนแรงเปรี้ยงเปรียปร้ย ง, ยงดังสนั่นหวันไหวและคืนนั้นน้องก็นอนอยู่ที่บ้านนอกด้วยพอเช้าเท่านั้นมีคนไปเจอศพพี่เดี่ยวนอนตายอยู่โดนฟ้าผ่าดําเป็นตอตะโกไม่น่าเชื่อว่าเขาไปตายที่ใต้ต้นข่อยใหญ่ตรงที่เขายิงนักข่ตายตรงนั้น มันเกือบจะเป็นที่เดียวกันกับตรงที่นกไขนอนจมกองเลือดนั่นเลยคุณนิกรอ้าปากค้างซักถามอะไรไม่ออกน้องก็เล่าต่อไปว่าชาวบ้านเล่าเรื่องนี้กันใหญ่คาดเดาไปต่างๆนานาบ้างก็ว่าวิญญาณนกไข่เป็นล่าตัวพี่เดียวกลับมาให้ตายตกไปตามกันณนะที่แห่งเดียวกันบางคนบอกว่าพี่เดียวคงจะโดนวิญญาณนกไขเข้าสิงทําให้กลับมาโดยไม่รู้สึกตัว แต่คุณนิกกรจำได้ว่าพี่เดี่ยวเนี่ยมีตะกรุดที่กันผีแล้วก็ป้องกันพยยอันตรายต่างๆได้ก็เขาเป็นคนบอกเองอ่าคุณนิกกรก็เลยถามน้องว่าที่เอวของศพมีตะกรุดอยู่หรือเปล่าน้องสาวก็บอกว่าตะกรุดอะไรไม่เห็นมีเลยไม่มีใครพูดว่ามีตะกรุดต่อมาคุณนิกกรก็ได้รู้ว่าที่ศพนะั้นไม่มีตะกรุดจริงๆมันหายไปไหนไม่มีใครรู้พวกญาติๆของเขาก็ยังสงสัยกันอยู่เพราะตะกรุดอันนั้นนเป็นของปู่ในเดี่ยว ที่ถอดให้เขาก่อนที่เขาจะหนีการตามล่าตัวของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอีกหลายปีต่อมาก็มีคนเห็นว่าในคืนฝนตกฟ้าขนอง แ, บแลบแปปราบนั้นก็จะมีคนเห็นนักไข่กับพี่เดี่ยวเนี่ยเดินวนไปวนมาในแสงฟ้าแลบอยู่ที่นาแปลงนั้นไม่ห่างไม่ไกลาจากต้นข่อยใหญ่ต้นนั้นพวกเขาตอก้มหน้าก้มตาเดินกันไปเดินกันมา ว่าก็แลบแปลบแแท่าทางเหมือนกับว่าพวกเขากําลังหาทางไปจากที่นั่นแต่ว่าหาไม่เจอนานนับสิบปีเลยทีเดียวครับที่มีเรื่องเล่าขานอยู่เรื่องเนี้ยเพราะว่ายังมีคนเห็นอยู่เรื่อยๆหน้าฝนเนี่ยก็จะมีเรื่องนี้ออกจากปากใครคนใดคนหนึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่อยู่บ้านใกล้ๆกันนั่นแหละจะมองเห็นกันแล้วก็พากันหวาดผวากันมาจนกระทั่งถึงวันนี้ครับ วันนี้จะเล่าเรื่องที่อาจารย์นทีลานโพท่านเรียบเรียงมาจากเรื่องของท่านอาจารย์ทอเลียงพิบูลนะครับเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่ข้ามชาติมาล้างแค้นคือเหตุเกิดประมาณปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขามีการทอดกะถินพระราชทานที่วัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดคณะผู้อัญเชิญองค์กะถินไปทอดที่วัดนี้ เป็นข้าราชการสังกัดกรมหนึ่งของกระทรวงใหญ่ซึ่งมีขอบข่ายภาระหน้าที่แล้วก็มีอำนาจสูงกระทรวงหนึ่งของรัฐบาลงานทอดกระถินครั้งนี้นะับเป็นงานใหญ่ของวัดเนื่องจากมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นประธานประกอบด้วยข้าราชการทุกระดับประชาชนผู้ร่วมศรัทธาแล้วก็แขกชาวต่างประเทศไปร่วมงานบุญกันอย่างครับข้างก่อนจะถึงกำหนดเวลาถวายกถินคืนหนึ่ง ก็จะให้มีงานรื่นเริงฉลององค์กะถินด้วยโดยคณะกรรมาการกะถินของกรมเป็นผู้ดำเนินการเป็นการแสดงเบ็ะเล็ดของข้าราชการชายหญิงประจำกรมซึ่งท่านรองอธิบดีได้ให้ชื่อในการแสดงนี้ว่าเป็นวสมบันเทิงในคืนนั้นภายในวัดสว่างสวยด้วยแสงไฟมีชาวบ้านละแวกใกล้เคียงก็อุ้มลูกจุงหลานมาเที่ยวงานฉลององค์กถินกันอย่างคับขั้ง แล้วก็ได้รับความสนุกสนานบันเทิงจากการแสดงของนักแสดงสมัครเล่นซึ่งเป็นข้าราชการทั้งหมดการแสดงที่เด่นที่สุดในงานนี้เป็นที่ถูกอกถูกใจชาวบ้านมากที่สุดก็คือการเล่นลิเกโดยเฉพาะตัวนางเอกนั้นเมื่อใส่เครื่องทรงเครื่องประดับเป็นประกายวูบวาบสดใสกิริยาท่ารำและเสียงร้องไม่ผิดกับนางเอกลิเกอาชีพดูอ่อนช้อยหน้าประทับใจทั้งทั้ ง, ท, งที่เป็นลิเกสมัครเล่น งานเื่อนเริงฉลององค์กรถิ่นในคืนนั้นก็เท่ากับประสบความสำเร็จสมประสงค์ทั้งฝ่ายผู้จัดและผู้ชมเป็นอย่างดียิ่งวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันทอดกรถินมีการจัดขบวนแห่องค์กรถินรอบโบสถ์สามรอบก่อนที่จะเข้าไปถวายกรถินแก่พระภิกษุในโบสถ์ข้าราชการสาวสวยซึ่งแสดงเป็นตัวนางเอกนิเกก็ได้รับเกียรติให้เป็นผู้อุ้มไตรครององค์กรถินเดินแห่รอบโบสถ์ ขณะที่ขบวนแห่เคลื่อนไปรอบโบสยังไม่ทันครบสามรอบข้าราชการสาวคนนั้นก็เกิดรู้สึกผิดปกติขึ้นมาอย่างกระทันหันมีอาการมืนศีษะวิงเวียนและหมดแรงคล้ายจะเป็นลมจึงได้มอบไตรครององคถินให้คนอื่นอุ้มแทนเพื่อแห่รอบโบสต่อไปให้ครบสามรอบแล้วข้าราชการสาวก็เลี่ยงออกจากขบวนมานั่งพักบริเวณใต้ต้นลำไ ย, ยคิดว่าอาจจะเนื่องจากความอ่อนเพลียก็เลยทาให้รู้สึกไม่สบาย ก็มีเพื่อนสนิทบางคนมาอยู่ดูแลอยู่ด้วยนั่งพักอยู่ไม่ถึงอึดใจข้าราชการสาวก็พลันกรีดร้องเสียงลั่นเหมือนหนึ่งพบเห็นภาพหน้าขนพองสยองกล้าวตรงหน้าเสร็จแล้วก็ฟุบแนานิ่งหมดสติไปเพื่อนที่อยู่ด้วยและคนที่อยู่ใกล้ต่างก็เข้ามาช่วยกันประถมพยาบาลเท่าที่จะทำได้ครู่หนึ่งข้าราชการสาวก็รู้สึกตัวค่อยๆเงยหน้าขึ้นกิริยาท่าทางผิดไปเป็นคนละคน จากคนที่มีนิสัยละมุนละไมอ่อนโยนกลับเปลี่ยนลักษณะท่าทีเป็นแข็งกระด้างใบหน้าบูดบึ้งถะมึงถึงในตาขุนขวางหน้ากลัวลุกพรวดพลาดเวียงแขนขาอารวาดโดยไม่มีสาเหตุคนที่อยู่ใกล้เข้าไปยึดแขนห้ามไว้กลับถูกเวียงกระเด็นไปคนละทางสองทางคราวนี้เพื่อนร่วมงานหลายคนก็ตะกูลบอกให้ช่วยกันจับตัวไว้ แต่ข้าราชการสาวซึ่งเป็นผู้หญิงเอวบางร่างน้อยไม่รู้ว่าเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนสะบัดตัวเวียงแขนแต่ละทีคนที่จับก็เซถลาหัวทิมต้องใช้คนจำนวนมากกอดรัดจับตัวกดไว้ให้อยู่ในความสงบกระนั้นเธอก็ยังแสดงอาการฮึดฮัดกราดเรียวไม่ขาดระยะพวกเพื่อนต่างพากันวิตกกังวลเมื่อเห็นว่ามีอาการประหนึ่งจะกลายเป็นคนวิกลจริตขณะนั้นพิธีทอดกะถินยังไม่ได้เริ่ม หากเธอผู้นี้เป็นอะไรไปก็ย่อมทำให้งานบุญสะดุดขาดตอนอย่างไม่ควรจะเป็นขณะที่หลายคนช่วยกันจับกฎขราชการสาวเอาไว้เธอผู้นี้ก็พูดออกมาด้วยเสียงอันดังเป็นเสียงแหบห้าเฮี้ยมเกรียมของผู้ชายผิดไปจากเสียงผู้หญิงคนเดิมข้ารอเอ็งอยู่ที่นี่นานมาทั้งสามสิบเจ็ดปีแล้วพึงจะมีโอกาสแก้แค้นในวันนี้ข้าจะกินลือดเอ็งให้สมแขนเอ็งทำไม่ค่าแค้นนะัก พอเสียงผู้ชายพูดจบเสียงผู้หญิงจากคนคนเดียวกันก็พูดตามมาอย่างหวาดกลัวอย่าเอาชีวิตฉันเลยนะฉันกลัวแล้วอาโหสิกรรมไม่ฉันเธอเวลาที่เองทำกับข้าทำไมเองไม่คิดทำไมไม่มีเมตตาสงสารต่อกันบ้างข้าไม่ยอมไปผุดไปเกิดก็เพราะต้องการแก้แค้นเองข้าต้องการกินเลือดเองโอ้ยอย่าเอาชีวิตฉันเลยฉันกลัวแล้วอาโหสิกรรมไม่ฉันเธอข้าไม่ยอมยกให้หรอก ข้ารอคอยการแก้แค้นมาด้วยความทรมานถึงเวลาที่ข้าจะได้แก้แค้นให้สมใจแล้วข้าราชการสาวพูดโต้ตอบเป็นเสียงคนสองคนเสียงหนึ่งเป็นผู้ชายเสียงหนึ่งเป็นผู้หญิงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็มาดูอาการผิดปกติของลูกน้องและร่วมรับฟังรับรู้ถ้อยคําโดยตลอดท่านผู้นี้พอจะคาดเดาได้ว่าข้าราชการสาวลูกน้องของท่านเห็นทีจะถูกวิญญาณเข้าสิงแน่ ก็สอบถามไปว่าเออวิญญาณที่เข้าสิงขนาดนี้ยเป็นใครอ่ะทำไมถึงมาแฝงร่างของคนที่กําลังจะสร้างบุญสร้างกุศลทอดกฐินอย่างนี้ล่ะอ่าข้ามีความแค้นความอาฆาตกับผู้หญิงคนนี้มาแต่ชาติก่อนแล้วเมื่อชาติก่อนผู้หญิงคนนี้มันเกิดมาเป็นคนมั่งคั่งร่ารวยมีทรัพย์สินเงินทองไรหนาะสาโทเยอะแยะสามยังมีอํานาจอิทธิพลเหลือหลาย เมื่อข้าทำผิดหนีมาที่วัดนี้มันให้คนตามมาตัดแขนข้าทั้งสองข้างขาดถึงข้อศอกทําให้ข้าแข็งนักก่อนข้าจะตายข้าตั้งจิตอธิษฐานขอจองเวรมันไปทุกชาติขอกินเลือดมันให้สมกับความแขนให้จงได้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสียงผู้หญิงอีกฉันไม่ได้สั่งให้ไปตัดแขนแกฉันสั่งให้ไปกุมตัวแกกลับมาแล้วก็กําชับแต่เพียงว่าอย่าปล่อยให้หนีไปได้เท่านั้นเพราะว่าแกเป็นบ่าวแล้วแกทําความผิดโอ่หก ถ้าเองไม่สั่งไอ้พวกพร่พวกขี้คาของเองมันจะทำกับข้ายังอำมหิตโหดเยี่ยมถึงขนาดนั้นเจ๊่หรอถึงกระตัดแขนขาขาข า, ขาดกระเด็นทั้งสองข้างเองอย่ามาแก้ตัวซะให้ยากเลยถึงยังไงเองก็ไม่พ้นเงื้อมือข้าไปได้เด็ดขาดและอย่าหวังให้ใครมาช่วยเองให้รอดไปได้ข้าราชการผู้ใหญ่ก็ผู้จาขอร้องให้บิญญาณที่สิงร่างข้าราชการสาวถอยออกไปก่อนอย่าเพิ่งแก้แค้นกันในเวลานี้เลย เปิดโอกาสให้ข้าราชการหญิงคนนี้ทำความดีสร้างกุศลทอดกฐินให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยมาเจราจากันใหม่ไม่ได้หรอเพราะการกระทำด้วยความอาฆาตของวิญญาณไม่ผิดัะมาขัดขวางทางบุญกุศลอันประเสริฐแต่วิญญาณที่สิงร่างไม่ยอมรับฟังคำขอร้องชี้แจงใดๆทั้งสิ้นคงพูดพร่ำถึงความแค้นอย่างน่าสะเพลัวตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะถอดถอนไปจากสภาพที่มีวิญญาณเข้าสิงร่าง ข้าราชการสาวสวยตลอดจนมีคำพูดโต้ตอบด้วยน้ำเสียงที่แตกต่างกัน ท, ทั้งทั้งที่ผู้พูดก็พูดอยู่คนเดียวพอจะประเมินได้ว่าข้าราชการสาวผู้นี้ในชาติปางก่อนควจะเป็นคนมั่งคัง่งร่ำรวยอย่างมากมายมีอำนาจอิทธิพลเป็นที่เกรงกลัวของคนทั่วไปสำหรับวิ ญ, ญญาณที่มาเข้าสิงนี่น่าจะเป็นพวกฆาทาาภายในบ้านแล้วทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหนีไปผู้เป็นนายก็ได้สั่งให้บ่าพร่ติดตามจับกลุมตัวไปพิจารณาโทษ แต่บ่าวไพร่ทำเกินคำสั่งถึงกับใช้ดาบหันแขนทั้งสองข้างขาดเสมอข้อศอกแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้ตายก่อนตายผู้ถูกทารุณกรรมอย่างโหดเหี้ยมก็บังเกิดความเครียดแค้นต่อผู้เป็นนายอย่างแรงกล้าก็ตั้งจิตอธิษฐานจองเวรขอทำลายชีวิตกินเลือดแก้แค้นให้ได้เมื่อสิ้นใจตายจิตวิญญาณซึ่งถูกร้อยรัดด้วยแรงอาฆาตก็เลยไม่ไปไหนวนเวียนอยู่หน้าสถานที่ซึ่งตัวเองสิ้นใจตายก็คือวัดนี้ รอคอยให้คู่แข้นคู่อาฆาตเดินทางมายังวัดนี้อีกครั้งหนึ่งส่วนผู้เป็นนายเมื่อสิ้นอายุไขก็มาเกิดในชาติปัจจุบันคือข้าราชการหญิงคนนี้เธอไม่เคยรู้ว่าในอดีตชาติทั้งตัวได้ไปสร้างความเจ็บแค้นให้แก่ใครบ้างแล้วถึงกับมีคนคนหนึ่งแม้จะตายไปนานแสนนานก็ยังจองเวรอาฆาตตัวเธอไม่เลิกลาการที่ข้าราชการสาวร่วมขบวนเดินทางมาทอดกะถินที่วัดแห่งนี้ เห็นทีจะเป็นพลังกรรมผลักดันให้มามากกว่าจะเป็นความบังเอิญแล้วก็เป็นการมาพบกับวิญญาณของคนคนหนึ่งซึ่งมีกรรมพัวพันุ์อยู่กับเธอขณะที่วิญญาณอาฆาตยังสิงร่างข้าราชการสาวผู้เห็นเหตุการณ์ก็โจดขานกันปากต่อปากผู้เดียวเท่านั้นก็มีคนมามุงดูกันแน่นขนาดซึ่งก็มีทั้งเพื่อนข้าราชการร่วมกรมและชาวบ้านที่มาร่วมงานบุญเวลานั้นองค์กตินได้นําไปตั้งไว้ในโบสถ์แล้ว ส่วนเจ้าอาวาสอยู่ที่กุฏิเตรียมครองผ้าจะเข้าบูถ์รับกรถินพอทราบเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นท่านก็รีบลงจากกุฏิตรงไปยังบริเวณใต้ต้นลำไยายโยมฝ่ายเจ้าภาพเห็นเจ้าอาวาสก็รีบเข้ามาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับข้าราชการหญิงให้ท่านฟังโดยคร่าวๆแล้วขอร้องให้ท่านช่วยขับไล่ผีให้ออกไปด้วยเถอะเจ้าอาวาสก็หัวเราะอธิบายว่าท่านไม่มีคาถาคมปราบผีไล่ผีอย่างที่เข้าใจหรอกมีแต่พระธรรมของพระพุทธเจ้า แต่ก็จะลองพูดจาขอร้องเขาดีๆซึ่งก็ไม่แน่ใจนักว่าจะมีผลยังไงท่านจะอาววาดก็เดินเข้าไปที่ใต้ต้นลำไยผู้ที่ห้อมล้อมดูเหตุการณ์ต่างก็รีบหลีกทางให้ท่านเข้าไปโดยสะดวกพร้อมกับสุดตัวลงนั่งพนมหนึ่งมือน้ำมัสการขร้าราชการสาวนั่งในตาขุนขวางอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆที่คอยระวงังและเตรียมพร้อมที่จะรวบจับตัวหากเธอจะอาลวาดขึ้นมา ที่น่าแปลกแล้วก็คาดไม่ถึงก็คือเมื่อจเจ้าวาดเดินมาอยู่ตรงหน้าเธอผู้มีวิ ญ, ญญาณสิงก็ก้มลงกราบแสดงความเคารพพระภิกษุผู้ทรงศีลท่านเป็นพระท่านจะจับกระผมถ่วงน้ำอย่างนั้นเหรอท่านจเจ้าวาดก็ยิ้มอัตมาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสีนปฏิบัติธรรมไม่มีจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายจะไปจับวิ ญ, ญญาณใครไปถ่วงน้ำทำทาทาโทษให้ได้รับความทุกข์ทรมานหรอก อาตมามีความปรารถนาเพียงแต่ต้องการในสัตว์โลกอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขเท่านั้นเองวิญญาณในร่างข้าราชการสาวประหนึ่งจะอ่านใจเจ้าอาวาสออกว่าท่านจะขอบินทบาทการแก้แค้นของตัวก็รีบพูดออกมาเสยก่อนกรผมเคารพนับถือหลวงพ่อแต่ถ้าท่านจะขอให้กับผมอาหัวีกรรมแก่ผู้หญิงคนนี้กับผมทำไม่ได้เด็ดขาดเพราะกรผมได้รอคอยโอกาสแก้แค้นมานานแล้ว ถึงยังไงก็ขอกินเลือดมันให้สมใจให้สมกับที่มันเคยทำกับกผมเอาไว้อย่างแสนสาหัสเหมือนไม่ใช่เป็นคนด้วยกันจเจ้าอาวาสได้ยินอย่างนั้นท่านก็รู้ว่าวิ ญ, ญญาณที่กำลังสิงร่างกำลังมีทูตสะจริตครอบงาอย่างรุนแรงหากใช้วิธีข่มขู่ด้วยอำนาจเถึงทีจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายหนักเข้าไปอีกท่านจึงกล่าวด้วยเมตตาจิตชี้นาให้บิ ญ, ญ, ญาณสานึกถึงความผิดชอบชั่วดีว่าท่านในฐาน ะ, จะเจ้าอาวาส ปกครองวัดนี้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในธรณีสงเมื่อชาวกรุงเทพก็มีจิตศรัทธาเดินทางมาประกอบการกุศลโดยการทอดกระถินเพื่อจะมอบปัจจัยให้บำรุงวัดวาอารามดวงวิญญาณก็ไม่สมควรอย่างยิ่งในอันที่จะทำการประหนึ่งขัดขวางงานบุญแล้วศรีกาซึ่งเป็นคู่แคนคู่อาฆาตกันก็กาลังจะสร้างกุศลสร้างความดีเป็นมหากุศล ท่านถึงอยากจะขอร้องให้วิญญาณงดเว้นการแก้แค้นเอาไว้ชั่วระยะหนึ่งก่อนเมื่อเสร็จกิจประกอบผู้สนผลบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะตกลงกันอย่างไรเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันใหม่ท่านขอบินทบาทเพียงแค่นี้วิญญาณในร่างข้าราชการสาวก็นิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่เมื่อหลวงพ่อผู้สรงศีลได้ขอบินทบาทผลัดพรยืดเวลาออกไปชั่วระยะหนึ่งกระผมก็ยินยอมถวายให้เป็นการชั่วคราวครับ แต่จะให้เอาหัวศีกรรมแก่ผู้หญิงคนนี้ยอมให้ไม่ได้ก่อนที่กระผมจะออกจากร่างนี้ไปท่านจะต้องปฏิบัติตามที่กระผมต้องการคือเอาเลือดของมันทาที่ใบลำไยสามใบแล้วเหน็บไว้ตรงต้นลำไยจะเอาว่าได้ยินว่าจะให้ท่านทำร้ายผู้อื่นถึงขั้นเลือดตกยางออกโดยเจตนาอย่างนั้นท่านก็แย้งว่าท่านเป็นพระสงค์จะทำอย่างนั้นได้ยังไงขอให้ท่านทำอขอให้ทำวิธีอื่นไม่ได้หรอือ วิญญาณอาฆาตก็ตอบกลับว่าต้องการวิธีนี้อย่างเดียวหากท่านทําไม่ให้มันไม่ได้ข้อตกลงทั้งหมดก็เป็นอันยกเลิกไปถูกบีบบังคับชนิดหมดหนทางเลือกอย่างนี้ท่านจะอาวาดถึงอับนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่ก่อนจะตัดสินใจยอมทําตามคําขอร้องของวิญญาณโดยบอกไปว่าถ้าสิ่งที่วิญญาณขอนั้นไม่ทําอันตรายร้ายแรงต่อสีกาผู้ที่มันยึดครองร่างอยู่ท่านก็จะบอกให้กระทําตามคําขอ วิญญาณอาฆาตก็บอกให้ทราบว่าตรงเหนือข่าวซ้ายของข้าราชการสาวมีปานขาวเป็นรูปหัวใจให้เอาเข็มแทงตรงกลางรูปหัวใจแล้วเอาเลือดทาใบลาไยไปเนบว้ตรงขาครบต้นลาไยเมื่อทำเช่นนี้แล้วตัวก็จะได้ออกไปชั่วคราวแต่ย้ำว่าจะไม่อหูสิกรรมเป็นอันขาดจจอาวาดก็บอกให้เพื่อนๆของข้าราชการสาวทาตามที่วิญญาณอาฆาตต้องการ เมื่อเลิกพานุ่งขึ้นมาเหนือข่าวก็เห็นปานขาวรูปหัวใจมีอยู่จริงๆเพื่อนคนหนึ่งก็ใช้เข็มแทงกลางปานขาวรูปหัวใจให้เลือดไหลออกมาแล้วแตะเลือดไปทาใบลำไยสามใบก่อนจะนำไปเน็บไว้กับขาครบต้นลำไยเมื่อทําทุกอย่างตามที่วิญญาณจองเวรบอกเสร็จเรียบร้อยข้าราชการสาวก็ฟุบหน้าลงไปแน่นิ่งครู่หนึ่งต่อมาเธอก็เงยหน้าขึ้นเหลียวมองไปรอบๆตัว เห็นเพื่อนๆและชาวบ้านรายล้อมแน่นขนาดรวมทั้งเจ้านายอีกหลายคนและเบื้องหน้ายังมีท่านจเจ้าอาวาสยืนมองดูอยู่ด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มอย่างเมตตาก็รีบยกมือไหว้นะมัสการขณะเดียวกันก็รู้สึกงุนงงสงสัยว่าทําไมถึงได้มีคนมากมายมามุงดูอย่างนี้ข้าราชการสาวบอกกับเพื่อนว่ารู้สึกเหมือนกับจะเป็นลมละหมดสติไปเท่านั้นทําไมถึงมีผู้คนมากันมากมายอย่างนี้ เพื่อนก็เล่าให้ฟังมาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับตัวเธอโดยละเอียดก็ทำให้ข้าราชการสาวสวยรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็วิตกกังวลมากจากนั้นพิธีทอดกะถิ่นก็ดำเนินไปเป็นปกติขณะที่ทุกคนอยู่ในโบสร่วมกันถวายท่าองค์กะถิ่นข้าราชการสาวก็ตั้งจิตแน่วแน่อธิษฐานอุทิศส่วนกุศลครั้งนี้ให้แก่วิญญาณอาฆาตซึ่งมีกรรมผูกพันกันมาแต่ชาติปางก่อนขอให้พ้นทุกพ้นภัย ขอให้มีความสุขกายสุขใจไม่เร่าร้อนทรมานแล้วก็ให้อโหสิกรรมต่อการเสียเมื่องานบุญทอดกระสินเสร็จสิ้นลงพวกข้าราชการและผู้มีจิตศรัทธาชากรุงเทพก็เดินทางกลับกรุงเทพแต่บรรยากาศตอนขาไปกับขากลับนี่ออกจะผิดแผกกันออกไปช่วงเดินทางขากลับกรุงเทพดูมันทุกคนจะเศร้าซึมไม่รื่นเรืองเอาเสียเลย ทั้งนี้เนื่องจากแต่และคนรู้สึกสงสารแล้วก็ห่วงใยเพื่อนข้าราชการสาวซึ่งถูกวิญญาณอาฆาตจองเวรชนิดไม่ยอมเลิกลาแม้เหตุการณ์ร้ายจะผ่านไปแลว้วก็ตามแต่การที่วิญญาณอันน่าสะพึงกลัวประกาศไม่ยอมเอาหสิกรรมให้ก็เท่ากับเธอผู้นี้ต้องเผชิญกับภาวะซึ่งไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนต่อไปเมื่อข้าราชการสาวสวยกลับมาถึงบ้านในกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เธอก็สัมผัสรับรู้ว่าวิญญาณแค้นได้ติดตามมาด้วยเพราะในเวลากลางคืนหรือแม้แต่เวลากลางวันแสกๆสุนัขที่อยู่ในบ้านและสุนัขที่อยู่นอกบ้านเป็นผงๆก็จะเห่าหอนสแสดงกิริยาหวาดกลัวต่อบางสิ่งบางอย่างแทบทุกวันซึ่งพวกมันไม่เคยทําอย่างนี้มาก่อนเพื่อนบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงไม่รู้ความในเรื่องวิญญาณอาฆาตก็พากันแปลกใจรับคนหวาดหวั่นเมื่อเห็นความผิดปกติของสุนัขเหล่านั้น สำหรับภายในบ้านของข้าราชการสาวสวยก็ประหนึ่งถูกครอบงำโดยม่านหมอกอันหน้าท่านพึงตลอดเวลาบางครั้งจะเห็นชายแขนด้วนสองข้างมาประกฏกายเดินไปเดินมาแล้วก็หายวูบไปบางครางเมื่อหญิงสาวเดินไปไหนเธอก็มีความรู้สึกเหมือนใครกำลังเดินตามทุกย่างก้าวทำให้เกิดความหวาดกลัวสะดุ้งผวาอยู่ตลอดเวลาแต่ข้าราชการสาวยังจาได้ ก่อนขบวนกระถินจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพท่านจะเอาวาดได้เมตตาเรียกเธอให้เข้าไปหาแล้วก็สอนว่าเออโยมการที่จะทำให้ความอาฆาตพยาบาทจางหายสลายไปได้นั้นน่ะมีทางเดียวเท่านั้นละ่ะคือสร้างความดีชนะความชั่วพยายามสร้างกุศลผลบุญให้บ่อยๆส ม, าม่าเสมอแล้วอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แก่วิญญาณผู้ซึ่งเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราทั้งหมดเนี่ย หากทำอย่างนี้ก็อาจจะทำให้ความอาฆาตจองเวรเขายุติลงได้ข้าราชการสาวสวยคนนี้ก็เลยมุ่งมั่นทำแต่ความดีชนะความชั่วตามคำแนะนำของเจ้าอาวาสโดยไม่ยอดท้อเธอทำพัฏตตหารใส่บาตรทุกวันถวายสังฆทานเป็นเจ้าภาพบวชกุลบุตรให้เป็นพระภิกษุทำบุญและให้ทานต่างๆไม่เคยขาดพร้อมกันนั้นก็ได้อุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลแลกรวดน้าแผ่เมตตาให้แก่วิญญาณคู่อาฆาตของเธอทุกครั้ง ตั้งใจให้เวรระงับด้วยการไม่จองเวรเพื่อหวังจะหลุดพ้นจากกรรมนี้เป็นเวลานานหลายเดือนที่ข้าราชการสาวสวยสร้างกุศลกรรมและทานบารมีเป็นความดีที่บำเพ็ญตลอดเวลาอย่างแน่วแน่และในระหว่างที่เธอสร้างกรรมดีบรรยากาศอันน่าพานพึงภายในบ้านตลอดจนปรากฏการชวนให้หวาดผวาก็ค่อยๆผ่อนคลายลงไปประหนึ่งวิญญาณร้ายลดราความแค้นความพยาบาทน้อยลงไปเรื่อยๆ กระทั่งคืนหนึ่งเวลาใกล้รุ่งหญิงสาวก็เกิดนิมิตความฝันเห็นชายแขนด้วนสองข้างเดินเข้ามาหาที่เตียงนอนซึ่งหญิงสาวกำลังนอนอยู่การปรากฏกายของชายแขนด้วนคราวนี้ไม่มีกิริยาท่าทางดุร้ายน่ากลัวแต่อย่างใดหากมีใบหน้าแจ่มใสและยิ้มแย้มเป็นอันดีชายแขนด้วนก็พูดกับเธอบอกว่าข้าได้ติดตามดูแกปฏิบัติประพฤติมาเป็นเวลานา น, านพอสมควร เชื่อว่าแกไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อข้าจริงๆการกระทําที่บาวไพร่ของแกทำลงไปนั้นพวกมันคงจะทำโดยพระราการนับแต่ข้าได้กินเลือดจากใบลำไ ย, ยคำอธิษฐานจองเวรของข้าก็านับว่าสิ้นสุดลงและแกได้กระทําความดีอันเป็นกุศลมากมายอุทิศให้แกข้าทำให้แขนน้องข้าต่อติดกันเหมือนอีกครั้งเหมือนเดิมและตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราก็สิ้นเวรสิ่งกรรมต่อกันทั้งหมด ข้าจะขอลาไปเกิดในโลกมนุษย์เสียทีขอให้แกมีความสุขความเจริญสืบไปนะในความขวัญหญิงสาวเห็นแขนสองข้างของชายคนนั้นค่อยๆงอกขึ้นมาเป็นปกติอย่างน่าอัศจรรย์แล้วร่างที่ยืนทำงานอยู่ตรงหน้าก็ค่อยๆเลือนหายไปเมื่อหญิงสาวตื่นขึ้นมาตอนเช้าเธอก็รู้สึกปลอดโปร่งสบายใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มานานเกือบปีเพราะบัดนี้หนี้กรรมและความอาฆาตจองเวรได้สิ้นสุดยุติลงไปแล้ว ด้วยการอาโหสิกรรมเป็นความจริงแท้แน่นอนครับการทำความดีย่อมชนะความชั่วได้และเวียนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนเรื่องนี้จึงจบลงด้วยดีทั้งสองฝ่ายในตอนสุดท้ายครับวันดีจะเล่าเรื่องเจดีผีดุ ที่บ้านทุ่งเขนตําบลทุ่งค อ, อกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีให้ฟังครับเจดีเนีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีพุทธศาสนิกชนสร้างขึ้นมาเพื่อสักการบูชาหรือว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุอัฐิธาตุหรือแม้แต่พระบูชาและพระเครื่องรวมทั้งสร้างขึ้นเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอาจจะมีสาเหตุอื่น แล้วแต่ผู้สร้างจะให้ความหมายเป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นเจดีย์บ้านทุ่งเขนในเรื่องนี้นะครับเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณปีพศ2460มีชาวมอญกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากบ้านดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีมาสร้างหลักปักฐานอยู่ที่บ้านทุ่งเขนซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ท้องทุ่งนา มีลำคลองตัดผ่านพื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกตอนที่อบพยพสัมภาระและผู้คนครั้งนั้นก็ใช้ขวีนเป็นพาหนะรอนแรมมาตามป่าตามดงธุระกันดานมากสาร้ายและไข้ป่าก็ชุกชุมผู้ร่วมเดินทางก็เป็นไข้ป่ากันหลายคนโดยเฉพาะเด็กกับผู้หญิงเป็นไข้ป่ากันมากกว่าผู้ชายวัยสกันก็ใช้เวลารอนแรมมาหลายคืนหลายวัน กว่าจะมาถึงบริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งเกวียนบรรทุกสัมภาระเกิดติดลมโคลนกันหลายเล่มการเดินทางต้องหยุดชะ ง, งักพอแก้ไขเล่มนี้ได้เล่มอื่นก็เป็นอีกเป็นอย่างเนี้ยเป็นที่ผิดสังเกตทำให้การเดินทางมีอุปสรรคมากบางเล่มติดลมโคลนจะเห็นจะลากกันยังไงก็ไม่อาจจะหลุดพ้นลมโคลนทั้งที่ไม่ลึกน่าจะมีอาถรรพ์อะไรสักอย่างอันนี้ คนแก่ซึ่งเป็นผู้ชายชื่อจุหมินให้ความเห็นจุหมินนี้เป็นผู้อาวุโสมีวิชาอาคมผู้ร่วมขบวนให้ความเคารพนับถือกันทุกคนก็นั่งทางในดูว่าที่แห่งนี้มีอาถรรพ์อะไรเคลือบแฝงอยู่หรือเปล่าทําให้รู้ว่าพื้นที่บริเวณเนี้เจ้าที่แรงมากหากให้เครื่องเส้นไหว้ทาวิธีสักการะ บ, บูชาขออนุญาตอยู่ที่นี่ซะเลยก็จะพบความผาสุกตลอดไป และความประสงค์ของเจ้าที่ให้คณะเดินทางอพยพอยู่ที่นี่ก็บันดาลให้เกวียนติดลมโคลนเดินทางต่อไปอีกไม่ได้เมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็เลยตกลงใจอยู่กันเสียที่นี่ช่วยกันจับจองที่ดินช่วยกันหักร้างถังพงซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยและดงไผ่ขึ้นอยู่หนานแน่นเสร็จแล้วก็ปลูกบ้านพักสร้างความมั่นคง แต่ก่อนก็ยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่กันไม่กี่หลังคาเรือนให้ชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านทุ่งเข็นหมายความถึงการเข็นการลากเวียนล้มาติดลมอันเป็นสาเหตุให้มาอยู่กันที่นี่แล้วก็ช่วยกันสร้างวัดขึ้นมาตามกุศลและศรัทธาโดยจุหมินเป็นผู้นําการสร้างก็คือไปรื้อวัดกองไฟไหม้ซึ่งเป็นวัดร้างห่างกันประมาณสามกิโลเมตร ก็นำอาวัสดุจําพวกไม้กระดานแล้วก็อื่นๆนำมาสร้างวัดเจ้าอาวาสรูปแรกชื่อพระอาจารย์จะเมื่อสร้างวัดเสร็จเป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวพุทธแล้วจุหมินก็ถึงแก่กรรมลงชาวบ้านที่ร่วมเดินทางมาด้วยคราวนั้นและลูกหลานต่างก็นึกถึงความดีของจุหมินผู้อาวุโสที่อุทิศตนให้กับหมู่บ้านแล้วก็วัดมาโดยตลอด ก็ปรึกษากันว่าควรจะสร้างเจดีขึ้นเป็นอนุสร์อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เท่าผู้นี้เสร็จแล้วก็เอาอัฐิบรรจุไว้ให้คนรุ่นหลังสักการะบูชาพอเห็นพ้องต้องกันแล้วก็ช่วยกันทำการก่อสร้างเจดีโดยกำหนดเอาพื้นที่ชายเขตแดนสุดของบ้านทุ่งเข็นติดกับหมู่บ้านหัวสแกซึ่งชาวบ้านเพิ่งมาอยู่จากที่อื่นเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่สามมร เจดีสร้างโดยก่ออิดถือปูนช่วยกันสร้างทีละเล็กทีละน้อยอิฐปูนก็ช่วยกันทําขึ้นมาเองใครมีเวลามาช่วยกันทํางานโดยไม่มีหัวหน้าคุมงานไม่มีค่าแรงช่วยกันทํางานด้วยความศรัทธาด้วยความสามาัคคีเสร็จแล้วก็นําอัฐิของจุหมินใส่โกรธบรรจุลงใต้ฐานเจดีส่วนชั้นบนของฐานเจดีชาวบ้านก็บรรจุของมีค่าเพื่อเป็นพุทธบูชา ใครมีทองมีเงินมีนาคเครื่องประดับต่างๆก็ใส่ลงไปในเจดีย์แม่ของคุณบันเทิงผู้เล่าเรื่องเนี้ยตอนนั้นเพิ่งจะวัยรุ่นก็นํากําไรทองข้อมือหนึ่งคู่กําไรนาคข้อเท้าหนึ่งคู่ใส่ลงไปในเจดีย์เพื่อเป็นบุญรูปทรงของเจดีย์เป็นศิลปะแบบมอญจําลองมาจากเมืองหงสาวดีสูงประมาณสิบเมตรนับจากฐานถึงยอด แล้วยังได้สร้างเจดีองค์เล็กๆเรียกว่าเจดีบริวารอีกสี่องตั้งไว้ประจำทิศสี่ทิศลักษณะสวยงามชาวบ้านบรรจุพระบูชาพระเครื่องเครื่องรางของขลังเอาไว้เป็นจํานวนมากทั้งสี่องกว่าจะสร้างเจดีเสร็จใช้เวลาถึงสี่ห้าปีเพราะชาวบ้านล้วนติดภารกิจต้องทํามาหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัววันๆก็อยู่ตามท้องนาท้องไร่นอกจากสร้างเจดีจํานวนถึงห้าองไว้แล้ว ยังได้สร้าง อ, อ่งน้ําเพื่อให้คนเดินทางได้กินน้ําดับร้อนผ่อนกระหายเอาไว้ที่โคนต้นพุทราอยู่ทางด้านทิศเหนือเจอดีแห่งนี้มีชื่อว่าเจดีบ้านทุ่งเขนสมัยนั้นโดยรอบเจดีมีทางเวียนตัดผ่านแวดล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์เป็นป่าเปลี่ยวไม่มีบ้านคนเป็นที่ดอนสูงชาวบ้านเคยไปถางพื้นที่ทําไร่ผักไร่มัน แต่ว่าไม่ให้ผลคุ้มค่าคือให้ผลิตผลน้อยไม่คุ้มกับการลงทุนลงแรงก็เลยเลิกราไปพอถึงวันสงกรานชาวบ้านนิมนต์พระมาทําพิธีสง์มีการทําบุญเลี้ยงพระสงน้ำพระสงน้ำเจดีย์เล่นสะบ้าเล่นมอสซ่อนผ้ากอดเจดีย์ทายตามประเพณีของชาวมอสรซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณภายหลังก็ยกเลิกเจดีย์บ้านทุ่งเข็นได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีอาถรรพ์ลีลับมหัศจรรย์แฝงอยู่ โดยเข้าใจว่าเจ้าที่แห่งนั้นแรงแล้วก็เป็นที่สถิตของวิญญาณของจุหมินอดีตผู้นำชาวมอญอพุยพคราวนั้นคอยพิทักษ์ปกป้องเจดีย์อย่างหวงแหนมีคนไปล่วงเกินกล่าวถ้อยคำลบลู่หรือว่ากระทำการใดๆไม่เหมาะสมก็จะได้รับอาถรรพ์ให้เป็นไปต่างๆนานาจึงได้ชื่อว่าเจดีย์ผีดุคุณตาของคุณบันเทิงชื่อนายซัว เมื่อสมัยยังมีชีวิตอยู่เคยสั่งนักสั่งหมาว่าอย่าได้ไปเที่ยวเล่นส่งเสียงดังบนฐานเจดีเป็นอันขาดเดี๋ยวผีหักคอเอาเป็นคำพูดหยอกล้อซะมากกว่าไม่มีผีหักคอแน่นอนพูดเพื่อไม่ให้คุณมันเทิงกับ น, น้องๆและเพื่อนเด็กด้วยกันออกเที่ยวไกลบ้านจนเกินไปอาจจะได้รับอันตรายเพราะว่ามันไกลหูไกลาตาผู้หลักผู้ใหญ่แต่มีเสียงลือว่าเจดีเนี่ยมีผีดุจริงโดยผีหลอกกันมาหลายราย เคยมีครอบครัวห<ล>นึ่งไปสร้างบ้านอยู่บริเวณไม่ห่างจากเจดีเท่าไหร่นะักผู้นําครอบครัวชื่อในโอ่งในโอค์เป็นคนมาจากถิ่นอื่นอพยพพาลูกเมียมาปลูกกระท่อมอยู่ยึดอาชีพปลูกผักแล้วก็รับจ้างทํานาไม่เคยเชื่อถือหรือว่าเลื่อมใสเจดีเลยแม้แต่น้อยเห็นชาวบ้านซึ่งเป็นคนมอรมาไหว้บูชาบางคนเอาเครื่องเส้นไหว้ซึ่งมีข้าวปลาอาหารผลไม้เหล้าบุหรี่มาเส้นไหว้ก็กลับหัวเราะ ผู้จ่าถากถางว่างมงไงไราสาระไหวเจดีย์ที่สร้างโดยอิฐ ด, ด้วยปูนพระมีให้ไหวยอยู่แล้วทำไมมาไหวาเจดีย์บางครั้งพอคนที่เอาของมาเส้นไหวเจดีย์นั้นกลับไปไม่ได้เอาเหล้าบุรีไปด้วยถือว่าเส้นไหวแล้วนายโอค์ก็เอาของกินคือเหล้าบุรีเอามากินแกกินจนเมาถือว่าเป็นเหล้าอาถรรพ์กินไปแค่แก้วครึ่งแก้วแกก็เมาไปหลายวันทาอะไรไม่ไหว บางทีก็ผ่านป่วยไข้เมียห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังอ้างว่ากินเหล้าแล้วมันก็เมาเป็นธรรมดาของคนเราอืมไอเจ็บป่วยมันใครก็เจ็บป่วยกันได้ไม่ใช่เรื่องแปลเมียก็พยายามพูดให้เข้าใจให้เลิกเอาเหล้าที่เขาไหว่เจดีมากินกลับผ่านเตะเมียอ่าเตะพลางพูดพลางนี่คือการเตะเมียถวายเจดีไว้ในที่สุดวันแห่งความระทึกขวัญก็มาถึง อันนี้พ่อของคุณบรรเทิงเป็นคนเล่าให้ฟังว่าเย็นวันนั้นในโอ่์กลับจากทำนาเข้าบ้านหาเหล้ากินแต่ไม่มีเหล้าแม้แต่สักหยดเดียวมิได้ขวดเปล่าๆก็เลยเดินไปที่จะดีเพื่อใครมาเส้นไหว้ทิ้งเหล้าไว้บ้างพอเดินไปถึงก็พบเหล้าโรงขวดหนึ่งไก่ต้มตัวหนึ่งก็ดีใจในสิ่งที่ต้องการอยู่อ้าอยู่นี่แล้วเอื้อมมือควา้าคราวนี้ไม่ง่ายเหมือนที่คิด มีเสียงห้าวๆสําสเนียงภาษามอญปนไทยไม่ชัดเวลานั้นว่าอย่านะคราวนี้ไม่ยอมท่านใดนั้นก็ปรากฏร่างชายแก่แต่งตัวชุดดําผมขาวพลวนไปตั้งหัวยืนอยู่ข้างเจดีย์แขว้วะกูะเจ้าเหล้าให้กินอ่ะไม่ได้เอ็งเอาไปหลายหุ่นแล้วให้มันรู้ไปจิวะผู้จบ ก, ก็เอื้อมมือไปหยิบขวดเหล้าที่วางอยู่ใกล้าฐานเจดีย์มีใบตองรองคู่กับไก่ต้ม แต่ดึงเท่าไรก็ดึงไม่ออกยังก็ขวดติดกาวยิ่งดึงยิ่งโมโหใช้กำลังดึงขวดเล่าให้หลุดจากที่แค่ไหนก็ไม่เป็นผลสำเร็จถึงกรหดุมือก้อนกระแทกกับพื้นดินเสียงรังอักก็เลยรู้ว่านี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะเสร็จแล้วก็มีเสียงชายแกหัวเราะดังกึกก้องแงนหน้ามองไปยังร่างนั้นคุณพระช่วยร่างชายแกสูงโยงเกือบเท่ายอดเจดีย์ ข้าคือจุมินผู้สร้างเจดีแล้วเฝ้าอยู่ที่นี่เอ็งมันลบลู่ข้าข้าต้องสั่งสอนให้เซะบังพูดจบก็แลบลิ้นยาวเฟื้อยยื่นมือทั้งสองมาตรงหน้านายโอง่งนี้ตาเหลือกเลยกลัวจนน้ำไม่พึงประสงค์ราดออกมาเปรอะเป้าังเกงรวบรวมสติโกยอ้าวไปอย่างไม่คิดชีวิตพอไปถึงบ้านก็พูดจาไม่รู้เรื่องเจ็บเป็นไข้หัวโกรนอยู่หลายวัน ทนความกลัวผีที่เจดีไม่ได้ต้องยกครอบครัวไปอยู่ที่อื่นได้ข่าวว่าไปอยู่ทางอำเภอพนมทวนกาญจนบุรีลูกชายคนหนึ่งชื่อแย้มเป็นเพื่อนกับคุณบรรเทิงที่เล่าเรื่องนี้แต่ว่าไม่เจอกันนานแล้วก็ไม่รู้เป็นตายร้ายดีประการใดหลังสงครามโลกครั้งที่สองประมาณพศ .2490 เป็นช่วงเวลาข้าวยากหมากแพงเจดีองใหญ่ถูกฟ้าผ่ายอดทลายลงมา เหล็กยอดแหลมเป็นช่อก็ถูกคนเก็บเอาไปขายเพราะขายได้ราคาก็ได้ใจรวมกันกับพวกจำนวนหนึ่งใช้ค้อนมาทุบจะดีองค์เล็กส่วนยอดทั้งสี่องค์สี่ทิศเอาช่อเหล็กไปขายเอาเงินแบ่งกันใช้มิจฉาชีพใจบาปทำอย่างนั้นชาวบ้านทุ่งเข็นถึงก็เศร้าใจเปน็นนันมากสาบแช่งให้มันไปลงนรกเสียวัอย่าได้ตายดีให้พบแต่ความพินาศสิบหายก็เป็นไปตามคาสาบแช่ง ได้ข่าวมาภายหลังว่าคนที่ขโมยทุบยอดเจดีเอาช่อเหล็กไปขายพวกนั้นไปเข้าชุมโจนออกปล้นสะดมสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านถูกกองปราบพขาตามล่าชนิดเอาเป็นเอาตายถูกยิงตายเรียบทุกคนนี่คือเวรกรรมตามสนองประมาณปีพศสองสรเก้าสิบหกมีสองคนผัวเมียอยู่บ้านอื่นทางทิตะวันออกเกิดความโลภขึ้นมา มีคนบอกไว้จะดีบ้านทุ่งเข็นมีสมบัติซุกซ่อนอยู่เป็นจานวนมากรวมทั้งพระบูชาพระเครื่องแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆของคนมอญเขาก็อยากได้ไปว่าจ้างคนมีวิชามาทำพิธีทางไสยศาสตร์สะกดวิญญาณที่เฝ้าเจ ด, ดีเพื่อจะขุดหาสมบัติลงมือทำงานกันในคืนเดือนมืดความพิธีจะเสร็จก็เป็นเวลาดึกพอสมควรสองคนผัวเมียช่วยกันขุดใต้ฐานจนทะลุถึงโพรงภายในลอดตัวเข้าไปขนของออกมา ได้ขันเงินขันทองเหลืองเครื่องประดับต่างๆได้แก่สร้อยทองสร้อยเงินกำไรทองเข็มขัดหน้ากำไลหนักก็แบ่งให้คนทําพิธีตามข้อตกลงรับไปแล้วก็รีบเดินจากไปแต่ครู่เดียวก็กลับมาส่งคืนแล้วก็เดินจากไปอย่างรวดเร็วฝ่ายสองคนผัวเมียเก็บของใส่หับได้สงหบับแล้วก็ออกเดินจากบริเวณเจดีขณะนั้นใกล้สว่างแล้วเดินวนเวียนไปมาออกจากที่แห่งนั้นไม่ได้ จนกระทั่งสว่างแล้วหมดแรงวางหาบลงนอนหมดสติตรงบริเวณนั้นเองพระออกบินทบาศพบข้าวก็บอกญาติโยมให้มาอย่างที่เกิดเหตุชาวบ้านก็เห็นสองคนผัวเมียที่ลักขูดสมบัติเจดีย์บ้านทุ่งเขนถือว่าเป็นการกระทําที่ลบหลู่ต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยไปตามผู้ใหญ่บ้านมาจับส่งตำรวจติดคุกไปตามระเบียบได้ข่าวว่าติดอยู่ไม่นานถูกปล่อยออกมาเนื่องจากเป็นบ้าผู้จ้าไม่รู้เรื่อง บางครั้งก็นิ่งเงียบบางครั้งก็ร้องเออะโวยวายมีอาการตื่นกลัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ได้ไม่ถึงปีก็ตายไปตั้งคู่เชื่อว่าโดนอาถรรพ์ของเจดีย์ผีดุเล่นงานนี่แหละคือกรรมของคนลักขุดสมบัติในเจดีย์ปีพศ .2511 คุณบันเทิงผู้เล่าเรื่องนี้มีลูกคนที่สองเป็นผู้หญิงออกมาตัวเล็กนิดเดียว ไม่สบายอยู่ตลอดเวลาพ่อแม่ต้องอาสารับไปเลี้ยงให้ที่บ้านนอกคือที่บ้านทุ่งเข็นนั่นแหละสุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ดีพอเหมือนกับเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกันวันหนึ่งก็ชวนแม่เด็กพาลูกมาที่เจดีย์บ้านทุ่งเข็นจุดทูปเทียนบูชาบอกเล่าจุหมินกับบรรพบุรุษผู้สร้างเจดีย์นี้ขึ้นมาซึ่งปัจจุบันไม่เหลือใครอีกแล้วขอความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์เจดีย์คุ้มครองให้ลูกสาวขณะนั้นอายุเจ็แปดเดือน ให้หายป่วยไข้สุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงโตขึ้นขอให้เรียนเก่งเรียนสำเร็จได้งานดีๆทำมีอนาคตสดใสลูกของคุณบันเทิงชื่อสุภาวดีหรือว่าไก่มีสุขภาพดีตามลำดับไม่เคยเจ็บป่วยรุนแรงเป็นได้ก็หายได้ด้วยเวลาไม่นานพออายุได้ห้าขวบก็รับกลับมาเข้าเรียนในกรุงเทพโตขึ้นเรียนสูงขึ้นเรื่อยเรียนเก่งจบปริญญาตรีได้งานที่บริษัทมั่นคง ขณะนี้ได้เงินเดือนสามหมื่นพบาทแต่งงานแบบแยกครอบครัวไปแล้วมีความสุขดีมั่นใจว่าเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์บ้านทุ่งเขนประสาทพรให้ส่งผลให้ตามคำอธิษฐานขอไว้คราวนั้นปีพศสองพัน้ายเจ้าอาวาสวัดทุ่งเขนซึ่งเป็นคนมอญเชื้อสายบรรพบุรุษผู้สร้างเจดีย์นึกยังไงขึ้นมาไม่ทราบสัส่งคนให้ทุบหรือเจดีย์ออกเสียอาจจะมีเหตุผลว่าชำรุดทุดโทมลงมาก หากทางทลายลงมาบาังเอิญมีคนอยู่บริเวณนั่นจะได้รับอันตรายหรือเห็นว่าเสียเนื้อที่สำหรับทำกินของชาวบ้านเป็นเหตุให้เจดีย์องค์ใหญ่องค์เล็กถูกทุบจนหมดสิน้นชาวบ้านก็ล้วนบ่นเสียดายสมควรบูรณะอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินสืบไปหลังจากนั้นอีกไม่นานจเจ้าอาวาสได้ลาสิขากลับไปใช้ชีวิตเยี่ยงปุถุชนทั่วไปส่วนของมีคราบพระบูชาพระเครื่องในเจดีย์ไม่รู้ว่าใครเอาไปอยู่ที่ไหนบ้าง ทุกครั้งเมื่อ น, นึกถึงเจดีย์บ้านทุ่งเข็ญหรือว่าเจดีย์ผีดุพูดถึงหรือว่าผ่านบริเวณ น, นั้นก็รู้สึกเสียดายสลดหดหูในหัวใจภาพของบรรพบุรุษชามอนสมัยแรกของคนบ้านนี้สร้างเจดียด์ขึ้นมากว่าจะสำเร็จต้องพบกับความเหนื่อยยากจากหยาดเหงื่อแรงงานจากการกุศลและศรัทธาโดยแท้สมัยนั้นเครื่องทุ่นแรงไม่มีพาหนะทางบกดีที่สุดก็คือเกวียนเทียมบัว ควาจะสร้างเสร็จ ก, กินเวลานานนับปีเป็นภาพปรากฏในห่วงนึกยากแก่การลืมเลือนปัจจุบันบริเวณที่เคยเป็นเจดีขึ้นกับหมู่บ้านหัวสแกตําบลเนินพระปรางอําเภอสองพี่น้องเคยมีคนจีนไปปลูกกระท่มอยู่ปลูกผักขายอยู่ได้แค่ปีกว่าก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นมีเหตุผลว่านับแต่มาอยู่ไม่มีความสงบสุขเท่าที่ควรตกกลางคืนได้ยินเสียงคล้ายคนทํางานเสียงเอะอะ เสียงก๊อกก๊กแกลกแกกเสียงควนเสียงวัวร้องเสียงพูดคุยกันเป็นภาษามอญเสียงตัดไม้ลูกๆเขาก็เจ็บป่วยบ่อยมีเรื่องมีราวจนแทบไม่เป็นอันทำมาหากินก็เลยต้องย้ายโดยเชื่อว่าที่บริเวณเนี้ยผีดุการเวลาผ่านไปก็มีถนนตัดผ่านจากสายมาลายแมนผ่านบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งเจดีโดยเริ่มจากบ้านหนองวันเปลยงเข้าอําเภอสองพี่น้อง เป็นถนนทันสมัยมีสี่เลนทำให้มีความเจริญเข้ามาอย่างเหมาะสมกับยุคเกิดมีผู้สร้างร้านอาหารขึ้นบริเวณนั้นซึ่งไม่ใช่ร้านอาหารธรรมดาที่ว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าหลังร้านมีผู้หญิงขายบริการทางเพศดัดแปลงทําเป็นห้องรับแขกเสพสุขกันโดยไม่คำนึงว่าสถานที่บริเวณนี้เคยเป็นเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ยังมีสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์เครือบแฝงอยู่เปิดได้ไม่นานกิจการไม่ดี คนที่ไปเที่ยวมีเรื่องกันเองแยง่งผู้หญิงกันบ้างเมาไมา่อวดความเก่งกล้าบ้างถึงกับมีเรื่องทำร้ายร่างกายจนกระทั่งร้ายแรงถึงฆ่ากันตายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กวาดล้างจับกลุ่มสั่งให้เลิกกิจการร้านขายอาหารบางหน้าดังกล่าวนี้เสียคุณบันเทิงเชื่อว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แม้ไม่มีเจดีย์อยู่เหมือนอดีตแต่วิญญาณบรรพบุรุษผู้บุกเบิกก่อสร้างเจดีย์ซึ่งเป็นชามร ยังคงวนเวียนอยู่ด้วยความหวงแหนเคลือบแฝงไว้ด้วยสิ่งอาถรรพ์ลึกลับยังคงมีผู้เข้าไปทำกิจการร้านค้าหากทำไม่ถูกไม่ทำวิธีขออนุญาตให้ถูกต้องมักจะมีอันเป็นไปไม่มีความเจริญก้าวหน้าคุณมันเทิงบอกว่าเล่าเรื่องนี้ไว้เพื่อเตือนความทรงจำย้อนอดีตให้คนรุ่นหลังได้รับทราบไว้เพราะคนรุ่นเก่านับว่าจะลดน้อยถอยลงจากโลกนี้ไป คนรุ่นใหม่จะเข้ามาแทนที่ย่อมไม่รู้เรื่องเหล่านี้ครับนี่ก็คือเรื่องราวของเจดีบ้านทุ่งเขนที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นวัดเล็กๆแต่ก็ทันสมัยติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ด้วย มีพระจำมันสาอยู่เจ็ดแปดรูปพร้อมทั้งเจ้าอาวาสได้เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นด้วยเช้าวันหนึ่งพระลูกวัดมาทำความสะอาดสาลาใหญ่ก็พบว่าเงินบริจาคที่อยู่ในตู้รับบริจาคในอันตรธานหายไปพวกธนบัตรไม่เหลือติดตู้บริจาคเลยเหลือก็เพียงเศษเหรียญอยู่ที่ก้นตู้กุญแจทองเหลืองที่คล้องเอาไว้ก็ถูกสะเดาะออกหล่นอยู่ที่พื้นแบบนี้มันไม่ปกติธรรมดาแล้ว ก็รีบไปบอกเจ้าวัสท่านสมภารก็รีบมาดูก็พบว่าเป็นความจริงอย่างที่พระลูกวัดบอกไม่ว่าพระรูปไหนรู้เขาก็งงกันไม่หมดยังดีที่มีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้ก็เลยทำให้มองเห็นตัวคนร้ายมือดีว่าเป็นผู้หญิงสูงวัยอายุอานามก็ไม่น่าจะต่ำกว่าหกสิบปีลักษณะท่าทางมันบอกหญิงคนนั้นแต่งตัวในผ้าสินไลล์สีแดงเข้มๆแล้วก็สวมเสื้อแขนกระบอก น่าจะเป็นเสื้อลายลูกไม้ด้วยสีเหลืองๆ เ, เห็นหน้าไม่ชัดพกหัวได้ผ้าสีดำผัดแป้งหน้าขาวแล้วก็สวมแว่นสีชาอันโตอีกด้วยกลางดึกของคืนวันนั้นเป็นวันศุกร์เห็นเลยว่าเข้ามาเดินอยู่ในศาลาใหญ่เดินวนไปวนมารอบๆตู้รับบริจาคแล้วก็มองตู้กระจกที่มีเงินอยู่ข้างในไม่วางตาเดินวนไปมาแล้วก็หยุดที่หน้าตู้รับบริจาค จากนั้นก็มองไม่เห็นว่าทําอะไรเพราะตัวผู้หญิงนั้นบังอยู่แต่ก็ใช้เวลาแค่ไม่นานพอนางพลาออกมาแบงร้อยแบงยี่สิบแบงห้าสิบในตู้นี่หายไปเกลี้ยงเลยเหลือแต่เศษเหรียญแล้วหญิงสูงวัยนั้นก็เดินหายออกไปจากศาลาไม่มีใครได้ยินเสียงหมาเห่าเลยไม่มีพระเนนรูปไหนได้ยินเสียงความผิดปกติไม่มีผู้ใดบังเอิญตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์ ไม่ว่าใครก็พูดกันว่ายายโจนแก่นั้นได้ไปหลายตังเลยทีเดียวถามไถยกันเองว่าตอนที่หัวขโมยเข้ามานะเข้ามาได้ยังไงเพราะว่ารอบรอบสารานะติดลูกลงเหล็กเอาไว้แน่นหนามีทางเข้าออกก็คือประตูเหล็กด้านหน้าแล้วก็ประตูนั้นก็คล้องกุญแจลูกโตเอาไว้อประตูคล้องกุญแจออกแน่นหนาในะแต่โจนเข้าได้ก็ปรากฏว่าออกไปแล้วโจนก็ยังคล้องกุญแจเอาไว้ตามเดิมก็เลยทําให้ยิ่งสงสัย แต่ก็คิดกันได้ว่าทำไมโจรเข้าออกได้สบายๆก็เพราะว่าโจรคนนั้นสามารถสะดะกกุญแจได้เหมือนกับมีคาถาอันวิเศษสุดกุญแจใส่ตู้รับบริจาคตกอยู่ที่พื้นโดยไม่มีลูกนั่นก็เลยเชื่อกันว่าโจร น, นั้นเก่งเรื่องการสะดาะกุญแจยิ่งสงสัยกันว่าทำไมยายแก่นั้นถึงได้เก่งกาดนักไปเรียนวิชานี้มาจากไหนจะต้องไม่ใช่คนในหมู่บ้านเพราะยายแก่ๆชาวบ้านแถวนี้ทาอย่างนั้นไม่เป็นแน่ ชาวบ้านชาวช่องให้ความสนใจในตัวโจรคนนี้อย่างมากเพราะมันล้วงเอาเงินจากตู้รับบริจาคไปมันต้องเลวจริงๆเพราะนั่นมันเงินที่ชาวบ้านก็ทําบุญกันมันเป็นเงินของพวกเขาพวกเขาก็เลยต้องมาดูกันพากันมาดูกล้องวงจรปิดที่บันทึกรูปร่างลักษณะของหัวขโมยเอาไว้ได้มากันเต็มศาลาเลยรุมดูกันแล้ววิพากวิจารณกันกลรากัน ไม่มีใครยั้งปากไม่มีใครห้ามใครเสียงเอ็ดอึงลั่นสารวัดไปหมดเสร็จแล้วอยู่ๆก็มีตาคนหนึ่งแกดูแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็มาดูอีกดูไปดูมาแกก็พูดขึ้นมาข้าว่าข้าเคยเห็นไอ้เสื้อผ้าพันอย่างนี้มาก่อนนะมีคนเคยใส่แกก็เลยโดนเพื่อนบ้านโต้เถียงว่าเสื้อผ้ามันก็คือเสื้อผ้าไม่ว่าใครเขาก็มีใส่กันได้มันไม่ได้มีตัวเดียวในโลกนี่แต่ข้าว่าข้าเคยเห็นนะ คนบ้านเรานี่แหละใส่เพราะข้าไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนถ้าไม่เห็นที่หมู่บ้านเราข้าจะไปเห็นที่ไหนมาล่ะก็อาจจะในโทรทัศน์ละมัง้งไม่เราไอ้โตคนในหมู่บ้านเรานี่แหละอา้าวงั้นใครว่ามาที่ข้ายังนึกไม่ออกเหมือนกันคนอื่นๆที่รอลุ้นกันอยู่ก็สายหน้ากันแล้วก็พูดลับหลังว่าตะแหลมแกพูดจาเรื่อยเปื่อยยายคนหนึ่งน้าตาไหลจุดทูปยกมือไหว้บอกเล่าอะไรบางอย่างปากคำ บ, บุบคมิด ชาวบ้านคนหนึ่งก็ถามว่าแกจุดธูบบอกเล่าอะไรแกก็บอกว่าแกบอกเล่าเจ้าที่วัดให้ช่วยตามเงินกลับมาบ้าอีกคนก็ทําตามพวกชาวบ้านหลายคนก็ทํำกันบ้างพวกเขาก็จุดธูบบอกเล่าเจ้าที่วัดให้ช่วยกันตามเงินบริจาคคืนมาด้วยเจ้าที่วัดเรานะ่ะไม่ใช่เล่นๆ น, นะใช่ย่าฉันบอกเจ้าที่แรงถ้าอย่างนั้นท่านก็คงตามกลับมาได้อ่ะหเจ้าประคุณ เออยกมือท่วมหัวแล้วนี่ขอให้ท่านจัดการอีแก่หัวขโมยได้ทีเถอะขอให้มันเอาเงินมาคืนทีเถอะสาธุเอาสาทุสิพวกเองอะ่ะตกดึกคืนนั่นที่บ้านลุงสาชายแก่จนๆคนหนึ่งไม่มีอาชีพอะไรหากินก็กแก๊กไปวันๆไม่ค่อยมีอะไรจะกินอยู่ตัวคนเดียวตัวผอมบางอย่างกับใบไม้แห้งมันเป็นไปตามกาลเวลาอันล่วงเลยมาจนเกือบจะเจ็ดสิบปีแล้ว ผมออกหมดหัวแล้วตัดสั้นๆแล้วก็ตัดมาด้วยมือของตัวแกเองเพราะไม่มีเงินจะไปตัดที่ร้านเอากันไกลเก่าๆตัดมันต่อหน้ากระจกเงาบานเก่าไม่ว่าอะไรอะไรมันก็เก่าไปหมดไม่ว่าตัวคนหรือว่าข้าวของเมียแกเพิ่งจะตายไปเมื่อปีปก่อนนั้นนั่นก็ตายไปด้วยร่างที่พ่ายผอมเช่นเดียวกันด้วยโรคภัยอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ไปหาหมอให้เขาวินิจฉัยโรค ป่วยหลายเดือนแล้วก็ตายคาบ้านหลังเล็กๆหลังคามุงสังกะสีเก่าๆอันสุดโทมหลังที่แกอาศัยหลบแดดหลบฝนนี่แหละแกมีลูกอยู่สองคนคนผู้ชายตายไปนานแล้วมันห้าวนักก็เลยโดนพวกกอะปืนจาะหัวระเบิดสมองซะส่วนลูกสาวได้ผัวแล้วก็หายไปเลยไม่เคยกลับมาเยี่ยมแกชื่อลุงสาลุงสานอนหลับหลับตื่นตืนแล้วก็เหมือนฝันว่ามีคนมาหา แกก็เลยลุกนั่งมองไปทางปลายเท้าไม่เห็นอะไรก็มองไปทางซ้ายมือข้างๆมุงก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ด้วยร่างใหญ่ดำทำมืนเงินทองที่เอามานะ่ะเอาไปคืนซะเงินอะไรเงินที่ล้วงออกมาจากตู้เงินในวัดอ่ะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยได้ยินแต่ชาวบ้านเขาพูดกันเอาไปคืนเสียก็บอกไม่รู้เรื่องเอาไปคืนเสีย ชาวบ้านเขาว่าคนเอาไปเป็นผู้หญิงแต่ผมนี่ผู้ชายกนะ่อแก่นี่แล้วจะใครลุงสาแก่คนนิ่งคิดใตใ่ตรองเอาไปคืนเสียผู้มายามบิการยังพูดย้ำอีกแล้วก็คิดว่าไอ้หมอเนี่ยคงจะรู้คงจะเห็นตอนที่แกเอามาเอาไปคืนแล้วจะเอาอะไรกินนะ่ะมันไม่ถูกต้องนั่นมันเงินที่คนเขามาทําบุญทําทานก็ น, นี่ไงละทานเขาอยากจะทําบุญทําทานก็ได้ทําแล้ว ก็นี่ไงคนไม่มีจะกินเอาไปคืนเสียเสียงพูดย้ำนั่นก็ยิ่งเครียดขึ้นทำบุญทำทานก็ทำกับผมนี่แหละผมอดอยากปากแห้งทำไมดือ้อรั้นทำไม่ปวดหัวบ้างหรื อ, อยังไงแกอ้าปากจะตอบว่าไม่เห็นปวดก็พอดีหัวของแกเกิดปวดจิตขึ้นมาดือด้อๆเหมือนกับว่าโดนมือที่มองไม่เห็นเอื้อมมาคว้าคำับทั้งสองข้างแล้วบีบเค้นโอ๊ยโอ้ย เอาไปคืนเสียแกไม่ตอบไปแต่เอาสองมือกุมหัวเพราะแกไม่ตอบขมับก็ถูกบีบหนักขึ้นทุกทีเอาไปคืนเสียเอาไปคืนไหมโอ้ยโอ้ยเอาเอาไปคืนแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยครับครับคืนครับเดี๋ยวนี้ครับแกดิ้นพลาดพลาดบิดตัวไปมาพอตั้งหลักได้แกก็ยกมือไหว้ประลกประลกด้วยความเจ็บปวดอย่างสาหัสสากัน ใจนึกอยู่ว่าไอ้คนที่มาหานี่มันไม่ธรรมดามันคงจะไม่ใช่มนุษย์อย่างแกเงยหน้าอีกทีร่างดำธรมมนนั้นหายไปแล้วเงินที่ได้มาหอ่อผ้าเอาไว้ยังไม่ได้เอาไปใช้สักบาทเพราะเพลงชาวบ้านเขารู้แก่ก็เลยเก็บไว้ก่อนให้เรื่องซาซาค่อยหยิบออกไปซื้อนั่นซื้อนี่เออเสียดายจังได้มาแล้วก็ต้องเอาไปคืนอีกไม่ไปดีกว่าก็ไอ้ตัวนัน้นมันหายไปแล้วพอคิดอย่างนี้แกก็สะดุ้งเฮือก เพราะว่าได้ยินเสียงดังมาวะเอาไปคืนเสียเหลียวมองเลิะๆเลอกๆรอบตัวแกไม่เห็นตัวคนพูดอืมไอ้ห่านั้นมันแอบมองอยู่นี่วะเอาไงดีวะแกคิดระหว่างมือถือห่อผ้าสีขาวขมุกข ม, มมอยู่ทันใดนั้นแกก็ปวดหัวหนักหน่วงโดนบีบขมับอีกแล้วลงไปนอนดิ้นห่อผ้าหลุดมือเอาสองมือกลมขมับรองลันคืนแล้วคืนแล้วเอาไปคืนแล้วไปเดี๋ยวนี้แล้วกลัวแล้ว กลัวจริงๆคราวนี้กลัวจริงๆพอแกร้องอย่างนี้แล้วก็หายปวดหัวค่อยๆคืนสู่ความสบายอีกครั้งอะตอนนี้ไม่ปวดแล้วแล้วตอนนี้มันก็ไม่มาให้เห็นแล้วด้วยมันหายไปแล้วแกพยายามจะคิดอย่างนั้นเพราะกลัวแต่สมองก็อดคิดไม่ได้ไอหมอนั่นมันเหมือนจะได้ยินความคิดในหัวของแกถ้ามันล่วงรู้เดี๋ยวมันก็หววกลับมาเล่นงานอีกแกไม่อยากให้มันทําอย่างนั้นมันทําให้แกปวดหัวแทบระเบิดเออ ถ้ามันระเบิดตูมขึ้นมาแกแย่เลยแกยังไม่อยากตายแกยังอยากจะอยู่ต่อไปนานๆเสียดายเงินที่ได้มาแล้วเออทําไงดีวะอถ้าแกขืนตุกติกอีกหัวแกจะระเบิดนะเสียงนั้นฉุนเฉียวเกลี้ยกราดและฉับพลันหัวสมองของแกก็ปวดร้าวไปหมดรุนแรงกว่าครั้งไหนอปวดจี๊ดจี๊เหมือนตัวพยาธิเป็นร้อยเป็นพันมันชอนชัยกัดกินเนื้อสมองของแกแกดิ้น เอาสองมือกุมหัวกริ่งเกลือกไปมาโอ้ยยอมแล้วยอมแล้วยอมจริงๆ ร, ระหว่างทางมืดๆ ม, มีเสียงหนูออกหากินเสียงมันวิ่งเสียงมันร้องกันจี๊ดจาดอยู่ในป่าข้างทางแกย่ำเท้าก้าวมาก็รู้สึกเสียวไขสั่งหลังเหมือนกับว่ามีใครสักคนสะกดรอยตามแกเหลียวมองแล้วมองเล่าก็ไม่เห็นใครสักคนแต่ตลอดเวลารู้สึกมีคนตามมาไม่ลดละ แกย่องย่องไปที่วัดเรียบเรียบเคียงเคียงไปที่ศาลาใหญ่หลบหลบไปแก้ห่อผ้าเอายัดพรวดเข้าไปในช่องลูกรงเหล็กสบับดปล่อยธนบัตรให้ปลิวตกหล่นลงไปอยู่ข้างในเสร็จแล้วแกก็ดึงผ้ากลับมายัดใส่กระเป๋าอังเกงแล้วก็เพ่นหนีระหว่างเร่งรีบกลับบ้านแกคิดว่าผู้ที่ไปหาแกนะ่ะคงจะเป็นเจ้าที่วัดแกได้ยินว่าพวกชาวบ้านนะจุดธูปไหว้วอนขอให้ท่านตามเงินกลับ คิดแล้วขนลุกเกรียวยกมือไหว้ท่วมหัวขอโทษขอโพยแกนึกทบทวนว่าเอาเสื้อผ้าของเมียยัดเก็บใส่ตู้หรื อ, อยังผ้าโพขัวแล้วก็แว่นกันแดดด้วยวิชาสะดอกกุญแจที่แกเฝ้าฝึกฝนมันที่บ้านวันแล้ววันเล่าก็ใช้งานได้จริงๆซะด้วยแกคิดว่าโดวยวิชานี้ต่อไปก็คงจะมีช่องทางอื่นที่พอจะหาข้าวปลาอาหารมายาไสไปจนกว่าจะหมดลมหายใจพลาดไปวัดนี้วัดเดียว วัดอื่นก็ยังมีให้หากินอีกตั้งหลายวัดเออแกคิดของแกอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังที่เคารพท่านที่เดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างถิ่นตางที่บ่อยๆท่านเคยสังเกตไหมครับว่าตามถนนหนทางที่เราผ่านไปนั้นมีอยู่อย่างหนึ่ง ที่เหมือนกันเกือบจะทั่วทุกท้องถิ่นของประเทศคือจะมีกระท่อมหรือว่าบ้านเรือนในลักษณะย่อเสาเดียวบ้างหรือว่าสี่เสาบ้างปลูกอยู่ริมถนนอยู่ใต้ต้นไม้บ้างอยู่ตามหลืบตามซอกของหินผาหน้าเขาชายน้าชายนาบ้างสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสารเพียงตานั่นแหละครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นอยู่คู่กับสารเพียงตา ก็คือรูปปั้นปูนพลาสเตอร์รูปสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมูหมาช้างมาวัวกวามาลายสิงโตไก่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีอยู่มากก็คือชุดชุดที่ผู้หญิงเขาสวมใส่นะครับเป็นชุดไทยสบายแพรในชุกยุคต่างๆหลากสีหลากสันสีฉูดฉาดแพวพราว ซึ่งมักจะถูกนํามาเกาะเกี่ยวไว้ตามต้นไม้หรือว่าข้างศาลซึ่งที่มาของรูปปั้นสัตว์และชุดสวยๆเหล่านี้ก็มีสองทางก็คือหนึ่งมีคนนํามาให้เป็นการแก้บนเมื่อมาไหว้ขอสิ่งใดแล้วได้สมใจกับสองมีคนนํามาให้เพราะว่าไปเข้าฝันด้วยว่าคนเหล่านั้นรู้ว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ท่านต้องการอะไร เรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องของนายเจตครับนายเจตเนี่ยอยู่ภาคอีสานมีอาชีพเป็นพ่อค้าเร่ขายหมูไม่ได้ขายเนื้อหมูนะครับเขาขายหมูเป็นเป็นนี่แหละคือสมัยก่อนคนทางภาคอีสานเนี่ยจะมีอาชีพขายหมูขายเป็ดขายไก่ก็คือจะนําสัตว์ที่ว่าเนี่ยใส่กรงที่ทําขึ้นมาเป็นพิเศษ หรือว่าเครื่องจักสารที่ทํามาจากหวายหรือว่าไม้ไผ่ลักษณะคล้ายๆฉลอมแต่ว่าใหญ่กว่าเขาเรียกตะลุ่มตะลุ่มหนึ่งก็จะใส่ลูกหมูได้หลายตัวหรือว่าเป็ดไก่ได้หลายตัวเสร็จแล้วก็จะเอาตะลุ่มเนี่ยขึ้นใส่ท้ายรถจักรยานถี่ไปเร่ขายตามหมู่บ้านต่างๆข้ามทุ่งข้ามท่าลัดป่าลัดเขาเช้าไปเย็นกลับ ขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สําหรับนายเจตนี่มักจะขายได้อยู่เสมอเพราะแกเป็นคนพูดเก่งตรงไปตรงมาแต่ก็ผงผางแล้วเรื่องผีสางนางไม้อะไรนี่แกก็ไม่กลัวด้วยเพราะฉะนั้นการที่เห็นแกแยกออกจากกลุ่มเพื่อนๆไปยังหมู่บ้านต่างๆแล้วกลับมืดๆค่ําๆนี่ก็กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้ววันหนึ่งก็มาถึงจนได้เพราะความที่ไม่เชื่อไม่กลัวอะไรของแกนั่นแหละ วันหนึ่งในเจดซื้อมาขายไปหมดไวกว่าทุกวันซึ่งก็เป็นธรรมดานอกจากในเจดจะขายดีก็มักจะถูกหวยรวยเบอร์ไม่ค่อยเว้นงวดแต่ก็ไม่มากตามประษาคนบ้านนอกสมัยก่อนหลังบ่ายวันนั้นเมื่อขายหมดในเจดก็ลัดทุ่งกลับบ้านด้วยจักรยานคู่ใจมาอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งทางนั้นในเจดก็ไม่เคยใช้มาหลายปีแล้วเมื่อทีบจักรยานมาถึงกลางทุ่ง ทั้งทางข้างหน้าข้างหลังก็ห่างจากหมู่บ้านพอสมควรเขาก็เลือกไปเห็นสารขนาดไม่ใหญ่นะักยกเสาสี่เสาปลูกอยู่ใต้ต้นสะดาวใหญ่ข้างจอมปลวกขนาดใหญ่มาคือมาเช่นเดียวกันและสิ่งที่ทําให้ในายเจษสะดุดตาถึงขนาดต้องจอดจักรยานลงไปดูก็คือชุดไทยสีฉูดฉาดหลากสีพร้อมสบที่แขวนอยู่ข้างสารกําลังปลิวสะบัดอยู่ไหวๆตอนที่ลมพัด สายตาของนายเจตก็ส่อแววของความยินดีอย่างมากมายเหลียวสายแหลขวาเห็นว่าไม่มีใครก็เลยรีบปลดชุดเหล่านั้นอย่างเร่งรีบแค่นั้นยังไม่พอยังอุ้มเอาม้าลายบางสิงโตบ้างซึ่งตั้งอยู่รอบๆ บ, บริเวณขนไปใส่ตะลุ่มเปล่าจนกระทั่งเต็มการกระทำของนายเจตครั้งนั้นไม่มีใครรู้ใครเห็นเสร็จแล้วพอถึงคืนที่สาม ที่บ้านนายเจตก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นหลังจากเอาชุดนั้นมาเก็บไว้คืนนั้นดึกและประมาณตีสองนายเจตก็สะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นแรกๆ ก, ก็ น, นึกว่าเป็นเสียงชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆพอฟังไปฟังมาก็เลยรู้ว่าเป็นเสียงที่ดังอยู่หน้าห้องตัวเองนายเจตตัดสินใจลุกออกมาดูแต่ก็ไม่เจออะไรพอกลับไปนอนใกล้ๆจะเคลิมหลับก็มีเสียงสะอึกสะอื้นดังขึ้นอีก แต่พอออกมาดูทุกอย่างก็เหมือนเดิมแต่พอกลับไปนอนเสียงครั้งที่สามก็ดังขึ้นอีกแต่ทีนี้ไม่ใช่เสียงร้องไห้มันเป็นเสียงหัวเราะหัวเราะแบบยียยนเหมือนกับว่ากำลังสะใจอะไรสักอย่างคราวนี้นายเจตไม่ออกมาดูเพราะว่าเสียงหัวเราะนั้นหลายเสียงกำลังแข่งกันอย่างระเบงเซงแซะเขาคิดว่าถ้าออกมาก็ต้องเจอดีอะไรแน่แ ก็เลยนอนคลุมโปงทนฟังเสียงหัวเราะนั้นตลอดทั้งคืนจนสว่างหกโมงเช้านเจดไม่ได้นอนสักงีบดูอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ยิ่งตกใจหนักขึ้นไปอีกเมื่อออกมาเห็นบริเวณหน้าห้องนี่กรกระเกะระ ก, กะกองเต็มไปด้วยชุดไทยที่เขาเพิ่งฉกออกมาจากศาลก่อนหน้านั้นเอง ในขณะที่เขากำลังม้วนชุดไทยใส่ถุงใบใหญ่ยังไม่ทันหมดเสียด้วยซ้ำก็มีเพื่อนบ้านทยอยกันมาทีละคนทีละคนจนเกือบเต็มลานหน้าบ้านทุกคนถามคำถามเดียวกันว่าเมื่อคืนนี้เสียงทั้งหัวเราะและร้องไหนะ้น่ะเป็นเสียงของใครกันในเจดก็บอกชาวบ้านว่าตัวเองไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ไม่ได้บอกเล่าไปทั้งหมดว่าตัวเองไปรักเอาอะไรของเขามาบ้าง เสร็จแล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งถามนายเจดว่าวันนี้จะจัดงานแก้บนอะไรเหรือเพราะว่าตอนเช้าน่เห็นผู้หญิงสามสี่คนสวมชุดไทยเดินตามกันลงบันไดาจากชั้นสองไปสีหน้าเคร่งขรึมดูแล้วน่ากลัวตัวเองก็ไม่กล้าถามนายเจตก็น่าซีดขึ้นอีกแต่เสียชยัยพูดเรื่องอื่นไปเพื่อนบ้านบางคนก็ถามว่าได้ไปแก้บนที่ตาหนักที่เขาให้หวยมาหรือเปล่าไปแก้บางนะ เห็นถูกมาหลายงวดแล้วนี่บางทีเขาอาจจะมาทวงก็เป็นได้หลังจากเพื่อนบ้านพูดจบนายเจตก็คิดอะไรขึ้นมาได้ตอนสายวันนั้นหลังจากเพื่อนบ้านกลับไปหมดแล้วนายเจตก็เก็บรวบรวมชุดไทยทั้งหมดม้วนม้วนใส่ถุงนำขึ้นท้ายรถจักรยานแล้วก็ถีบข้ามทุ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งมุ่งหน้าไปยังตำหนักเข้าทรงที่เคยบอกหวยให้เขา ตั้งใจจะเอาชุดไปถวายให้กับเจ้าแม่ต่างๆที่เคยมาเข้าทรงที่ตำหนักนี้ตอนสายวันนั้นพ่อปู่ร่างทรงกำลังลงประทับทรงอยู่เหลือเห็นนายเจดลากถุงกระสอบใส่ชุดถูรูถู ก, กังขึ้นไปบนนักชานพ่อปู่ก็ชี้มือไปที่นายเจดพร้อมก็ตะโกนว่ายุดแล้วพ่อปู่ร่างทรงก็พูดกับใครไม่รู้ว่าอา้าวมันมาแล้วพวกมึงคุยกันเองกูไปละ พอพูดจบร่างทรงนั้นก็หายหลังตึงคนที่อยู่ในตําหนักราวสิบคนก็มองหน้ากันเลิกหลัลิกหลั ก, ล ก, ล ก, ลกทันใดนั้นร่างพ่อปู่ร่างทรงก็ลุกขึ้นนั่งอีกครั้งหนึง่งแต่คราวนี้ท่าทีเหมือนผู้หญิงอชี้หน้าในเจตพร้อมก็เอ่ยขึ้นเหมือนกับโมโหมากแต่ว่าเป็นเสียงผู้หญิงพูดไอ้ัวดีมึงขโมยของกูมายังคิดจะเอามาให้คนอื่นอีก ชุดสวยๆคนเขาให้กูมาไม่เหลือไว้ให้กูสักชุดเดียวในเจดเปิดถุงเอาชุดมากองปากก็ระล่ำระลักขอโทษขอโพยไม่หยุดย่อนชาวบ้านเห็นอย่างนั้นก็พากันวิพากวิจารณ์ถึงอิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่ที่มาเข้าทรงกันเงึมงำเสียงหญิงในร่างทรงก็พูดต่อจำไว้นะมึงอย่าเที่ยวลักของเขาของใครใครก็หวง คราวนี้มึงต้องชดใช้อย่างสาสมพูดจบร่างนั้นก็หายหลังแน่นิ่งไปเมื่อกลับบ้านในเจดทั้งกังวลทั้งหวาดกลัวคืนนั้นในเจดนอนไม่หลับมีเสียงอึกกระทึกครึกโครมเหมือนกับเสียงฝูงวัววิ่งไล่กันเป็นร้อยจนในเจดลุกขึ้นเปิดหน้าต่างมองออกมาทางหน้าบ้านด้านติดถนนเห็นทั้งหมาลายทั้งสิงโตเดินกันยัวเยะ ทั้งลานหน้าบ้านและบนถนนพวกมันเหมือนกับรู้ว่ในเจดกำลังยืนมองมันหันมามองในเจดเป็นจุดเดียวทั้งส่งเสียงกระแทกลมหายใจออกทางจมูกดังพืดฟัดพืดฟัดเหตุการณ์คืนนี้ดูรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมจนชาวบ้านรอบๆนี่เขารับรู้ได้คืนนั้นเป็นคืนที่น่ากลัวกินเวลาความหวาดผวาไปนานที่สุดอีกคืนหนึ่งของในเจด เรือนนี้สันไหวไปทั้งหลังตลอดคืนจนไม่สามารถจะอยู่อย่างปกติได้มันเหมือนบ้านทั้งหลังจะหักโค่นลงมาเสียเดี๋ยวนั้นจนฟ้าสว่างชาวบ้านก็มามุงมากกว่าเดิมต่างสอบถามถึงที่มาของเสียงที่ดังสะเทือนเลื่อนลั่นยังกระฟ้าถล่มที่เพิ่งผ่านมาเมื่อคืนวันนั้นชาวบ้านจับ ก, กลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันจนสายซึ่งได้แยกย้ายกันกลับบ้าน เรื่องที่ฝูงสิงโตกับม้าลายที่ในเจตเอามาตั้งไว้หายไปจากบริเวณบ้านจนไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวนั้นเป็นหัวข้อให้ชาวบ้านนำมาถกเถียงกันในเวลาต่อมาไม่จบหลังคืนเกิดเรื่องชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าในายเจตหายไปไหนจนเวลาผ่านมาหลายวันก็มีคนมาส่งข่าวว่าพบในายเจตนี่นอนอยู่ที่เสาโคนต้นแสดาที่ไปเอาชุดไทยมาน่ะแหละ ข่าวบอกว่าสอบถามอะไรไปในเจดก็พูดจาวกวนไม่รู้เรื่องเอาแต่ก้มหน้าก้มตาปัดกวาดเช็ดถูทั้งสารและบริเวณรอบๆ อ, อย่างเอาเป็นเอาตายและหลังจากนั้นมาประมาณสักหกเจ็ดวันก็ได้ยินข่าวการตายของในเจดข่าวบอกว่าในเจดนอนตายตาทลนลิ้นจุกปากอยู่ใกล้กับโคนต้นเสดาวข้างสาร เมื่อเจ้าหน้าที่มาชนสูตเสร็จก็ลงความเห็นตรงกันว่าไม่มีร่องรอยของการถูกทําร้ายหรือว่าบีบคออย่างที่สงสัยซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ลงความเห็นอะไรมากไปกว่าการที่แกเป็นลมตายหรือว่าหัวใจวายอ่าทุกคนก็ต้องเชื่อกันอย่างนั้นแต่ถ้าพูดในเรื่องของทางธรรมที่เชื่อว่ามีเวรกรรมเป็นตัวกําหนดก็คงต้องบอกว่านายเจตตายเพราะต้นเหตุก็คือไปลักของของเขา ลักขโมยนี่ถือว่าผิดผิดไม่ว่าจะเป็นของคนหรือว่าของของผีโลกมนุษย์ก็ถือว่าผิดกฎหมายโลกไหนๆก็มีกฎระเบียบกำหนดส่วนใครฆ่าในเจตนี่อืมบอกได้เลยครับว่าผีเท่านั้นที่รู้ครับ ย้อนอดีตไปเมื่อ40 ป, ปีก่อนกรุงเทพมีขนาดเล็กกว่าปัจจุบันมากสนามบินดอนเมืองในไกลลิบเลยในความรู้สึกของคนกรุงตอนนั้นเนื่องจากถนนพหลโยธินที่ตัดผ่านหน้าสนามบินยังเป็นถนนดำขนาดสองเลนให้รถวิ่งสวนทางกันได้สองฝั่งถนนนับจากขนส่งหมอชิดเป็นต้นไปก็มีอาคารบ้านเรือนบางตา ป่าละเมาแล้วก็เลือกสวนไร่นามีให้เห็นทั่วไปปีนั้นมีซอยแห่งใหม่เกิดขึ้นชื่อซอยเสยนานิคมตัดผ่านถนนลาดปลกเค้าตรงไปยังหมู่บ้านเสนานิเวศซึ่งมีอาคารพาณิชย์สองชั้นปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะระยะด้านข้างอาคารพาณิชย์ก็มีซอยให้เข้าสู่บ้านจาัดสรรชั้นเดียวรูปสงหรูในสายตาคนกรุงสมัยนั้น ตกค่ำถนนในซอยเสนานิคมจะเปล่าเปลี่ยววังเวงใจนานๆจะมีรถแล่นผ่านไปมาสักคันสองคันรถส่วนใหญ่ถ้าวิ่งตอนค่ำจะใช้ความเร็วสูงเนื่องจากถนนโล่งดีใช้ความเร็วได้ในความรู้สึกของคนขับนะชอบถนนแบบนี้มากกว่าถนนที่มีการจราจรขับขังครั้งนั้นคุณสนิทย้ายจากบ้านเมืองนอนไปซื้อบ้านเดี่ยวชั้นเดียวอยู่อาศัยในหมู่บ้านเสนานิเวศ โดยผ่อนส่งกับธนาคารเป็นรายเดือนเขาพอใจกับความสงบสันติสุขของถนนแล้วก็หมู่บ้านในระยะแรกแต่ว่าหลายปีต่อมาผู้คนอพยพจากในเมืองออกมาอยู่ชานเมืองมากขึ้นหมู่บ้านอันเคยสงบสุขก็เริ่มมีพวกตีนแมวมาด้อมด้อมมองมองเพราะความเจริญไปถึงไหนคนร้ายก็มักจะตามไปขอส่วนบุญด้วยปกติคุณสนิทนิยมเดินออกกําลังตอนพบค่า เนื่องจากสมัยนั้นอากาศในซอยตอนกลางคืนปลอดโปร่งเย็นสบายระหว่างก้าวเดินเขามีไม้เทา้าหัวทองเหลืองติดมือไปด้วยเสมอทำทีเป็นว่าอายุสี่สิบแล้วไขข้อเริ่มเสื่อมต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัวแต่ถ้าเจอคนร้ายคิดปล้นจี้ตีชิงเป็นเจอตะพดหัวแบะแน่สมัยยังหนุ่มคุณสนิทเคยร่ำเรียนศิลปะกระบี่กระบองจากสำนักพุทไทยสวรรค์จังหวัดอยุธยา เก่งเหมือนกระจอมยุทธหนังจีนที่เคยดูในหนังถ้าคนร้ายไม่ใช้ปืนทั้อย่างเดียวนี่จะสู้ได้สบายมากระะวางเดินออกกำลังขาทุกคืนสามทุ่มถึงจะเข้าบ้านคุณสนิทก็สังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งมักออกจากบ้านเอาเครื่องเส้นไหว้ไปตั้งไว้กลางถนนเดือนละสองครั้งทุกๆวันพระทั้งข้างขึ้นข้างแรมช่วงเวลาที่นาเครื่องเส้นใส่ถาดมาตั้งไหว้เนี่ยเป็นเวลาประมาณสามทุ่มตรง ตลอดหนึ่งปีที่เริ่มสังเกตเห็นคุณสนิทก็ประหลาดใจมากกลางถนนในซอยเสนานิคมนี่ไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประเภทสันเจ้าหรือว่าสารผีปูตาทางภาคอีสานหากตรงนี้เคยมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ก็คงถูกรือ้อทิ้งทำถนนไปนานแล้วยังดีที่ปีนั้นถนนในซอยยังโล่งโล่งรถราพาหนะหลังพลบค่านานๆจะมีวิ่งผ่านแลเห็นสักคัน ชายวัยประมาณหกสิบปีคนนี้ถึงได้นําถาดเครื่องเส้นมาจุดธูปจุดเทียนเส้นไหว้กลางถนนได้คืนหนึ่งเป็นคืนวันพระขึ้นสิบห้าค่ำคุณสนิทเดินผ่านถนนบริเวณนั้นก็เห็นชายคนนั้นนําเครื่องเส้นมาตั้งไหวเช่นเคยคุณสนิทก็ทนความสงสยัยไม่ไหวก็แวะเข้าไปถามแกเออขอโทษนะครับคุณพี่ไม่ทราบว่าเออจัดเครื่องเส้นมาตั้งไหว้ใครเหรือครับ เออเส้นผีต้ยหวงมันหน่อยครับคุณคุณสนิทก็แนะนำตัวว่าชื่อสนิทอยู่ซอยติดกันนี่เองแปลกใจที่ชายวัยหกสิบนี่ขยันตั้งวหากลางถนนมานานแล้วคืนนี้ทนไม่ไหวก็เลยอยากถามดูถ้ามีปัญหาไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไรโอ้ไม่ไม่ใช่ไม่อยากบอกแล้วครับเต็มเรื่องมันยาวผมเป็นทหารนอกราชการอา่อผมชื่อยศครับ ถ้าคุณอยากรู้จริงๆเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมเก็บเครื่องเส้นใส่ถาดแล้วไปคุยกันที่บ้านผมดีกว่าตรงนี้มันกลางถนนไม่สะดวกบ้านของพี่ยศนี่ก็เหมือนบ้านคุณสนิทเพราะเป็นบ้านจัดสรรรุ่นเดียวกันตกแต่งภายในอย่างเรียบง่ายเนื่องจากภรยาเขาเสียชีวิตไปนานแล้วพี่ยศก็เปิดเบียรดื่มกับคุณสนิทคนละแก้วก่อนที่จะเริ่มเรื่องตอนนั้นน่ะพี่เองเป็นคนมาซื้อบ้านอยู่ที่นี่เป็นรุ่นแรก ถนนเสนานิคมยังเรียกว่าซอยสภาพถนนเปลี่ยวกว่าตอนนี้มากนานๆจะมีรถวิ่งผ่านมาให้เห็นบางทีเป็นชั่วโมงๆก็ยังไม่มีรถวิ่งไปมาสักคันลูกชายโทนคนเดียวของพี่ปีนั้นยังเป็นวัยรุ่นพอมีเพื่อนวัยเดียวกันมาเที่ยวที่บ้านก็เกิดความคึกขนองชวนกันไปซื้อเหล้ายาปลาปิ่งมาปูเสื่อนั่งดื่มกินกันกลางถนนไอตรงที่พี่เอาของไปเส้นไหว้นะั่นแหละ เพื่อนแวะมาที่ไรก็ชอบทําอย่างนั้นนะ่ะทุกครั้งแต่ไม่เคยมีปัญหาอะไรก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ารถราบนถนนนั้มีน้อยมากจนมาถึงตอนค่ามันหนึ่งเจ้าเอกลูกชายพี่กับเพื่อนอีกสองคนก็ออกไปปูเสือนั่งกินเหล้ายาปลาปิ้งที่เดิมเช่นเคยเพราะว่ากลางถนนตอนกลางคืนในลมมันพัดเย็นสบายดีไม่ต้องกลัวอุบัติเหตุเนื่องจากตรงนั้นมีไฟฟ้าริมถนนสว่าง รถวิ่งมาทางไหนก็เห็นคนนั่งอยู่บนถนนแต่ไกลเออแล้วทัานโทษนะครับมันเกี่ยวตรงไหนกับการเอาของไปเส้นไหว้ถนนล่ะครับอ๋อมันเกี่ยวสิอีกเดี๋ยวจะรู้ว่าเกี่ยวยังไงคืนนั้นมีชายชกัรคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจากปากซอยไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่อารมณ์คงจะไม่ดีมาจากบ้านแล้วต่อให้มีคนมากินเหล้าบนถนนเส้นทางก็โล่งว่างมีทางให้รถแล่นถึงสองเลน ลูกพี่กับเพื่อนก็ไม่ใช่กินเหล้าเต็มถนนไปเลยนะเขาปูเสือ่อชิดทางเท้าซึ่งเอาไว้วางขวดเหล้าสุขวดโซดาจะกลายเป็นว่าขวางหูขวางตาไอหมอ น, นั่นอย่างหนักถึงกับชะลอความเร็วจนแทบจะจอดลงมาด่าหยาบหยาบคล้ายคลถึงพ่อแม่ทํานองพวกมึงพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือไงถนนมีให้รถวิ่งนั่งเสือกลงมาแดกเหล้ากลางถนนว่างั้น ที่นี้คุณนิดก็คงรู้ว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่เนเลือดร้อนกันทั้งนั้นผู้ใหญ่เอ็ดดีๆก็ยังพอทำเนาแต่จู่ๆก็มึงว่าพาโวยดา่าพ่อล่อแม่นะใครจะไปทนนิ่งเฉยไหวลูกพี่ตอนนั้นอายุสิบกสิบเจ็แต่รูปร่างสูงใหญ่เพราะว่าพี่สอนให้ออกกำลังทำกายบริหารเป็นประจำ บวกกับเป็นลูกทหารนั่นไม่กลัวนักเลงหน้าไหนก็เลยทะลึ่งพรวดลุกขึ้นยืนด่าสวนไปํานองว่าที่นี่มาดีก็คุยดีทามาเหา่าอย่างหมาก็เจอดีแน่ไอ้แก่เรียกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าหมอ น, นั่นแก่เท่าหรอกอายุราวๆสามสิบแต่เมื่อเทียบอายุกับเด็กสิบเจ็ดก็เลยหาว่าแก่กเรียกมันไอ้แก่เต็มปากเต็มคําไอ้หมอ น, นันน์โกรธใครมาจากไหนก็ไม่รู้ท่าทางบ้าดีเดือดมาตั้งแต่ที่แรกแล้ว พอถูกเด็กยั่วท้ะก็เลยจอดรถเข้าข้างทางชักมีดจากที่ซ่อนไล่แทงลูกพี่กับเพื่อนอย่างบ้าคลัง่งเพื่อนลูกชายนะ่ะตัวผอมบางใจไม่ถึงโกยอ้าวหนีตายไปตามๆกันผิดกับลูกของพี่ในใจมันสู้มันหันไปกว้าขวดเหล้าฟาดกับเสาไฟฟ้าจนแตกเป็นปากฉลามใช้ขวดปากฉลามเป็นอาวุธสู้กับมีดสั้น ให้การฟาดขวดให้แตกเป็นปากฉลามนี่นเขามีเคล็ดลับในการฟาดถ้าฟาดทรงเดชฟาดไม่เป็นขวดจะแตกหักเสียหายไม่มีอันตรายอะไรต้องให้เป็นปากฉลามมันถึงจะน่ากลัวแทงหน้าท้องทีเดียวจะเป็นรูใหญ่เลือดไหลเป็นท่อประปาแตกทีเดียวลูกของพี่ก็เลยสู้กับไอหมอนั่นไม่ได้เป็นรองเขาชั้นเชิงการต่อสู้แล้วความคล่องแคล่วมันก็เหนือกว่าคือนั่นพี่ได้ยินเสียงทะเละ กันที่ว่าเนี่ยรีบควา้าเสื้อใส่วิ่งออกไปดูที่เกิดเหตุเพื่อจะห้ามทับไม่ให้มีเรื่องกันแต่ช้าไปซะแล้วไอ้ชายแปลกหน้าคนนั้นโดนแทงสองซ้ำแผลแผลซ้ำคัญอยู่ที่คอเลือดพุ่งกระฉูดจากปากแผลอ ย, อย่างน่ากลัวลงไปนอนดิ้นสำลักเลือดไม่นานก็ขาดใจตายแน่นิ่งไปส่วนลูกชายพี่บาดเจ็บไม่มากโดนเข้าที่แขนแผลร้องแผลเลือดไหลแดงเท่านั้น เพื่อนสองคนที่วิ่งหนีไปตั้งหลักไกลลิบกว่าจะนึกได้ย้อนกลับมาช่วยเพื่อนทุกอย่างก็จบลงด้วยความตายที่จริงมันเป็นการทะเลาะวิวาดแล้วก็บันดาลโทสะเท่านั้นแหะแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้แหละที่ทําให้คนเราข่าแกงกันมานักต่อนักลูกพีป่ปีนั้นยังเป็นวัยรุ่นเกิดคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลก็ยังเป็นเยาวชนไม่ต้องรับโทษหนักถึงขั้นติดคุกแต่ถ้ารู้ตั้งหูตํารวจก็ต้องถูกจับกลมเอาตัวไปคุมขังไว้บนโรงพักก่อน พี่ไม่อยากให้ลูกตกใจกลัวก็เลยให้หลบหนีไปอยู่บ้านเพื่อนสักพักนึงจะว่าผิดก็ผิดเพราะความรักลูกเป็นเหตุหลังจากนั้นก็ติดต่อตำรวจให้มาชนะสูตรพลิกศบกลางซอยสรุปเรื่องคดีว่าไม่ร้ายแรงอย่างที่คิดตำรวจเขาก็ทำคำนวนส่งฟ้องแค่ต่อสู้ป้องกันตัวจนพลั้งมือฆ่าผู้ตายโดยประมาทแล้วก็ยังเป็นเยาวชนก็ให้กักตัวไว้ในสถานพินิจระยะหนึ่งเพื่ออบรมนิสัยให้ดีขึ้น แต่ว่าพี่น่เลี้ยงลูกแบบตามใจจนเคยตัวเพราะเป็นลูกโทนคนเดียวเจ้าเอกลูกพี่ไม่ยอมถูกกัก บ, บริเวณท่าเดียวหนีไปอยู่กับเพื่อนที่ต่างจังหวัดทางตำรวจเขาก็ไม่ได้ดติดตามจริงจังอะไรเพราะเป็นคดีไม่สลักสำคัญอะไรพี่ก็ปล่อยเลยตามเลยเพราะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันหลังจากผู้ชายแปลกหน้าที่ชื่อในเต้ยเนี่ยตายไปไม่ถึงสิบวันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นค่อนข้างที คืนไหนจะพี่ไปทําธุระหรือไปดื่มเหล้าบ้านเพื่อนถ้าขับรถกลับบ้านซึ่งจะต้องผ่านจุดเกิดเหตุฆ่ากันตายทีไรพอเลี้ยวรถเข้าซอยแล้วจอดลงไปไข่กุญแจประตูจะเอารถเข้าบ้านหางตานี่มักจะเหลือเพลินร่างโชคเลือดของนายเต้ยยืนอยู่ตรงที่นอนตายในคืนนั้นมันเอามือชี้มายังพี่นะี่ยมันชี้อย่างอาฆาตแล้วนะเล่นเอาตกใจหันควับไปก็ยังทันเห็นผีนายเต้ยอยู่ตรงนั้นจริงๆ แต่อึดใจต่อมาก็หายวับไปการพบเห็นทํานองเนี้ยเกิดขึ้นเกือบทุกครั้งที่กลับบ้านตอนค่ำค่ำปกติพี่เป็นทหารจิตใจเข้มแข็งไม่หวาดกลัวอะไรง่ายๆแต่ว่าผีในเต้ยนี่ไม่ยอมรามือเมื่อสําแดงร่างขู่ขวัญยังไม่กลัวมันก็เปลี่ยนมาเข้าขวัญอันความขวัญ น, นี่มันอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ผีในเต้ยตอนมาเข้าฝันนี่น่ากลัวมาก ใครเคยนอนฝันร้ายจะรู้ว่าสิ่งที่เห็นในฝันทาให้เรากลัวสุดขีดได้เพราะว่าในฝันเราป้องกันตัวเองไม่ได้เลยพราะมันมายืนเงยหน้าให้เห็นแผลลึกตรงลำคอมีเลือดทะ ล, ลักพลักพลักลงมาอาบร่างจนแดงฉานพี่ถึงก็ยืนตัวแข็งสั่นภาพพอภาพอยู่กับที่หนีไปไหนไม่ได้ไม่รู้จะหนีความน่ากลัวไปทางไหนเหมือนกับถูกสะกดไว้เสร็จแล้วผีในเต้ยก็พูดขึ้นบอกว่า วันไหนที่ลูกเองกลับมาข้าจะเอามันไปตายตรงที่มันแทงคอข้าข้าตายวันพระลูกเองก็ต้องตายวันเดียวกับข้าจำใส่หัวไว้ให้ดีมันว่าอย่างนั้นพี่สะดุ้งเตือนตอนที่มันขู่อาฆาตขาดคําก็หายวับไปขนาดห้องนอนเปิดแอร์เย็นฉ่ำพี่ก็ยังเหงื่อแตกพลักเนี่ยอ่าผีที่มาปรากฏในฝันนี่มันเห็นชัดเจนมากเหมือนกับมาจริงๆไม่ใช่ฝัน แถมไม่ใชมาเข้าฝันพี่หนเดียวหรือว่านานๆนนจะฝันสักทีมันมาแทบจะคืนเว้นคืนทําเอาพี่แทบประสาทกินตอนนี้ก็เลยกลัวการนอนหลับเพราะเราแวงว่าจะเห็นมันเข้าอีกจะไปปรึกษาใครก็ต้องเอาความผิดของลูกชายไปประจานให้เขารู้ด้วยว่าผีมันอากาดแคลนเรื่องอะไรคิดไปคิดมาก็นึกขึ้นได้ว่าผีชอบเครื่องเส้นก็เลยผูกมิตรกับมันด้วยการจัดเครื่องเส้นสายถาดัด เอาเครื่องเส้นไปขอขมาผีตรงจุดที่มันนอนตปทุกๆวันพระทั้งข้างคืนข้างแรมเส้นไหว้ขอขมามันแทนเจ้าเอกนานเป็นปีๆแล้วแต่ยังไม่เห็นมันมาเข้าฝันบอกยกโทษให้ก็เลยจดหมายไปบอกลูกว่าให้หลบหนีคดีไปอีกพักหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนี่ตำรวจเขารอดักจับอยู่ต้องบอกแบบนั้นเพราะถ้าบอกความจริงว่าผีรอเอาตัวไปเมืองผีนี่มันจะไม่เชื่อ หรือเชื่อก็จะอวดดื้อตามภาษาวัยรุ่นยังไงก็ต้องกลับมาบ้านจงได้พี่ก็จําเป็นต้องปิดความจริงไว้เพื่อไม่ให้ลูกกลับมาพบอันตรายจากสิ่งที่คนเรามองไม่เห็นเรื่องที่คุณนิดอยากรู้ก็มามีที่มาที่ไปอย่างที่เล่านี่แหละครับโอ้ผมเพิ่งรู้จากพี่นนว่าตรงที่เรายืนคุยกันอยู่เนี่ยมีผีตายโหงนะะอุย้ยพอรู้เนี่ยขนลุกไปหมดเลย ยังดีที่มันยังไม่เคยเอาชีวิตใครมีแต่ความอาฆาตเฝ้ารอเล่นงานเจ้าเอกลูกผมคนเดียวเท่านั้น่ะเออขอบคุณมากนะครับที่พี่กรุณาสละเวลาเล่าให้ฟังวันหลังแวะไปดื่มเบียร์ที่บ้านผมมั่งครับผมอยู่ติดกันแค่นี้เองโ อ, โ, อโอเคโอเคตอนนี้เราเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วนะ่ะวงัวงๆจะไปรบกวนสักแก้วสองแก้วนะคุณสนิทอำลาเดินกลับบ้านอย่างเห็นใจในชะตากรรมของนายทหารนอกรชาชการคนนี้ โดยความเห็นส่วนตัวคุณสนิทเองก็เชื่อเรื่องผีสางนางไม้ในชีวิตเท่าที่ผ่านมาก็เคยเจอผีอย่างจังอ่าชนิดจังหน้าเนี่ยนลสองผลยังรู้สึกกลัวกลัวอยู่จนถึงทุกวันนี้ใครที่ไม่เคยเจอผีแล้วนึกว่าเรื่องผีเป็นเรื่องเหลวไหลสักวันถ้าบังเอิญพบเจอญาติเราเองที่ตายไปแล้วมายืนร้องเรียกอยู่หน้าประตูบ้านโดยไม่ต้องหลอกหลอนอะไรทั้งสิ้นเราก็จะรู้ในเดี๋ยวนั้นนะว่า การเห็นคนตายย้อนมาเยี่ยมเราอีกนี่มันน่ากลัวขนาดไหนหลังจากคบหาเป็นเพื่อนต่างวัยกันราวปีเศษลูกชายพี่ยศซึ่งเป็นอดีตนายทหารชั้นสัญญาบัตรได้กลับบ้านพร้อมที่จะสู้กับการถูกกักบริเวณในสถานพินิจเยาวชนเพราะเบื่อการหลบหนีที่ทำให้หมดอนาคตทางการเรียนไปด้วยพี่ยศก็เคยพามาแนะนาให้รู้จักกับคุณสนิท เท่าที่เห็นก็เป็นเด็กหนุม่มร่างสูงโปรง่งมีกล้ามเป็นมัดมั ด, มดสมเป็นลูกนายทหารแล้วก็น่าจะเจริญรอยตามคุณพ่อด้วยการเป็นทหารในแม่ช้าเผอิญวันเวลาดีๆในอนาคตยังไม่ทันมาถึงเด็กหนุ่มก็ประสบอุบัติเหตุถูกรถกระบะพุ่งเข้าชนอัดก๊อปปี้กับเสาไฟฟ้าตายสยองตรงจุดจุดเดียวกับที่พิยศเคยเอาของไปเส้นไหว้ผีแสดงว่าผีไม่อาโหสีให้ เพราะว่าผู้ที่มันต้องการใ้ขอขมาลาโทษไม่ใช่พิยศหากเป็นนายเอกลูกชายของเขาเมื่อผิดปวาผิดตัวผีก็ถือว่าขาดความจริงใจเมื่อสบโอกาสตอนนายเอกกลับเข้าบ้านก็เลยสัแดงความเฮี้ยนเอาชีวิตไปเป็นผีเฝ้าถนนอยู่ตรงนั้นส่วนมันก็ถูกปลดปล่อยจากอาถรรพ์ให้ได้ไปผุดไปเกิดตามเวรกรรมต่อไปข้อคิดที่ว่านี้ไม่ใช่กุสนิทรู้เองหรือว่าคิดเองเป็นการไปเรียนถามผู้รู้ ซึ่งเป็นหมอดูพลังจิตท่านหนึ่งเมื่อรู้มาอย่างไรก็บอกผู้เล่าเรื่องนี้ตามที่เขาได้ทราบมาเรื่องก็เป็นอย่างนี้ลหละครับท่านผู้ฟังครับความตายเนี่เป็นสิ่งสุดท้ายของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนนหวาดกลัวยิ่งกว่าอะไรในโลก ท, ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้สักคนเดียวความตายนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นอายุสั้นพลันตายหรือว่าอยู่ๆก็มีกรรมหนักมาตัดรอนทําให้ประสบอุบัติเหตุตายหหงทั้งที่ยังไม่หมดอายุไขและเมื่อตายไปแล้วก็จะมีสภาพเป็นผีเร่ร่อนพานจรเหมือนเจ้าไม่มีศาร ถ้าเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่เคยทำบุญใส่บาตรเลยก็จะเป็นผีอดอยากหิวหวยไส้แห้งต้องรอว่ามีใครระลึกนึกถึงแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้ถึงจะมีอาหารกินอิ่มหนำเป็นคราวๆไปแต่ไม่นานก็หิวไส้ขาดอีกก็บังเกิดความโกรธแค้นกลายเป็นผีเฮี้ยนอาละวาดเข้าสิงร่างมนุษย์ เพื่อจะได้มีอาหารกินอิ่มหนำสำราญหรือว่ามาเข้าขวันคนรู้จักเพื่อให้เขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ส่วนความตายแบบธรรมดาธรรมดาคือแกงงอมหมดอายุตายไปเองถ้าสมัยมีชีวิตทำบุญไม่มากพอแรงจะมีโอกาสไปผุดไปเกิดยังสุคติภูมิเช่นโลกมนุษย์และโลกสวรรค์เป็นต้นถ้าสร้างสมความชั่วเอาไว้เป็นภูเขาลากา ก็ย่อมมีทุกติภูมิคือนรกโลกเป็นที่หมายเบื้องหน้าอย่างแน่นอนอาจจะร่อนเร่เป็นสัมภเวสีอยู่ชั่วคราวจนกว่าแรงดึงดูดของกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วจะฉุดรั้งอวิญญาณไปอุบัติอย่างสถานที่เหล่านั้นความตายนี่สามารถเกิดขึ้นได้แบบปัจจุบันทันด่วนหรือว่าค่อยเป็นค่อยไปซึ่งหมายถึงเจตพูดออกจากร่างไปหาที่อยู่ใหม่ซะก่อน ความตายจึงจะเกิดขึ้นในภายหลังก็มีอย่างเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับในเพ็งนี่เป็นนักเลงดังย่านฝั่งทนยุคหลังแดงใบเล่ดำเอสโซไม่กี่ปีแต่ความดังของเขานี่ถูกตีกรอบให้อยู่ในวงจำกัดเนื่องจากยุคนั้นรัฐบาลซึ่งนำโดยท่านพระท่านจอมพลสริท ธ, ธนรัตประกาศสิทธิให้เก็บกวาดบรรดาคนดัง ตลอดจนผู้กว้างขวางเข้าไปเก็บไว้ในคุกด้วยข้อหาสั้นๆแต่กินความหมายครอบคลุมอย่างกว้างขวางนั่นก็คือประพฤติตนเป็นบุคคลอันธพาลให้ขังลืมโดยไม่มีกำหนดโชคดีที่นายเพ็งไหวตัวทันหันไปประกอบอาชีพค้าขายในตลาดสดเหมือนกับพลเมืองดีทั่วไปแต่ก็ยังทําตัวเป็นผู้ขว้างขวางเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากพ่อค้าแม่ขาย ใครไม่ให้หรือว่าแจ้งความกับตำรวจมีโทษสถานเดียวก็คือค่าค่าล้างโทษโดยบอกกับทุกคนว่าติดคุกยังมีวันออกเว้ไอ้เพ้งพ้นโทษเมื่ อ, อไหร่ใครที่เป็นอริกับไอ้เพีงเ่งเตรียมรอให้ดีอบพยพได้ก็รีบอบพยพครอบครัวไปอยู่ป่าหิมพานต์ไม่งั้นอย่าหาวัเพียงใจร้ายตามค่าหลังตระกูลนะ เสียงคู่ฟอ่ฟอ่ก็มีเสียงสนับสนุนจากบริวารคือในกลัดลิงลมกับในเบี้ยวฟันหลอสองเสือร้ายกู่ใจในเพง้งเห็นในเพ้งที่ไหนต้องเห็นในกลัดกับในเบี้ยวที่นั่นฉายากลัดลิงลมนี่มาจากการเป็นนักคถาเวทมนต์เวลามีเรื่องยกพวกตีกันในกลัดจะปลุกเสกตัวเองด้วยคาถาทําให้มีเรี่ยวแรงมหาศาล เคือนไหวคล่องแคล่วมันก็ลิงลมเคยพ่ายแพ้หนุนเดียวเพราะถูกชกด้วยหมัดธนูมือของนายเพ้งก็เลยยอมให้ในายเพ็งเป็นลูกพี่ส่วนนายเบี้ยวฟันหลอรายนี้ฟันหลอเพราะว่าคนเดียวเจอคู่อริถึงสี่คนคู่อริมีมีดไม้ครบมือแต่สามารถเอาชนะได้ไล่ถลุงฝ่ายคู่อริจนหนีกระเจิงเลือดสาดไปตามตามกัน ในเบี้ยนี่ฟันหน้าหักไปสี่ซี่อย่างน่าภาคภูมิใจเป็นเกียรติประวัติที่นักเลงทุกรุ่นยกย่องตั้งฉายาให้ว่าเบี้ยวฟันหล่อการที่มีนายกรัดกับนายเบี้ยวเป็นแขนซ้ายแขนขวาทำให้ในายเพ้งดำรงความเป็นผู้ควางขวางอยู่นอกคุกนอกตารางได้สามเสือร้ายขาขายเป็นฉากบังหน้าเท่านั้นลาพังค่าคุ้มครองที่เรียกเก็บจากพ่อค้าแม่ขายในตลาด ก็สามารถใช้ใจ่ายได้อย่างฟุ่มเฟยโดยไม่ต้องทำงานอะไรทั้งสิ้นและแน่นอนเมื่อสามเสือทำนาบนหลังมนุษย์ก็ย่อมจะมีเสียงสาบแช่งรับหลังกันอึ้งมี่ทำนองว่าเมื่อไหร่นรกจะกินกระ บ, บานไอเลวสามตัวนี้สักทีปล่อยให้มันอาลวาดนอกคุกอยู่ได้อยู่มาวันหนึ่งหลังจากเก็บค่าคุ้มครองได้ครบทุกคนแล้วในเพยงก็แวะไปกินเหล้าฟรีที่ร้านอโกปากซอยทางเข้าบ้าน ที่จริงของซื้อของขายไม่มีใครเขาให้กันรฟรีๆเป็นอันขาดแต่หลังจากที่เคยทวงถามค่าเล่าจากนายเพ็งในเพ็งต่หวาสวนคำเดียวว่าหรือจะเอาค่าเล่าดีหรือจะเอาลูกตะปวยัดปากเดียฮะเลือกเอาเองนะโกนะอากูเกต ก, กลืนไม่กล้าเอาทั้งสองอย่างนับแต่นั้นเป็นต้นมานายเพ็งก็มีเล้าฟรีดื่มกับลูกสมุนทุกเย็น ยังดีที่ยอมจ่ายค่ากลับแกล้มให้อโกเอาไปต่อทุนไม่ด่วนเจ๊งม้วนเสือกลับบ้านเก่าเสียก่อนเย็นนั้นในเพียงแวะมาดื่มเหล้าฟรีที่ร้านอโกเหมือนเคยแต่ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นหลายอย่างเริ่มตั้งแต่เพิ่งหาโต๊ะเหมาะใจก็เตรียมนั่งสดเล่าให้เพรมอุราอยู่ดีๆจิ้งจกตัวหนึ่งเดินไปเพดานตึกแถวอยู่ดีๆก็ตกลงมาบนโต๊ะ ดินพราดพราดตายคาที่ไปต่อหน้าต่อตาสามเสือในเพ่งยังไม่นึกว่าเป็นเรื่องของหงสังหอนอะไรกลับร้องเ อ, อ้ากับอากูเจ้าของร้านเอ้ะเลี้ยงจริงจกภาษาแล้ววะปล่อยให้อดอัดจากๆจนตกลงมาตายต่อหน้าอ้วกโธเฮียเพง่งใครที่ไหนจะบ้าเลี้ยงจริงจกเขาไว้จริงจกมันตกลงมาตายต่อหน้านี่โบราณเขาถือว่าเป็นรางได้ในเฮียนา ข้าคนสมัยใหม่ไม่เชื่อหรอกว่าเรื่องโบราณ น, นะที่หลังอย่าเอาคำพูดแบบนี้มาพูดให้รักใายหูอีกนะเปล่าแล้วก็หูวรอดราอารมณ์ดีเพราะเก็บข่าคุ้มครองได้เต็มกระเป๋าผิดกับสองบริวารที่เริ่มสะบัดร้อนสะบัดหนาวอย่างบอกไม่ถูกด้วยเมื่อตะกี้นี่ยก่อนจะเลี้ยวเข้าร้านเหล้ามีนกวิราบบินโฉบถลา่าลงมานอนตายอยู่ต่อนหน้าในเพ็ง เหมือนกับลางร้ายตอนกรุงศรีแตกครั้งที่สองมีอีกาบินตกมาจากท้องฟ้าเสียบติดอยู่กับยอดชอบว่าพระอุโบสถถึงจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็เป็นความต่างในความเหมือนทำให้คนหัวโบราณอย่างนายกลัในายเบี้ยวรู้สึกผวาขนลุกเกรียวขึ้นมาดือด้อดังคำพังเพยที่โบราณเขาว่าไม่มีมูลแล้วหมาไม่ขี้ถ้าคนโบราณไม่มีข้อมูลความจริงรองรับ ร่างสังหรจะมีการจดบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานไปทำไมนั่งดวดเหล้านจนพลบค่ำกโกกับคำนวยความสะดวกเปิดไฟนิออนเพนดานสองถววางให้สามเสือได้สดเล่ากินกันอย่างคล่องคอยิ่งขึ้นสามเสือนั่งอยู่ที่โต๊ะด้านในสุดของร้านในเพ้งนั่งเก้าอี้ด้านติดผนังตึกหันหน้าไปทางหน้าร้านเงาร่างของเขาทอทาบลงบนผนังตึก ในเบี้ยวฟันหลอเหลือมองดูเงาในเพงแล้วก็ทำท่าสะดุงะ้งอ่าพผงะเหมือนตกใจสุดขีดในเพงเห็นแล้วก็ร้องถามด้วยความสงสัยตกใจอะไรวะเอ้หมูนี้พวกเองดูแปลกแปลกไปนะสังหอนนั่นสังหอนนี่อยู่เลยอ่ะเวลานั้นในกรัดลิงลมซึ่งนั่งหันหลังให้หน้าร้านก็เห็นอย่างที่นายเบี้ยวเห็นแล้วก็มีท่าทางตกใจจนพผ ง, งะเช่นเดียวกันในเพงขัมบวดคิ้วย่นเ้ย มึงเกิดอะไรขึ้นมาอีกคนหนึ่งอะไหนบอกมาดิพวกมึงไปทำ บ, บ้องบ้องเรื่องอะไรกันเออเพื่อนไม่ไม่กล้าพูดอ่ะลูกพี่ลองหันไปดูเงาหัวตัวเองที่ฝาผนังตึกเองดีกว่าทำไมเงาข้ามันหล่อมันไม่ใช่มันชาพระเอกหนังไทยยังไงนายเพ่งเอ่ยขึ้นอย่างมีอารมณ์ขันหันไปดูตามคำชี้แนะของนายกรัฐพอเห็นเขาเต็มตาก็ถึงกับปะหงายแทบตกเก้าอี้ เพราะภาพที่เห็นเป็นเงาร่างอันดำทมึนแต่ว่ามีแต่ร่างศีรษะกุดด้วนเหลือแค่ลำคอไม่ว่าจะกระพริบตาสักกี่ปริบมันก็ยังเป็นเงาของคนหัวขาดเหมือนเดิมต่อให้นักเลงใจถึงระดับไหนก็รู้จักคำกลัวตายเพราะความตายหมายถึงจุดจบของความยิ่งใหญ่บนถนนนักเลงแหละของทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องจากมันไปอย่างไม่มีวันกลับ ผู้เท่าผู้แกสมัยก่อนพูดกรอกหูเข้าไว้นักเลงใหญ่หลายคนเคยมีลูกน้องเห็นว่าเงาหัวขาดต่อมาไม่นานทัาไม่ถูกยิงตายก็ต้องประสบอุบัติเหตุถึงขั้นตายหหงนักเลงดังย่านฝั่งทนสูดลมหายใจอันหนาวเด็บเข้าปอดสเสื้อเฮือกใหญ่เพื่อรั ง, งับความรู้สึกอันยากที่จะบรรยายความห้าวหานกระเด็นหายไปจากใจเมื่อสติกลับคืนมาอยู่กับเนื้อกับตัว นายเพ่งก็หันหน้ามามองสองเสือเอ๊ะเงาหัวของข้ามันหายเป็นได้ยังไงวะเนี่ยพวกเราตาฝาดพร้อมกันสามคนนะป่ะลองลองเรียกอกโกมาถามดูอีกคนดีลูกพี่นายเพ่งควักมือเรียกอกโกให้เดินมาที่โต๊ะของเขาอักโ ก, ก็พละจากการยืนรอลูกค้าที่หน้าร้านจำพวดพวดไปยังโต๊ะหลังร้านเห็นเงาร่างนายเพ่งเขาเต็มหูเต็มตาถึงกระเซษั่นอย่าง ตกใจสุดขีดเนื่องจากรู้เช่นเดียวกับสองเสือว่ามันเป็นหลางร้ายอย่างมหันสภาพของอโกในเพ่งรู้คำตอบโดยไม่ต้องเอ่ยปากถามอะไรกันอีกเงื่อเม็ดใหญ่ๆก็ซึมออกมาเต็มหน้าผากทั้งที่อากาศปลายฝนต้นหนาวกำลังเย็นสบายสองบริวารรู้ว่าลูกพี่ใหญ่ตกอยู่ในสภาพจิตใจแบบไหนแต่ไม่มีคาปลอบใจจะมอบให้ เพราะคนอย่างในเพงนี่เขาเกลียดคำว่าขี้ขลาดอย่างที่สุดเขาผ่านศึกเสือเหนือใต้โดยไม่เคยหวาดหวั่นนักเลงดังแม้แต่คนเดียวแต่บัดนี้ก็ต้องกระดกเหล้าเพียวๆไปหลายอึกเพื่อให้ฤทธิ์แอลกอฮอล์ช่วยยอมใจเอาเฮ้ยยังมันยังมันชัางหัวมันบางทีบรรยากาศตอนโพรเพลเนี่ยมันทําให้เกิดการหักเหของแสงเว้ยงาวร่างของข้าก็เลยมีสภาพแปลกๆกว่าเดิมเอาเฮ้ยเร่งเร่ง เดิมให้กับเงินทองที่รีดไถเข้ามาได้เต็มกระเป๋าและพวกเองกําลังจะได้ส่วนแบ่งจากค่าเดี๋ยวนี้แล้วโอเคลุกพี่ดิ้งเพื่อความยิ่งใหญ่ของแก๊งสามเสือของเรานะคืนนั้นเป็นค่ำคืนแรกที่นายเพ็งยอมควักเงินจ่ายค่าเล่าอย่างไม่เคยทํามาก่อนเหมือนสํานึกได้ว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้ชดใช้หนี้อาโอกอีกทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากตอนเย็นถึงนาทีนี้มันเป็นรางร้ายสําหรับเขาเหลือเกิน ยังไงก็ตามมาเสือมันก็ยอมเป็นเสือวันยังคำ่ำนเพยงทำใจแ น, แน่วแน่นิ่งได้อย่างรวดเร็วพร้อมจะบเชิญกับอะไรก็ตามที่จะมาเอาชีวิตเขาอันที่จริงทั้งสามตกลงกันว่าหลังจากสดเล่ากันจนได้ที่แล้วเนี่ยจะไปหย่อนใจที่บาร์แห่งหนึ่งในย่านวงเวียนใหญ่หาพาร์ทเนอร์แจมแจมควงคู่กันไม่หาความสุขตามโรงแรมในละแวกนั้นแต่ว่าเจ้าลางร้ายที่มันเกิดขึ้นนี่ทําเอาหมดสนุก ปลอยให้สองเสือหย่อนใจตามลําพังตัวในเพงขอตัวกลับบ้านไปนอนพักผ่อนก่อนอ้างว่าไม่ค่อยสบายเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วเช้าวันรุ่งขึ้นในกลัดเสือเพ่นก็เดินออกจากบ้านไปหากาแฟไปต้องโกกินแก้หิวเห็นในเพงเดินโบกไม้โบกมือให้แต่ไกลเขาก็เร่งฝีเท้าจะเข้าไปพูดคุยด้วยยู่ๆเผลอดแค่พริบตาเดียวร่างในเพงหายไปไหนเราก็ไม่รู้ในกรั รีบวิ่งออกไปดูที่ปากซอยมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นแม้แต่เงาร่างของนายเพ็งนักเลงใหญ่เอ๊ยเดินยังไงวันนี้ทำไมเร็วยังกระหาะได้เผลอแป๊บเดียวหายตัวไปแล้วฝายในเบี้ยวฟันหลอหิ้วพาร์ทเนอร์ไปนอนค้างที่โรงแรมเพิ่งจะแยกทางกับผู้หญิงเดินออกจากโรงแรมไปยังปากซอยตอนสามโมงเช้าก็เห็นนายเพ็งไปยืนอยู่อีกฟากหนึ่งของถนนใหญ่ใกล้สี่แยก ในเพ่งโบกมือให้ในเบี้ยวในเบี้ยก็โบกไม้โบกมือตอบทำนองว่าเห็นแล้วจะรีบข้ามถนนไปหาเดี๋ยวนี้บังเอิญมีรถเมย์วิ่งผ่านหน้าไปคันหนึ่งคล้อยหลังรถคันนั้นอีกฟากหนึ่งของถนนเหลือเพียงทางเท้าว่างเปล่าปรากฏว่าไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นทำเอาในเบีย้ยกาวหัวแกรกสงสัยเมื่อคืนกูคงทาศึกกับน้องแจมหนักไปหน่อย เช้านี้เลยตาลายนะเห็นอากาศเป็นลูกพี่กันแล้วโอ้บ้าชัดๆก่อนเที่ยงวันสองเสือก็แวะไปสมทบกันที่บ้านในเพงตามปกติที่ว่าไปไหนต้องไปเป็นกลุ่มเผื่อเจอแก๊งคู่อรินี่จะได้อุ่นใจหน่อยเพราะการประกาศตัวเป็นเจ้าพ่อฝั่งทนนะ่ะมีคนพร้อมที่จะโค่นทุกเมื่อเพื่อครองความยิ่งใหญ่แทนที่แต่ว่าสองเสือร้ายก็ต้องแปลกใจสุดขีดเมื่อเห็นเตี่ยในเพงสวมชุดดํา กำลังจะออกจากบ้านเหมือนไว้ทุกแบบไทยๆให้ใครคนหนึ่งอยู่ในกรดนิสนิทกระเตียดีก็รีบเดินปราดก็ไปถามเตียมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะตั้งชุดดําำําไมอ่ะอฮาเลือสนิทกอาเพยงยังไม่รู้ข่าวอีกเหรอข่าวอะไรครับผมก็บเพียงเพิ่งจะแยกจากกันเมื่อตอนสี่ทุ่มคืนก่อนเองเตียจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาในเพงกลับถึงบ้านทําท่าจะอาบน้ำเข้านอน อ, นอยู่แล้ว แต่เหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้ก็พลุนผันจะออกจากบ้านไปอีกเตียถามว่าจะไปไหนก็บอกว่านังชื่นแม่ค้าที่ตลาดสดมันหืออือปลาแข็งข้อเรียกเก็บเงินค่าคุ้มครองมันก็ผลัดพรอนมาให้เก็บวันหลังได้ข่าวว่าลูกชายนังชื่นนะเป็นทหารยศร้อยโทกำลังจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยที่ลบบุรีขืนปล่อยให้ไปง่ายๆประกาศสิทธิ์ก็ในเพ็งก็จะเสื่อมคลายความขลัง พอคว้าปืนเน็บเอวได้ก็รีบออกจากบ้านไปพบนางชื่นไปเจอลูกชายที่เป็นนายร้อยโทนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนหน้าบ้านนางชื่นพอดีความยิ่งใหญ่จนเคยชินนายเพงก็ร้องตะโกนเรียกนางชื่นให้ออกมาคุยกันหน่อยเสียงร้องเรียกค่วน้าวไม่เกรงใจร้อยโททหารบกก็เลยตะโกนสวนออกมาทันควันว่าแม่เขาไม่ใช่ขี้ข่าใครนะอยากจะคุยเข้ามาคุยในบ้านเท่านั้นเองก็เกิดการ ประทะคารมกันทํานองว่ามึงแน่มาจากไหนไม่รู้จักคนอย่างไอเพ็งหรือไงร้อยทัวก็ตะหวาดสวนอย่างไม่เกรงกลัวว่ากูนี่แหละอ่าพร้อมจะเอาชีวิตมึงได้ทุกเมื่อเถียงกันได้แค่คำสองคาต่างฝ่ายต่างก็ชักปืนออกมาส่ายกระสุนเข้าใส่กันหลายนัดคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าร้อยทัวทหารบกนะั่รวดเร็วมากเลยรู้ยุทธวิธีการต่อสู้ในระยะประชิด ในเพงในยิงได้แต่อากาศไม่โดนฝ่ายตรงข้ามสักนัดหนึ่งแต่ร้อยโทยิงสวนเปรี้ยงเดียวกระสุนตัดขั้วหัวใจล้มคลืนลงตายกลางอากาศเลยตำรวจรับแจ้งมาถึงที่เกิดเหตุก็กลายเป็นว่าตำรวจนะจบเตรียมทหารรุ่นเดียวกับนายร้อยโทคนนั้นประกาศกับชาวบ้านที่มุงดูอยู่ว่าคนอย่างในเพ้งนะ่ะทำตัวเป็นผู้ขว้างขวางรังแกสุจริตชนคนทำมาหากินด้วยการรีดไถ มีรายชื่ออยู่ในบัญชีดำของกรมตำรวจทหารที่ยิงในเพ้งตายในถือว่าช่วยราชการปราบคนผ่านอภิบาลคนดีมีความชอบไม่ต้องโทษใดๆทั้งสิน้นเตียสรุปว่าตอนนี้เป็นยุคปฏิวัติทหารทำการกวาดล้างนักเลงและผู้ควางขวา ง, วางโดยตั้งข้อหาว่าเป็นบุคคลอันดับานจับขังลืมได้โดยไม่มีกำหนดลูกชายเตียทความผิดไว้จริงๆ ถ้าจะร้องเรียนหน่วยเหนือก็คงเสียเวลาป่วยการเปล่าตอนนี้เซนรับทรา บ, บลูกชายตายอย่างผู้ร้ายแล้วศพก็ถูกส่งไปอยู่ที่วัดย่านตลาดพลูเตียกำลังจะไปดูแล ง, งานศพในเพ้งสองเสือคือนายกาดกับนายเบี้ยวเข้าใจหายว่าเพราะการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของจ่าฝูงมิหน้าล่ะคืนก่อนถึงมีการทั้งหอนบอกเหตุร้ายล่วงหน้าหลายอย่างเกิดขึ้นติดติดกัน ทแท้เป็นลางมรณะของนายเพ็งนั่นเองแต่จิตใจของยอดนักเลงยังผูกพันอยู่กับสองเสือเจตพูดนายเพ็งจึงไปปรากฏร่างให้สองเสือได้เห็นแบบต่างกรรมต่างวาระสองเสือไม่ได้ตาฝาดภาพที่เห็นนั้นพวกเขาเห็นจริงๆเพียงแต่ไม่ได้เห็นมนุษย์ธรรมดาอีกต่อไปเป็นแค่เจตพูดหรือว่ากายวิญญาณของนายเพ็งเท่านั้นจุดจบของจ่าฝูงทาให้สองเสือถอนตัวออกจากวงการนักเลง วนคืนสู่ภูมิลาเนาเดิมที่ต่างจังหวัดทาตัวเป็นเสือซ่อนเล็บหากินไปตามปราษาชาวบ้านทั่วไปจนรอดชีวิตมาได้ถึงทุกวันนี้ปัจจุบันเสือร้ายกลายเป็นเสือเก่าหมดเขี้ยวหมดเล็บเหมือนไม้ใกล้ฝั่งรอวันตายว่าจะมาถึงเมื่อไหร่นายกลัดเล่าเรื่องนี้ให้ลูกหลานฟังคนที่เล่าเรื่องนี้เขาก็ฟังมาจากลูกชายของเขาอีกทีหนึง่ง เห็นว่ามีสาระน่าสนใจก็นำมาเปิดเผยให้รู้โดยทั่วกันครับที่บ้านหนองบัวตําบลพระแก้วอําเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ราบลุ่มแต่ว่าอยู่ห่างจากแม่น้ำลำคลองชาวบ้านหนองบัวก็เลยมีอาชีพทานาแทบทั้งหมดการทานาต้องอาศัยน้ำฝน ที่ตกต้องตามฤดูกาลปีไหนเกิดฝนมาล่าหรือว่าฝนแรงช า, าชาวนาบ้านหนองบัวก็จําต้องยอมก้มหน้าแบกทุก์อันเนื่องจากทำนาไม่ได้ผลแหล่งน้ำแห่งเดียวที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านมาตั้งแต่เริ่มแรกสมัยที่ยังไม่มีชื่อหมู่บ้านเป็นหนองน้ำขนาดเมหืมาหนองน้ำแห่งนี้มีพื้นที่กว้างยาวประมาณ100ร้อยไร่มีบัวหลวงขึ้นเต็มหนองก็เลยเรียกกันว่าหนองบัว แล้วต่อมาก็ใช้เป็นชื่อหมู่บ้านเรียกว่าหมู่บ้านหนองบัวหนองบัวเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้สาธารณะแล้วก็ยังเป็นแหล่งหากินเพื่อดารงชีพของชาวบ้านเนื่องจากมีปลาชุมนักชาวบ้านทุกคนมีสิทธิ์ไปหาปลาในหนองได้ตามใจชอบจะหามากินหรือหาไปขายก็ไม่ว่าอะไรกันในอ่อนนี่เป็นชาวบ้านหนองบัวคนหนึ่งหมดหน้านาแล้วก็จะไปปักหลักหาปลาอยู่ที่หนองบัวอย่างเอาจริงเอาจัง ถึงขั้นไปปลูกเพลิงเล็กๆอยู่ริมหนองเพื่อใช้เป็นที่พักหลับนอนชั่วคราวในตอนกลางคืนวิธีหาปลาของนายอ่อนก็คือวางเบ็ดราวเอาไว้ตามขอบหนองถ้าเป็นหน้าแรงก็จะยกคันดินขึ้นหากิ่งไม้ใบไม้มาบังเอามาสะด้านบนเพื่อให้เกิดร่มเงาเป็นที่เย็นแล้วก็เปิดทางให้ปลาเข้าอยู่อาศัยประเมินว่ามีปลาเข้ามาหลบร้อนพอสมควรแล้วก็จัด ก, การปิดช่องเข้าออก จากนั้นก็ลงมือวิดน้ําออกจนแห้งแล้วก็ลงไปจับปลาที่ตกคลักอยู่รอบๆหนองก็มีพงหญ้ารกเรื้อแล้วก็ละเมะไม้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของงูนาน า, นานชนิดโดยเฉพาะ ง, งูเห่านี่มีมากที่สุดแต่ชาวบ้านหนองบัวไม่กลัวงูคงเนื่องจากยังไม่มีใครถูกงูเห่าหรือว่างูมีพิษชนิดอื่นกัดลายแม้แต่รายเดียวคืนหนึ่งในอ่อนนี่ไปหาปลาที่หนองบัวถึงเวลาดึกดื่นค่อนคื น, น, นในอ่อนก็นอนพัก บนแคร่ในเพลิงนั่นแหละใกล้สว่างคือนั่นมีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยขึ้นไปกัดในอ่อนถึงบนแคร่ทําให้ในายอ่อนสิ้นใจตายอยู่ในเพิงนั้นคนเดียวกว่าจะมีคนรู้ว่านายอ่อนตายก็ล่วงไปถึงตอนบ่ายของอีกวันหนึ่งการที่งูเห่าขึ้นไปกัดในอ่อนถึงบนแคร่เนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติเพราะวิสัยของงูพิษประเภทเนี้อสรพิษทุกชนิดมันจะกลัวคน มันมักจะหลีกหนีคนไปไกลๆเสมอนอกจากถูกรบกวนหรือว่าไปเหยียบมันเข้ามันถึงจะฉกกัดแต่สำหรับในอ่อนนี่เหมือนหนึ่งเป็นเวรกรรมมีต่อกันงูเห่าถึงกับเลื้อยขึ้นไปกัดบนแคร่นอนหลังจากในอ่อนตายไปแม่นานนายแจ้งอยู่หมู่บ้านเดียวกันออกไปหาปลาที่หนองบัวก็ถูกงูเห่ากัดเป็นรายที่สองนายแจ้งพยายามสมสารกลับมาถึงหมู่บ้าน แต่ไม่ทันจะได้รับการรักษาก็สิ้นใจตายไปอีกคนหนึ่งชาวบ้านหนองบัวก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าผีในอ่อนคงจะต้องการจะมีเพื่อนนะถึงได้ดนใจให้งูเห่ากัดนายแจ้งตายแต่หลังจากนายแจ้งตายไปเป็นเพื่อนผีในอ่อนแล้วอีกไม่ช้าไม่นานต่อมาก็มีชาวบ้านซึ่งไปหาปลาที่หนองบัวก็ถูกงูเห่ากัดอีกแล้วก็ไม่ใช่รายเดียวที่ถูกงูงูเห่ากัดแต่ว่ามีหลายรายบางคนก็ตายบางคนก็พาไปรักษาได้ทัน กล่าวได้ว่าแต่ละปีจะต้องมีคนถูกงูเห่ากัดตายถึงสองสาคนไม่นับคนที่รักษาได้ทันการที่งูเหา่าประหนึ่งจ้องจะปลิดชีวิตคนไปหาปลาที่หนองบัวชาวบ้านก็รู้สึกตื่นกลัวกันทั่วหน้าเนื่องจากไม่เคยปรากฏเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่งูเหา่าไม่เคยทํำร้ายชาวบ้านไม่เคยมีใครถูกงูเห่ากัดแม้แต่รายเดียวแต่หลังจากนายอ่อนตายไปเป็นศพแรกก็มีคนตายเพราะถูกงูเห่ากัด ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆชาวบ้านเริ่มไม่แน่ใจเสียแล้วว่าผีในอ่อนอยากจะได้เพื่อนไปอยู่ด้วยหากสงสัยว่าผีในอ่อนอาจจะหวงปลาในหนองบัวไม่อยากให้ใครได้ปลาไปเพราะว่านอกจากจะหวาดกลัวห่าวกัดแล้วยังกลัวผีในอ่อนที่เปิดฉากหลอกหลอนชาวบ้านเอาจนอกสันขวัญกระเจิงมาหลายครั้งหลายหนคนที่เจอผีในอ่อนหลอกก็คือพวกที่ไปหาปลาที่หนองบัวลักษณะการหลอกหลอนก็มีต่างกัน ที่เบาหน่อยก็แค่มีเสียงเรียกชื่อแต่มองไม่เห็นตัวคนคนเรียกมองไม่เห็นไม่รู้ใครบางคนก็เห็นต้นกกและต้นสโนโวแหวกเป็นช่องเข้ามาหาแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นสาเหตุทําให้ต้นกกต้นสโนโเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนั้นแต่ที่หนักหนักก็คือเห็นผีในอ่อนเดินเข้ามาหาตรงๆเห็นเป็นรูปร่างถนัดชัดเจนไม่ได้เกิดจากตาฝาดหรือไม่ก็เห็นตัวในอ่อนมายืนทื่ออยู่ใกล้ๆ แสดงตัวให้เห็นชนิดเต็มตาสักอึดใจหนึ่งแล้วก็หายไปใครที่เจอผีในอ่อนหลอกพอกลับมาบ้านก็เจ็บไข้ได้ป่วยทุกรายญาติพี่น้องจึงจุดธูป บ, บอกกล่าวออกชื่อในอ่อนแล้วก็บนด้วยเหล้าหนึ่งขวดไก่ต้มหนึ่งตัวอาการเจ็บไข้จึงจะหายหน้าแปลกที่บนด้วยสิ่งของอย่างอื่นนี้จะไม่หายชาวบ้านหนองบัวก็เลยไม่กล้าไปหาปลาที่หนองบัวอีกเพราะว่ากลัวทั้งงูเหา่าแล้วก็กลัวผีในอ่อน แต่ว่ามีคนไม่กลัวผีอยู่คนหนึ่งชื่อนายยุ้ยนายยุย้ยคนนี้ไม่เชื่อว่าผีมีจริงยิ่งเป็นผีในอ่อนที่ชาวบ้านโจดขานด้วยความหวาดกลัวนายยุ้ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่นอกจากไม่เชื่อยังคุยโวโ อ, อ้วดว่าอยากจะเจอผีในอ่อนจังๆสักครั้งเถอะบ่ายวันหนึ่งนายยุ้ยก็ไปชวนพวกผู้ชายเพื่อนบ้านไปหาปลาที่หนองบัวชวนใครก็ไม่มีใครไปเพราะก็กลัวผีในอ่อนนายยุ้ยก็เกิดอารมณ์เสียก็รู้สึกคุนเคืองทันทีพูด กึ่งประชดกึ่งท้าทายเสียงดังฟังชัดว่าผีในอ่อนเนี่ยไม่มีความหมายหรอกถ้าผีในอ่อนโผล่หน้ามาให้เห็นจะมีดสับให้หน้าแบะเชียวเอาให้เข็ดก่อนที่จะไปจับคอผีถามว่ามาหลอกหลอนชาวบ้านก็ทําไมเรื่องอะไรถึงทํำให้ชาวบ้านหวาดกลัวจนไม่กล้าทำมาหา ก, กินอย่างนี้อนายยุ้ยว่าอย่างนั้นเมื่อไม่มีใครไปหาปลาที่หนองบัว ด, ด้วยนายยุ้ยก็หิว้วอุปกรณ์หาปลาไปคนเดียว ไปถึงหนองบัวก็เย็นมากแล้วในยุ้ยก็จัดแจงปักเบ็ด ร, ราวเอาไว้ในจุดที่คิดว่ามีปลาชุมโดยวางเรียงรายไปตามขอบหนองปักเบ็ดเสร็จสับในยุ้ยก็ออกมาหาปลาไหลเป็นการฆ่าเวลาระหว่างที่รอให้ปลามาพุบเบ็ดก็ใช้เหล็กแหลมแทงไปตามรูปลาไหลที่อยู่ตามชายตะลิ่งเพื่อจะเจอตัวกำลังแทงปลาไหลเพลินๆก็ได้ยินเสียงคนกรแอมดังมาจากด้านหลัง ก็นึกว่ามีเพื่อนตามมาทีหลังก็เหลียวไปดูแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะว่ามีคนมาแกล้งแกรแมแล้วรีบหลบไปแอบก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบริเวณรอบๆตัวก็เป็นที่โลงๆเลยออกไปก็เป็นป่าสนต่อให้วิ่งเร็วยังไงก็วิ่งไปแอบที่ป่าสนไม่ทันคราวนี้นายยุ้ยชักขนลุกเกลียวขึ้นมาความเชื่อที่ว่าผีไม่มีไม่กลัวผีนี่ชักจะไม่แน่ซะแล้วฉุกคิดวูบไปถึงนายอ่อน ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผีนายอ่อนมาหลอกเล่นหรือเปล่าก็แข็งใจถามออกไปดังๆใครอะตาอ่อนเหรอถ้าเป็นตาอ่อนก็โผล่หน้าออกมาคุยกันหน่อยดิอยากจะพบมานานแล้วในยุ้ยพูดขาดคำตรงป่าสนก็เกิดเสียงสวบสับใบสนสั่นกราวเหมือนกับมีใครกำลังเดินฝ่าออกมา ในยุ้ยในใจเต้นโครงคลามกระชับด้ามเหล็กแหลมแทงปลาไหลเอาไว้มันนะ่นคิดในใจชะดีชะร้ายกูจะแทงด้วยเหล็กแหลมแทงปลาไหลนี่แล้ววะเสร็จแล้วเจ้าของเสียงสวบสาบดังกล่าวก็โผล่ปลุกออกมาจากป่าสนุ่มายืนทำงานอยู่หน้านายุย้ยร่างที่เห็นไม่ใช่ร่างคนในอ่อนคนเคยรู้จักกันมาก่อนแต่เป็นใครก็ไม่รู้ตัวดํามาเมื่อมหน้าต า, นาหน้าเกลียดหน้ากลัวเกินกว่าจะบรรยายได้ถูก ในยุย้ยในตัวชาเหมือนคนเป็นอัมาพาตขาสัน่นผับผับความกลัวไม่รู้มาจากไหนเล่นงานจนในยุย้ยแทบจะหัวใจวายเสียให้ได้ตาที่ดำคลับมันไม่มีตาขาวที่จมอยู่ในเบ้าจ้องมองมายังในยุย้ยเหมือนกับโกรธแค้นอาฆาตสุดขีดแล้วแล้วใบหน้าหน้าเกลียดหน้ากลัวขยับสสแยปากเห็นวันดำด ำ, ดำขาวขา ว, ขาวพราาเยิม้มไปได้วยเมือกน้ำลายร่างทำมือก็ก้าวสวสวสวตรงเข้ามาหาในยุย้ย นายยุ้ยคนไม่กลัวผีอยู่ไม่ได้แล้วไม่ทันสมองจะสั่งเสียด้วยซ้ําสองขานายยุ้ยก็เพ่นเพลิบวิง่งตะลุยไปข้างหน้าโดยไม่คิดชีวิตเหลียวไปมองข้างหลังก็เห็นร่างของอมนุษย์ไดวิ่งไล่ตามมาติดติคราวนี้นายยุ้ยก็สาบกรีนอกลับสู่หมู่บ้านร้องโวยวายเหมือนกับคนสติแตกชาวบ้านได้ยินนายยุ้ยตะโกนลันทุง่งช่วยด้วยช่วยด้วยยักษ์มันไล่จับข้าช่วยด้วย วิง่งออกมาดูกันสลอนเห็นในยุย้ยวิ่งเตลดเิดเปิดเปิงเข้าหมู่บ้านมาคนเดียวไม่ทันเห็นยักษ์มารที่ไหนไม่มีใครตามมาสักคนในยุ้ยเห็นเพื่อนบ้านมายืนเป็นกลุ่มก็จะหยุดวิง่งแต่พอเหลียวหลังกลับไปดูก็ยังเห็นร่างร้ายวิ่งใกล้เข้ามาก็แหกปากโวยวายว่ายักษ์ใกล้เข้ามาแล้ววิ่งต่อชาวบ้านก็แปลกใจเพราะไม่เห็นมีอะไรไล่าตามในยุ้ยมาเลยในยุ้ยกระเจยกระเจิงไปถึงรั้วบ้านตัวเอง ก็ล้มปุบหมดสติเพื่อนบ้านญาติพี่น้องก็ช่วยกันหามนายยุ้ยขึ้นไปบนบ้านพอรู้สึกตัวก็มีอาการหวาดกลัวหลับตาร้องให้คนช่วยไม่ขาดปากกลายเป็นคนเสียสติเพ้อคลั่งตลอดเวลาต่อมาก็เกิดเป็นไข้ตัวร้อนสูงซ้ําเข้ามาอีกทุกคนที่เห็นกิริยาอาการของนายยุ้ยต่างก็คาดเดาว่านายยุ้ยคงจะถูกผีในอ่อนหลอกมาอย่างจังญาติของนายยุ้ยก็รีบไปนิมนต์หลวงพ่อชื่นจเจ้าอาวาสวัดหนองบัว ซึ่งอยู่ ใ, ใกล้ๆบ้านนายยุ้ยมาช่วยรักษาหลวงพ่อชื่นเป็นพระมีอาคมขลังอ่ารูปหนึ่งเมื่อมาถึงบ้านนายยุย้ยก็ทําพิธีผูกมัดวิญญาณที่แขวงร่างนายยุ้ยอยู่ด้วยวิชาอาคมแล้วถามว่าวิญญาณเป็นใครในายยุ้ยซึ่งนอนหลับตาตลอดเวลาก็พูดออกมาว่าเป็นนายอ่อนชาวบ้านและญาติพี่น้องของนายยุ้ยที่มารุมล้อมดูเหตุการณ์ก็รู้สึกขนลุกขนพองเหมือนกันทุกคนเพราะว่าเสียงที่นายยุ้ยพูดออกมานะเป็นเสียงนายอ่อนชัดๆ ซึ่งแต่ละคนก็ล้วนจะจาเสียงนายอ่อนได้หลวงพ่อชื่นท่านก็บอกว่าโยมอ่อนก็ตายไปแล้วอย่ามารบกวนโยมยุ้ยเ้าเลยอยากจะกินอะไรอาตมาจะบอกให้เขาหาให้แล้วก็จะให้เขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อีกไอย้ยุ้ยมันอวดดีเกินไปกูต้องเล่นงานสั่งสอนมันซะบังหลวงพ่อชื่นท่านก็ได้กล่าวกับวิญญาณนายอ่อนโดยดีโดยยกเหตุผลแห่งวิบากมาเตือนสติให้ได้คิดวิญญาณก็เงียบเฉยไม่ ต, ตอบ ญาตในยุยก็อ่อนวอนวิญญาณให้ปลดปล่อยถอยไปจากร่างในยุยวิญญาณเนี่ยในอ่อนก็ยังเฉยเหมือนเดิมหลวงพ่อชื่นเห็นว่าใช้ไม้นมไม่ได้ผลนั่นก็ได้หันมาใช้ไม้แข็งขยับหวายไล่ผีในมือถ้ามึงไม่เอาอะไรก็ออกไปเจ้พ้นขืนชักชาเล่นแง่อยู่มึงโดนไหวในมือกูแน่วิญญาณคนในยุยคงจะเห็นหลวงพ่อชื่นเอาจริงก็รับปากว่าจะออกไปเดี๋ยวนี้ แต่ขอเหล้าหนึ่งขวดไก่ต้มหนึ่งตัวญาติวันไหนยุ้ยก็ให้สัญญาว่าจะจัดหามาให้ในภายหลังวิญญาณในอ่อนจึงออกไปทันทีนายยุ้ยก็ได้สติอาการเจ็บไข้ก็ค่อยๆผ่อนคลายหายไปในที่สุดแต่ผมบนหัวในร่วงหล่นหลุดออกหมดและทุกเส้ น, นกลายเป็นคนหัวโกรนเนื่องจากกลัวผีในอ่อนสุดขีดท่านพระครูประกาศสมาธิคุณที่เล่าเรื่องนี้ออกอากาศเมื่อยี่สิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยนะครับสรุป บ, บอกว่า เขาเรียกเปรตเปรตนี้จะไม่มีเจตนาหลอกใครถ้าแสดงตัวหรือว่าส่งเสียงร้องก็เพื่อขอส่วนบุญส่วนกุศลเท่านั้นแต่พวกอสุรกายนี้จะหลอกด้วยการแสดงความดุร้ายและหวังเครื่องเส้นสินบนจากมนุษย์และประเภทที่ในอ่อนเป็นเนี่ยเป็นประเภทอสุรกายครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ บ้านคุณบุญชูมีอาชีพทำสวนแต่ว่าที่ดินมันน้อยแกก็หาไรายได้พิเศษใครจ้างไปทำอะไรก็ไปถางหญ้าขุดดินก็เอาทั้งนั้นเรียกว่าหนักเอาเบาสู้ก็เพราะว่าตอนเกิดเนี่ยไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองออกมาด้วยมันก็เลยเป็นอย่างงี้สมัยก่อนโน้นแกทำงานโรงงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าตอนหลังเขาปลดคนงานออกแกก็โดนกับเขาด้วยก็เลยพาลูกเมียกลับมาอยู่บ้านเกิด ตอนแรกมาอาศัยพ่อแม่อยู่ก่อนแล้วค่อยปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่กันในตอนหลังวันหนึ่งบ้านหลังหนึ่งซึ่งเขารวยมากในหมู่บ้านเนี้ยบ้านเขาหลังใหญ่ว่าใครเพื่อนคนก็พูดกันว่าเขาคาอย่าบ้าแต่ว่าคุณบุญชูไม่ได้สนใจนะ่ะเขาจ้างไปตัดต้นไม้หลังบ้านเขาอ่าแล้วก็ให้เอาไปทิ้งด้วยว่างอันได้เงินก็เอาไม่เกี่ยงอยู่แล้วไปทํางานใหเ้เขาก็พอใจให้เงินค่าจ้างมา แกก็ขอบคุณเขานอกจากเงินแล้วเขายังให้จักรยานมาคันหนึ่งด้วยเหล็กดีแข็งแรงแค่เอาไปเปลี่ยนยางสะหน่อยก็ใช้ได้แล้วเขาก็เอาไปจอดทิ้งเอาไว้ในถุนบ้านเขาบอกมันเกะ ก, กะไม่รู้จะเอาไว้ทำไมไม่มีใครขี่แล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันสบายกว่าเยอะจักรยานแม่บ้านสีม่วงอ่าเอามาเช็ดถูก็ใหม่เอี่ยมสีม่วงสดใสเลยแฮนด์ที่ชุบโครเมียมก็แวววาวขึ้นมาทันที เมียเห็นเขายิ้มชอบใจเลยลูกๆเห็นก็กระโดดโลดเต้นร้องว่าเรามีจักรยานแล้วบ้านเรามีจักรยานแล้วจักรยานคันนี้ถ้าไปซื้อเขาก็คงพันประบาทสมัยนั้นคุณบุญชูก็จูงไปเปลี่ยนยางแล้วก็ขี่กลับบ้านได้สบายมากแต่พอคนข้างบ้านเห็นเขาถามว่าซื้อมาเท่าไหร่อ่คุณบุญชูก็บอกไม่ได้ซื้อบ้านใหญ่นนท์เขาให้คนข้างบ้านก็ถามว่าบ้านที่เขาว่าขายาบ้า น, นะเหรออ่าคุณบุญชูก็ไยักหน้า เขาก็เตือนบอกระวังนะก็ถามว่าระวังอะไรล่ะลุงแกก็บอกว่าระวังมันจะเป็นของไม่ดีอ้าวทำไมมันจะไม่ดีล่ะขี้สนิมยังไม่กินเลยของใหม่แท้ๆแกก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นอ้าวแล้วมันยังไงล่ะครับลุงบอกผมหน่อยสิถามแกจริงๆรจังๆแกก็ไม่พูดเดินหนีไปดือ้อดือ่อะก็คิดว่าเออลุงคนนี้แปลกดียังไงก็ตามมันก็เป็นของใหม่สําหรับครอบครัวเล็กๆที่มีลูกสองเมียหนึ่งของคุณบุญชู เมียขี่เป็นอ่าแกกี่เป็ น, กกปนลูกหัดได้ไม่ยากเพราะว่าเคยขี่จักรยานคันเล็กๆกันมาแล้วคืนหนึ่งเมียปลุกตื่นขึ้นมาพี่พี่สงสัยคนจะมาขโมยจักรยานคุณบุญชูตาสว่างทันทีเลยงเงี่ยหูฟังได้ยินเสียงก๊อกแก๊กที่จักรยานจริงๆก็ได้รีบทําแกล้งเป็นไอแล้วก็บนพึมพำเสียงก๊อกแก๊กนั้นก็เงียบไปต่อมาก็ไม่มีเสียงอะไรอีกนะคุณบุญชูก็เลยเอาไฟฉายมาส่องดู ใสถุนจักรยานยังอยู่ที่เก่าจอดไว้ข้างเสาคุณมุนชูก็มีความคิดทันทีว่าต้องหาโซ่สักเส้นกุญแจสักลูกเอามาใส่คล้องมันไว้กับเสาเรือนแค่นี้ก็นอนตาหลับน่ะคิดอย่างนั้นคืนนั้นก็นอนระวังแต่ก็ไม่มีอะไรจนเช้าก็ไปบ้านแม่ขอยืมโซ่มาเส้นกุญแจที่ใส่บ้านก็เอามาใส่ใส่รถในตอนกลางคืนคล้องไว้กับเสาเรือนคืนต่อมาก็มีเสียงนั้นอีก เสียงคนพยายามจะเอาโซ่ออกจากรถคุณบุญชูก็แกล้งไออีกมันก็เงียบไปส่องไยฉายอารถอยังอยู่เมียคุณบุญชูรักรถคันนี้มากเพราะว่ามันช่วยให้ไม่ต้องเดินไปร้านค้าหรือไปไหนๆก็พูดไปดังๆว่าจะมาเอาอะไรกับจักรยานไม่มีราคาข้างวดอะไรก็มารอกขอเอาไว้ใช้เถอปะปุณพอเมียพูดไปอย่างนี้แปลกมาก หมาข้างๆบ้านทั้งสองด้านเลยพากันส่งเสียงเห่าหอนอย่างโหยหวนเสียงเย็นเยือกเข้าไปถึงหัวใจทํำให้คุณบุญชูนี่หนาวสั่นเลยเมียก็เหมือนกันกระซิบบอกว่าพี่ฉันกลัวอ่าคุณบุญชูก็ปลอบไม่มีอะไรแล้วนะนอนเถอะเรื่องคนหมายปองจักรยานนี่คุณบุญชูไม่ได้เล่าให้คนข้างบ้านฟังแต่ว่าเสียงหมาหอนตอนกลางคืนทําให้ตอนเช้าต้องคุยกับลุงข้างบ้านนะ ล่าให้แกฟังว่ามีเสียงก๊อกแก๊กที่จักรยานสองคืนแล้วเมื่อคืนพอเมียพูดก็มีเสียงหมาหอนหวยหวนลุงก็ถามว่าจริงเหรออ่าก็พยักหน้าแกก็บอกด้วยเสียงเบาๆรู้อะไรหรือเปล่าจักรยานคันนี้มันอาจจะเป็นจักรยานผีสิงก็ได้นะคุณบุญชูก็ถามว่าเอาละทำไมลุงพูดอย่างนั้นนะ่ะมันมีอะไรเหรอแกก็เล่าให้ฟังว่าบ้านใหญ่นั่นนะเคยมีลูกชายอยู่สองคนแต่ว่าคนหนึ่งตายไปแล้วโดนเพื่อนวัยรุ่นยิงตาย แล้วสมัยที่เขามีชีวิตนะเขาเคยขี่รถจักรยานคันนี้เป็นประจำบ้านเขาก่อนนั้นนะ่ะยังไม่รวยเหมือนตอนนี้พอเขาตายแล้วก็ไม่เคยเห็นใครเอารถคันนี้มาขี่อีกเลยคุณบุญชูได้ฟังที่ลุงเล่าแล้วขนลุกสู้เลยเอ๊ะคงจะจริงแน่ๆเลยก็เลยถามลุงว่าเอารถทําไงดีลุ ง, ล, งลุงก็แนะให้เอาไปคืนเขาเสียคุณบุญชูก็ไม่ค่อยสบายใจก็เลยหารือกับเมียเมียก็เสียดายมากก็เลยพูดว่า เราจุดทูปขอเขาก็แล้วกันเอาไว้ใช้เพราะว่าอยู่บ้านเขาก็ไม่มีคนใช้นะจุดทูปขอก็เถอะลองดูเขาไม่ให้ใอรเอาไปคืนเมียก็จุดทูปบอกเล่าดวงวิญญาณเจ้าของจักรยานขอรถเอาไว้ใช้พอตกกลงคืนก็ไม่มีเสียงมารบกวนแล้วเมียก็ยังฝันว่ามีหนุ่มรุ่นรุ่นมาหามาพูดว่าเอาจักรยานไว้ใช้เถอะอ่าเมียก็ถามคุณมณชูใส่บาทให้เขาดีไหม คุณบุญชูก็พยักหน้าอืมดีสิทำไมจะไม่ดีแต่อย่าลืมกรวดน้ำด้วยนะรู้ฉันรู้ใส่บาทมันก็ต้องกรวดน้ำด้วยไม่อย่างนั้นจะใส่ทำไมอะเสร็จแล้วเมียก็มองไปที่ถนนหน้าบ้านแต่ว่าพระล่องไปแล้วนี่ไม่ทันแล้วคุณบุญชูก็มองไปบ้างแล้วก็ว่าวันนี้ไม่ทันก็วันพรุ่งนี้สิไม่เป็นไรรอกใส่วันไหนก็เหมือนกันเช้าวันต่อมาพระเกิดไม่มาบินทบาทท่านไปฉันที่บ้านลุงคนนึง ที่ทำบุญบ้านเลี้ยงพระตอนเช้าก็เลยรอเก้อเมียก็บ่นว่าจะใส่บาตรพระก็ไม่มานะคุณบุญชูก็บอกไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ได้แต่คืนนั้นเองมันก็เกิดเรื่องตอนดึกมีเสียงหมาหอนแล้วก็มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กที่จักรยานอีกแล้วทําไงดีคระพี่เมียถามคุณบุญชูก็บอกว่าทําไงดีเหรือก็บอกเขาไปสิว่าจะใส่บาตรไปให้อย่ามารบกวนเลยเมียก็บอกไปตามนั้นเสียงก๊อกแก๊กก็เลยหายเงียบไป พอเช้าเท่านั้นลูกๆของคุณบุญชูก็ร้องกันเสียงหลงพ่อพ่อจักรยานหายไปแล้วคุณบุญชูได้ยินเมียก็ได้ยินก็พากันลงบันไดยอย่างเร็วดยไปดูก็เห็นว่ามันเป็นความจริงรถจักรยานที่เคยจอดไว้ข้างเสาตอนนี้เหลือแต่เสากับโซ่ที่ใช้ล่ามไม่มีรอยตัดโซ่แต่อย่างใดมีแต่ลูกกุญแจคาอยู่ที่แม่กุญแจไม่ต้องพูดอะไรก็รู้ว่าเขาเอาลูกกุญแจมาไขาเอามันไป คุณบุญชูก็หันมามองหน้าเมียถามว่าเก็บลูกกุญแจไว้ที่ไหนใหเก็บไว้ข้างเสาบนบ้านด้วยนะ่ะอ้าวแล้วเข้าไปได้ยังไงเขาเป็นผีอ่ะเงียบกริบไปตามกันเลยลูกสองคนนี้หน่าซีดเผือดด้วยความกลัวผีคุณบุญชูกับเมียก็เลยต้องปลอบลูกว่าอยากรูวไม่มีอะไรหรอกตอนนี้กลางวันเมียก็พูดบอกว่าเขาคงโกรธที่ไม่ใส่บาทให้เขาอ่าคุณบุญชูก็เลยบอกว่างั้นก็ปล่อยเขาเอาไปเถอะก็มันเป็นของเขานี่ เมียก็บอกใช่ใช่มันเป็นของเขาเอาไว้มีเงินก็ค่อยซื้อมาใช้นะพี่นะอืมคุณบุญชูก็พยักหน้าลูกๆพากันพูดว่าถึงยังไงก็ไม่กล้าขี่แล้วว่ากลัวผีสายๆหน่อยมีคนมาเรียกที่หน้าบ้านคุณบุญชูก็ออกไปดูอาวนึกว่าใครเป็นเจ้าของบ้านที่ให้จักรยานมานั่นแหละก็ถามไปว่าป้ามีอะไรเหรอมีอะไรจะให้ผมทำหรือครับป้าก็บอกไม่มีอะไรให้ทำหรอก แต่เอาจักรยานไปคืนทำไมอ่ะเจอคำถามอย่างนี้คุณบุญชูก็เลยต้องเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ส่วนที่จะทำให้ครอบครัวของป้าเสียหายเนี่ยอ่คุณบุญชูไม่เอ่ยถึงเลยป้าแกก็มีสีหน้าแปลกใจออจริงเลยเนี่ยไม่ได้เอาไปคืนนะจักรยานไปเองผีลูกชายป้ามันเอากลับไปอย่างนั้นเหรอแล้วป้าก็เล่าว่าลูกชายนะ่ารักจักรยานคันนี้มากก่อนนั้นก็ขี่ทุกวัน แต่พอมีมอเตอร์ไซค์ก็เลยไม่ได้ใช้ป้าก็บอกเฮ้ยไปเอาคืนมาไปแต่คุณบุญชูสายหน้าโบกมือไปมาไม่เอาหรอกป้าทำไมอ่ะไม่เป็นไรแล้วครับไม่เป็นไรยังไงให้แล้วก็ต้องเอาเก็บไว้ใช้ไปทำเสียใหม่เปลี่ยนยงเปลี่ยนยางหมดไปหลายตังค์สิไม่เป็นไรแล้วครับคุณบุญชูก็ยืนยันคำเดิมป้าก็เลยสงสัยว่าคุณบุญชูจะกลัวผีก็ถามว่ากลัวผีใช่ไหมล่ะน่ะ ก็ตอบว่าเงินก็ไม่เชิงนะครับอ่าแต่เกรงใจเจ้าของเขาป้าแกก็บอกว่าไม่ต้องเกรงใจหรอกเดี๋ยวบอกลูกชายเองก็เลยขัดความหวังดีของป้าไม่ได้ตามไปขี่จักรยานกลับออกจากบ้านป้าด้วยขาสั่นๆ น, นะไม่ค่อยสบายใจนักท่ะบีบมาได้ครึ่งทางก็รู้สึกว่าขี่ไม่ค่อยถนัดเนี่ยมันต้องออกแรงมากหนักอึง้งยังกับบรรทุกก้อนหินมาด้วยเอ๊ะมันยังไงกันด้วยความสงสัยก็เหลียวหลังไปมอง ก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่ที่ตะแกรงท้ายเนี่ยมันว่ า, างเปล่าแกก็พยายามออกแรงอย่างเต็มที่แต่ไม่ไหวจริงๆปวดขาไปหมดหนักเขาต้องจอดลงดูซิว่ามันมีปัญหาอะไรเบรกมันทําไม่ฟืดหรือยังไงหมุนล้อ ก, ก็ไม่มีปัญหาอะไรลองขี่อีกทีก็เหมือนเดิมไม่ไหวสุดท้ายก็เลยต้องจูงไปคนเข้าก็ถามว่าเอามีจักรยานทําไมไม่ขี่และจูงทําไมก็บอกบอกเขาไปว่ามันฝืด ทีไม่ไปคนที่ตลกตลกก็บอกทีบมันลงคลองไปเลยอ่าคุณบุญชูก็หัวเราะเพราะรู้ว่าเขาพูดเล่นจูงมันจนถึงบ้านลูกเห็นเมียเห็นต่างก็พากันมองลูกๆทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละพากันพูดว่าพ่อไม่น่าไปเอากลับมาเลยก็บอกลูกว่าเขาให้เอามาส่วนเมียมไม่ได้พูดอะไรในตอนนั้นแต่พูดในตอนหลังหลังอยากจอดรถเอาไว้ไต้ถุนเรียบร้อยแล้วเพราะไม่อยากให้ลูกๆได้ยินฉันว่าคืนเนี้ย เขาต้องมาเอาคืนไปอีกอะไม่รู้เหมือนกันแล้วพี่จุงมาทำไมทําไมไม่ขี่อะมันปืดมันหนักอึ้งเลยไม่รู้เป็นอะไรเมียก็กระซิบบอกว่าเขาคงนั่งมาด้วยนะเฮ้ยไม่มีรอกดูแล้วพี่จะเห็นเขาได้ยังไงอ่ะเขาเป็นผีอืมก็จริงแต่คิดว่าเอามาจอดทิ้งไว้ก่อนยังไม่ขี่ก็ไม่เป็นไรอีกหน่อยก็ลืมๆเรื่องน่ากลัวกันไปเองแล้วก็เอามาขี่ได้คิดอย่างงั้น แต่คืนนั้นเองเราเราสามทุ่มก็รู้สึกหนาวหนาวกันขึ้นมาทั้งบ้านเพราะว่าได้กลิ่นธูปแล้วก็กลิ่นน้ําอบไทยที่เขาใช้อาบน้ําศพนี่กลิ่นล่องลอยมาจากความมืดข้างนอกเข้ามาในบ้านมันทําให้เด็กๆกลัวกันจนร้องไห้เมียก็ปากคอสั่น่าคุณบุญชูก็กลัวแต่ก็ทําเป็นไม่กลัวเพราะถ้าแสดงความกลัวออกมานี่ยจะยิ่งทําให้คนอื่นเสียขวัญกำลังใจมากขึ้นไปอีกไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรก็พยายามปลอบพวกเขา ไม่ทันขาดคําก็ได้ยินเสียงโซ่ที่ล่ามจักรยานดังกรักแสดงว่ามีการชักโซ่แล้วอ่ะคุณบุญชูก็แข็งใจแอบดูก็เห็นร่างหนึ่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างจักรยานเมียถามเสียงกระซิบว่าเห็นอะไรไหมก็แกล้งบอกว่าไม่เห็นแต่ว่าดูต่อไปต่อมาก็เห็นเขายืนขึ้นจากการนั่งยองยองร่างดํามืดยังไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายแต่น่าจะเป็นผู้ชายท่าทางมันบอกอย่างนั้นลักษณะรูปร่างไม่น่าจะเป็นผู้หญิง เขาทาท่าจะจูงจักรยานออกไปแต่แล้วเขาก็กลับแงนหน้าขึ้นมามองมองมาทางคุณบุญชูอ่าคุณบุญชูก็รู้สึกอย่างนั้นนมันทําให้แกตัวแข็งคือไปเลยดวงตาคู่นั้นของเขามันมีแสงเรืองเรืองแต่ว่าไม่ใช่สีเขียวสีมันออกไปทางแดงแดงไม่ชัดเจนนักแต่บอกได้ว่าเป็นดวงตาสองข้างที่มีสีแสงคุณบุญชูก็มัวแต่ชะ ง, งักค้างอยู่เขาก็จูงจักรยานออกไปจากใต้ถุนกว่าที่ คุณบุญชูจะบอกเมียให้รู้เรื่องเขาก็เอาจักรยานออกไปจากบ้านแล้วไม่ต้องไปเอากลับมาอีกแล้วนะไม่เอาแล้วไม่ไม่ไม่เอาเสียงสั่นเหมือนกับเสียงเมียเลยพอเช้าเมียก็รีบใส่บาตรกรวดน้ำไปให้บิณ ญ, ญาณดวงนั้นแล้วก็บอกขอโทษขอโพยเขาด้วยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับรถคันนั้นอีกแล้วยกโทษได้ด้วยสายสายป้าคนนั้นมาอีกแล้วอ่าบอกให้ไปเอาจักรยาน คุณบุญชูยกมือไหว้แกบอกไม่เอาแล้วครับกลัวผีจริงๆเมื่อคืนนี่เห็นเลยตอนมาจุงรถไปด้วยอขนาดใส่กุญแจก็ยังเอาไปได้เมียเก็บลูกกุญแจไว้บนบ้านก็เอาไปขายได้โดยไม่รู้เลยว่าเอาไปตอนไหนเอองั้นก็ตามใจป้าแกบอกอย่างนั้นเสร็จแล้วแกก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับไปต่อมาป้าก็ให้จักรยานคันนั้นกับเด็กนหนุ่มๆแถวบ้านของแกเด็กหนุ่มก็เอาไปขี่วันเดียวเท่านั้นล้มควม่ำปากคอแตกยับเยิน เด็กหนุ่มบอกว่าปั่นปั่นไปแล้วมีหนุ่มรุ่นรุ่นคนนึงมาขวางทางกระชากจักรยานเขาเสียหลักกลางวันแสกๆเลยหลังจากล้มไปแล้วมองไม่เห็นหนุ่มรุ่นรุ่นคนนั้นเลยไม่รู้หายไปไหนเขาก็บอกใครต่อใครว่าหน้าเหมือนลูกป้าที่ตายก็ทําให้ลือไปทั้งหมู่บ้านว่าจักรยานคันนี้เจ้าของที่เป็นผีนะเขาหวงอย่าได้ไปยุ่งไปเกี่ยวเคขาเคี่ยวจะเดือดร้อนเมื่อไม่มีใครอยากได้ ป้าแกก็เลยจอดทิ้งเอาไว้หน้าบ้านปล่อยตากแดดตากฝนทำนองว่าใครอยากได้ก็เอาไปแต่ก็ไม่มีใครแตะต้องสักคนบ่ายวันหนึ่งพวกรถรับซื้อของเก่ามาเห็นเขาก็ถามว่าจะขายไหมใครเป็นเจ้าของคนแถวนั้นก็บอกว่าอยากได้ก็เอาไปเถอะเจ้าของเขาทิ้งแล้วก็เลยยกขึ้นท้ายรถไปฟรีๆพักเดียวเท่านั้นน่ะได้ข่าวว่าไอกระบะซื้อของเก่าคันนั้นขับตกถนนลงไปในคลอง สองผมเยี่ยหนีออกมาซะทันไม่งั้นก็ตายคารถไปแล้วตอนลากรถขึ้นมาจักรยานไม่มีมาด้วยเข้าใจว่าคงจะจมอยู่ก้นคลองนั่นแหละแล้วก็ไม่มีใครอยากจะลงไปงมขึ้นมาเพราะไม่อยากจะเดือดร้อนกันอีกครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ ครอบครัวของนางวิไลเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นหล่อนเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยในตำแหน่งเสมียนพนักงานสามีรับราชการทหารจบจากโรงเรียนในร้อยทหารบกตอนแต่งงานในมียศเป็นในร้อยโทกำลังหนุ่มพอหล่อเฟียเ้ยวเชียวส่วนวิไลก็จัดว่าเป็นคนสวยคนหนึ่งก็ดูเหมาะสมกันดีหลังจากแต่งงานได้สองปีก็มีบุตรด้วยกันคนหนึ่งเป็นผู้หญิงมีชื่อเล่นว่าน้อยนาเป็นที่รัก ของพ่อแม่และปู่ย่าตายายเป็นอย่างยิ่งเมื่ออายุได้หกขวบหนูน้อยหนาก็ล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่นานก็เสียชีวิตก่อนวันสิ้นลมหนูน้อยยังพูดจาได้เป็นปกติขณะที่ผู้เป็นแม่เฝ้าดูแลอยู่นั้นหนูน้อยก็เอื้อมมือมาจับมือแม่ไว้จ้องหน้าแม่แล้วก็พูดบอกว่าแม่จา๋าอีกไม่นานหนูก็คงต้องตาย ถ้าหนูตายแล้วเกิดใหม่หนูขอกลับมาเป็นลูกของแม่อีกนะผู้เป็นแม่ก็ตกใจที่ได้ยินลูกพูดอย่างนั้นก็ตอบลูกไปอย่าพูดอย่างนั้นนะลูกลูกจะไม่ตายหรอกลูกต้องหายแล้วก็กลับบ้านได้เร็วๆนี้แต่หนูรู้แค่ว่าหนูต้องตายและอีกไม่นานหนูจะกลับมาเกิดใหม่นางวิไลก็ไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วไดแต่จ้องมองหน้าลูกแล้วหยาดน้าตาก็ไหลาอาบแก้ม และแล้วในตอนดึกสงัดคืนวันนั้นหนูน้อยหนาก็สิ้นลมด้วยอาการสงบโดยที่แม่ซึ่งนอนเฝ้าอยู่ก็ไม่รู้ว่าลูกเสียชีวิตตอนไหนมารู้เอาตอนก่อนสว่างเห็นลูกนอนนิ่งไม่ไหวติงเขย่าก็ไม่รู้สึกจึงได้รู้ว่าลูกสาวของนางตายแล้วสมดังที่เธอพูดไว้ตอนกลางวันไม่มีผิดมีการจัดงานชาปน ก, กิจศพให้แกเธอตามประเพณีอย่างสมเกียร ต, ตอนหนึ่งในพิธีชาปน ก, กิจศพ นางวิไลผู้เป็นมารดาในชุดดำได้พูดไว้อะไรผ่านไมโครโฟนตอนหนึ่งว่าหนูน้อยหนะ่าลูกแม่การจากไปของลูกในครั้งนี้ทําให้พ่อและแม่เสียใจอย่างหาอะไรมาเปรียบไม่ได้แม่ขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของลูกไปสู่สุขติในภพภูมิที่ดีแล้วก็มีความสุขหากลูกจะเกิดใหม่ก็ขอให้กลับมาเกิดเป็นลูกแม่อีกนะลูกนะ เธอพูดจบแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเช็ดน้ําตาต่อหน้าแขกจํานวนมากขณะที่หนูน้อยน่าเสียชีวิตนั้นครอบครัวของวิไลมีลูกคนที่สองเป็นผู้หญิงเช่นกันอายุได้สองขวบแล้วตอนหมอทําคลอดลูกคนที่สองหมอได้ถามว่าอยากจะทําหมันไหมหล่อนก็บอกว่ายังไม่ทําด้วยเหตุ น, นี้โอกาสที่เธอจะมีลูกอีกนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อย่างแน่นอน ประมาณเที่ยงคืนของวันนั้นดวงวิญญาณของหนูน้อยหน่านได้ออกจากร่างเธอยือนดูศพของตัวเองที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงแล้วมองดูแม่ที่นอนเฝ้าอยู่ในอาการหลับสนิทเธออยากจะพูดกับแม่แต่ว่าพูดอะไรไม่ออกต่อมาสักครู่เธอก็รู้สึกว่าร่างของเธอถูกฉุดให้ล่องลอยไปในอากาศที่ว่างเปล่ามองไม่เห็นอะไรเลยวิญญาณของเธอลอยไปครู่ใหญ่ก็ตกลงสู่พื้น เป็นพื้นหญ้านุ่มๆในป่าที่มีแต่ต้นไม้เขียวขจีแต่ไม่มีนกหรือว่าสัตว์ใดๆให้เห็นเลยหนูน้อยก็รู้สึกว่าเวอยากจะร้องไห้ก็ร้องไห้เบาๆไม่กลา้กลาร้องเสียงดังเสร็จแล้วก็มีเสียงดังมาจากที่สูงเหนือหัวเจ้าเด็กน้อยเอ้ยไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมล่ะหนูน้อยหงาหน้ามองไปรอบๆก็ไม่พบใครที่เป็นเจ้าของเสียงนั้นก็ร้องถามใครอะอยู่ที่ไหน เดี๋ยวแล้วก็ปรากฏร่างของผู้ชายคนหนึงรูปร่างเหมือนคนโบราณนุน่งผ้าเตี่ยวตัวเดียวไม่ใส่เสื้อถือไม้ตะพดอยู่ในมือยืนอยู่ตรงหน้าห่าง อ, ออกไปพอประมาณหนูน้อยหนาก็ตกใจ ย, ยกมือพนมไว้ที่หน้าอกก็แข็งใจถามออกไปลุงลุงเมงนใครอ่ะลุงเป็นเจ้าที่อยู่แถวนี้ละ่ะหนูเพิ่งตายใหม่ๆไม่มีที่จะไปใช่ไหมละ่ะใช่จะลุงถ้าอย่งงางนั้นตามลุงมามาวิญญาณหนูน้อยหนาค่อยใจชื้นขึ้น อย่างน้อยเธอก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปลุงจะพาไปไหนก็ช่างเหอะย่อมดีว่าอยู่ตัวคนเดียวแน่นอนแต่ก็อดถามไม่ได้ลุงลุงจะพาหนูไปไหนอะ่ะเดี๋ยวลุงจะพาไปพบท่านพ่อปูข่ขุนเมืองผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกวิญญาณของเมืองนี้ชายผู้อารีก็ออกเดินนําหน้าหนูหน้อยหนาเดินตามไปติดๆขณะที่เดินเธอรู้สึกว่าตีนไม่ติดพื้นแต่คล้ายกับล่องลอยไป กระทั่งไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งมีศาลาหลังหนึ่งสวยงามอยู่ใต้ต้นโพไซใหญ่ศาลานี้ไม่มีฝาแต่โลง่ลงๆทั้งสี่ด้านมีผู้ชายคนหนึ่งร่างใหญ่มีหนวดสวมชดาเหมือนตัวละครในลิเกไม่ใส่เสื้อแต่มีสร้อยสังวานประดับนั่งอยู่บนแท่นท่าทางเคร่งลร่มหน้าเกรงขามชายผู้นี้ก็คือพ่อปู่ขุนเมืองนั่นเองผู้ชายที่นำหน้าไปเขาก็สุดตัวลงนั่งคุกเข่าพนมมือไหวหนูน้อยหนาก็ทาตามโดยนั่งอยู่ข้างหลัง อปูข่ขุนเมืองก็ชี้มาที่เด็กน้อยไอ้จันมึงพาใครมาไอ้จันก็คือชายผู้ที่นําหนูน้อยน้อยหนามานั่นแหละเออขณะที่ออกตรวจพื้นที่ตามปกติผมพบเด็กน้อยคนนี้อยู่ตามลําพังขอรับคงจะเป็นวิญญาณที่เพิ่งจะตายใหม่ๆไม่มีใครมารับแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนผมจึงพาตัวมาพบท่านพ่อขอรับพอปูข่ขุนเมืองก็มองไปที่เด็กน้อย อ่าแล้วก็ถามบอกเออหนูชื่ออะไรเป็นลูกเต้าใครอ่ะเนี่ยหนูชื่อน้อยหนาเจ้าค่ะเป็นลูกของพ่อสุเทพแม่วิไลค่ะป้าปู่ขุนเมืองหลักตานิ่งครู่หนึ่งอ่าแล้วก็ยิ้มหนูตายก่อนอายุนี่วะอายุไขจริงหกสิบห้าปีแต่มาจิงป่วยตายซะก่อนแต่ไม่เป็นไรอยู่กระตาไปก่อนนะรอโอกาสเมื่อไหร่เดี๋ยวตาจะส่งไปเกิดอีก พอปูกขุนเมืองก็หันไปพูดกับอจาจันสมุนคนหนึ่งว่าท่านบอกอจ้จันกูมอบให้เป็นภาระของมึงนะ่ะช่วยดูแลเด็กคนนี้ให้ดีอย่าให้เที่ยวสุกซนไปไกลหากพลาดท่าเสียทีถูกยมมาทู่จับเอาตัวไปแล้วจะลําบากพอแถวนี้ก็มียมมาทู่มาตามหาคนตายหนีนรกอยู่หลายคนถ้าหากถูกจับโดยเข้าใจผิดแล้วจะเดือดร้อนถึงกูที่จะต้องไปตามถึงยมมโลกอาจารย์ก็พนมมือรับครับผมจะดูแลให้ดีที่สุดเลยครับ ด้วยเหตุนี้วิญญาณน้องหนูน้อยหนาก็เลยอาศัยอยู่กับพ่อปู่ขุนเมืองนับแต่นั้นยามใดที่พ่อแม่ของเธอทําบุญกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลมาให้หนูน้อยก็ได้รับแล้วก็รู้สึกอิ่มเอิบไม่อดอยากแต่อย่างใดผิดกับดวงวิญญาณอื่นหลายดวงที่ไม่มีคนทําบุญไปให้ก็ต้องอยู่อย่างอดอดอยากอยาแล้วก็กินของเส้นไหว้เหลือเศษตามสารเจ้าต่างๆ ปู่ขุนเมืองปกติท่านจะไม่พูดคุยกับใครมักจะนั่งบําเพ็ญเพียรอยู่ที่ศาลาใต้ทุนโพไยแห่งนั้นตลอดเวลาเว้นแต่จะมีสมุนมารายงานเรื่องต่างๆท่านจึงจะลืมตาขึ้นแล้วก็พิจารณาเรื่องที่ได้รับรายงานเป็นรายๆไปสองปีผ่านไปวันหนึ่งไอ้จันทร์พาหนูน้อยนาไปพบพ่อปู่ขุนเมืองแล้วก็รายงานท่านพ่อปู่ก็รับหนูน้อยนาอยู่กับเราก็นานพอสมควรแล้ว ถึงวาระที่ท่านจะส่งกลับไปเกิดได้หรือยังครับพอปู่ก็มองหน้าเด็กไดยสายตาแสดงความเอ็นดูแล้วท่านก็ยิ้มเออมึงมาเตือนก็ดีแล้วขอเวลาให้กูติดต่อกับผู้มีอำนาจสูงสุดก่อนว่าท่านจะอนุญาตหรือเปล่าพอปู่ขุนเมืองก็นั่งสมาธิหลับตาอยู่ครู่หนึ่งเออท่านผู้เป็นใหญ่สูงสุดอนุญาตแล้วให้หนูน้อยหนากลับไปเกิดได้ หนูได้วาระที่จะกลับไปเกิดใหม่ได้แล้วหนูอยากจะไปเกิดที่ไหนก็ตั้งจิตปรารถนาเอานะหนูน้อยหน่าก็กรมกราบพ่อปู่ขุนเมืองอีกครั้งด้วยความปลื้มบิติเป็นล้นพน้นอยู่มาคืนหนึ่งนางวิไลได้ฝันไปว่าหนูน้อยหน้ามาหาแล้วก็พูดกับหล่อนบอกว่าแม่จ๋าอีกไม่นานหนูจะได้มาเกิดใหม่แล้วหนูขอมาเกิดเป็นลูกแม่อีกนะแม่นะหล่อนไม่ทันจะพูดโตอตอบอะไรวิญญาณของหนูน้อยก็หายวับไป รุ่งเช้านางวิไลก็เล่าความฝันให้สามีฟังด้วยความตื่นเต้นดีใจสามีของหล่อนแม้จะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ไม่ได้ขัดคอหล่อนแต่ประการใดได้แต่พยักหน้ายิ้มยิ้มอีกไม่กี่วันต่อมานางวิไลก็มีอาการแพ้ทองอยากจะกินของเปรีย้ยวซึ่งสามีก็จัดหาให้ด้วยความเต็มใจสองสามีภรรยาต่างก็ดีใจที่จะได้ลูกน้อยอีกสักคนครั้นถึงวันพระขึ้นสิบห้าค่ำ นางวิไลมีจิตใคร่จะทําบุญก็ชวนสามีไปทําบุญในตอนเช้าที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่เนินเขามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ชงอนผาของภูเขาลูกนั้นหลังจากถวายอาหารเช้าและรับพรจากพระสงฆ์แล้วนางและสามีก็พากันขึ้นไปนมัสการพระพุทธรูปนั้นแล้วตั้งเจตธิษฐานหลวงพ่อเจ้าขาหากลูกน้อยนาที่เสียชีวิตแล้วเมื่อสองปีก่อนเนี่ยถึงคราวจะได้กลับมาเกิดอีก ขอให้หนูน้อยหน้ากลับมาเกิดเป็นลูกของฉันอีกครั้งเถอะคันตั้งครันได้ครบกําหนดคลอดสามีก็พาวิไลไปฝากครันเพื่อทําคลอดที่โรงพยาบาลการคลอดก็เป็นไปอย่างง่ายดายไม่เจ็บปวดทุกทรมานเหมือนการคลอดครั้งก่อนๆเด็กที่เกิดใหม่เป็นเพศหญิงร่างกายสมบูรณ์ทุกส่วนและหน้าตาจิ้มริ้มน่ารักน่าชังสองสามีภรร ย, ยาก็ปรึกษากันว่าจะตั้งชื่อลูกน้อยคนใหม่ว่ายังไงดี หลังจากไล่เรียงชื่อต่างๆอยู่หลายชื่อก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ชื่อว่าเหมือนฝันหนูน้อยเหมือนฝันโตวันโตคืนเมื่ออายุครบสามขวบทุกคนก็ลงความเห็นตรงกันว่าเธอมีรูปร่างหน้าตาคล้ายหนูน้อยหนาทุกประการแม้กิริยาท่าทางก็เหมือนราวกับเป็นคนคนเดียวกันอยู่มาวันหนึ่งนางวิไลก็เอ่ยถามลูกน้อยตรงๆว่าหนูฝันหนูคือหนูในหน า, าในอดีตจะชาติใช่ไหม เด็กน้อยก็ยิ้มพยักหน้าแล้วก็ตอบแม่บอกใช่จ้แม่หนูดีใจจังที่ได้กลับมาเกิดเป็นลูกแม่อีกต่อจากนั้นเธอก็เล่าเรื่องชีวิตหลังความตายให้พ่อและแม่ฟังอ่าปัจจุบันนี้เหมือนฝันโตเป็นผู้ใหญ่และแต่งงานแล้วมีชีวิตอย่างสงบสุขทุกประการครับท่านจะเชื่อไหมครับ ถ้าหากว่าบอกว่าการไหว้พระภูมิเนี่ยดีกว่าไหว้คนบางคนทั้งๆ ท, ที่พระภูมิเนี่ยเป็นวัตถุจะมาช่วย เ, าเร า, เ, าเราได้ดีไปกว่าคนนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณเดชานในอดีตรับราชาการในกรุงเทพต่อมาถูกโยกย้ายไปรับราชาการในต่างจังหวัดเพราะดีได้บ้านพักหลวงอยู่อาศัยเนื่องจากคนอยู่เดิมได้ถูกโยกย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น แกก็เลยรับช่วงเข้าอยู่แทนก่อนคนเดิมจะย้ายออกก็บอกกับคุณเดชาบอกว่าบ้านเนี้ยเจ้าที่แรงให้ระวังพูดแค่นี้แล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังอีกครั้งแรกคุณเดชาฟังแล้วก็รู้สึกเฉยๆไม่ได้วิตกกังวลอะไรกับเรื่องที่มองไม่เห็นเมื่อคนเดิมอยู่อยู่ได้จนย้ายออกไปแล้วทําไมเราจะอยู่บ้านหลวงหลังนี้ไม่ได้ หลังจากทำความสะอาดบ้านและขนสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของครอบครัวเข้าบ้านเสร็จแล้วต่อจากนั้นอีกประมาณสามวันแกก็ฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำแต่งกายด้วยผ้าลินินสีขาวทั้งชุดเดินเข้ามายืนข้างเตียงนอนในห้องครั้งแรกคุณเดชาก็รู้สึกมีอาการสะดุ้งหวาดกลัวแต่เมื่อเห็นใบหน้าเรียบเฉยคล้ายๆไม่มีท่าทีประสงร้ายก็คลายอาการหวาดกลัวลง ก็ถามว่าท่านเป็นใครแลว้วก็เข้ามาในห้องผมทําไมท่านก็บอกว่าเราเป็นพระภูมิรักษาแผ่นดินในอนณาเขตนี้และบ้านคุณนอยู่ในอนณาเขตของผมแต่เมื่อเข้ามาอยู่แล้วไม่เห็นคุณแสดงการกระทําที่ยอมรับนับถือกันว่าแผ่นดินตรงนี้มีเจ้าของแล้วทําเหมือนว่าคุณจะมายึดเป็นเจ้าของแบบไม่เกรงใจใครในความฝันนั้นคุณเดชารู้สึกงงและประหลาดใจพูดอะไรไม่ออกอ่ท่านก็พูดว่า ผมมาหาเพื่อแนะนำให้คุณตั้งสารพระภูมิถ้าอยากอยู่เย็นเป็นสุขคุณเดชาก็เถียงท่านว่าคนเดิมไม่เห็นก็ตั้งสารพระภูมิตามที่ท่านพูดก็ยังอยู่ได้ท่านก็ตอบว่าใช่เขาอยู่ได้แต่ไม่นานผมไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นเนื่องจากไม่ทำตามคาแนะนำคุณเองจะทดลองดูไหมถ้าคุณไม่เชื่อผมภายในสามวันคุณจะต้องขี่รถจักรยานยนต์ชนหมาแข้งขาคุณจะต้องถลอกได้เลือด มีเคร็ดเคร็ดขัดยอกพอท้วมะท่านพูดอย่างนี้แล้วก็หายวับไปก็ทำให้คุณเดชาสะดุ้งตื่นโชคดีที่คนพักอาศัยเดิมยังไม่เดินทางไปรายงานตัวณนะที่ทำงานแห่งใหม่คุณเดชาก็สอบถามที่เขาเคยพูดว่าเจ้าที่แรงน่ะหมายความว่ายังไงเขาก็เล่าเรื่องเหมือนกับที่คุณเดชาฝันไม่ผิดเพี้ยนแต่เขาไม่เชื่อและก่อนคำสั่งจะย้ายมาถึงเขาฝันว่า ผู้ชายที่เคยอ้างเป็นพระภูมินํามาไล่เขาให้ออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นคุณเดชาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญ น, นอนมากฝันมากเชื่ออะไรกับความฝันแต่แล้วก็เกิดเอกใจเมื่อแกขี่รถชนหมาที่ถนนหน้าบ้านพักตัวเองขณะจะเลี้ยวเข้าบ้านรถลม้มตัวแกเสียหลักถลยคลูดไปกับพื้นถนนราดยางแข้งขาถลอกเลือดไหลเล็กน้อยเครดขัดยอกแทบลุกไม่ขึ้น นึกในใจว่าทำไมมันถึงบังเอิญไปตรงกับคำทํานายของพระภูมิที่มาเข้าฝันได้หรือว่าจะเป็นเรื่องจริงคืนนั้นแกก็ฝันถึงผู้ชายที่อ้างเป็นพระภูมิยืนคุยกันที่สนามหน้าบ้านแล้วก็ถามแกว่าคิดจะตั้งศาลพระภูมิหรือยังถ้าอย่างคราวนี้จะเอาแขนซ้ายหักแขนขวาใช้การได้เกิดเหตุการณ์เดิมเพียงแต่ต่างสถานที่คือขี่รถชนหมาในความฝันนั้น คุณเดชานั่งคิดสักครู่แล้วก็เอ่ยปากว่าผมยอมแพ้แะจะตั้งสารให้ท่านก็บอกว่าให้คุณเดชาไปบอกเพื่อนของคุณเดชาซึ่งมีความรู้เรื่องตั้งสารเป็นงานอดิเรกมาทําให้ห้ามเอาคนอื่นที่มีอาชีพยกสารพระภูมิมาทําเมื่อเรียบร้อยแล้วต้องการให้ท่านช่วยอะไรถ้าไม่เกินวิสัยและความสามารถของท่านก็จะช่วยตามกาลังที่มีเพื่อนคุณเดชา คนที่พระภูมิแนะนำก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านพักข้าราชการหลังสุดท้ายที่มีสารพระภูมิตั้งอยู่หน้าบ้านในจำนวนห้าหลังที่ปลูกในแนวเดียวกันส่วนสี่หลังรวมทั้งหลังของคุณเดชาเนี่ยไม่มีสารพระภูมิบ้านที่แกพักอาศัยอยู่หลังแรกแล้วก็ทุกหลังจะมีถนนลาดยางผ่านหน้าบ้านก็เลยไปมาสะดวกและการที่ทุกคนต้องผ่าน บ้านคุณเดชาเป็นประจําก็ทําให้มีเสียงเล่าลือถึงเรื่องวิญญาณบริเวณบ้านคุณเดชาหลังจากที่คุณเดชาทําพิธีตั้งสารพระภูมิเรียบร้อยแล้วเจ้าของบ้านหลังที่สี่เล่าให้คุณเดชาฟังว่าคืนวันหนึ่งประมาณสี่ทุ่มได้กลับจากไปทําธุระที่กรุงเทพขณะขับรถผ่านหน้าบ้านคุณเดชาก็มองที่สนาม ซึ่งมีสารประภูมิตั้งอยู่เพราะว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่แต่งตัวด้วยชุดสีขาวนุ่งจงกระเบนยืนอยู่หน้าสารหันหลังให้ถนนก็เลยไม่เห็นหน้าว่าเป็นใครก็คิดว่าเป็นคุณเดชาคงจะให้คนยกสารมาทําพิธีอะไรสักอย่างก็เลยไม่ได้สั ง, สงเกตแต่เมื่อรถผ่านไปแล้วก็เหลือบมองกระจกสองสองหลังกลับไปก็ไม่เห็นชายคนนั้นก็เลยอยู่รถมองให้แน่ใจก็ไม่เห็นมีใครยืนอยู่ ก็เกิดความรู้สึกเย็นว่าไปทั่วตัวจิตใจสั่นรัวรีบขับรถเข้าบ้านทันทีด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองโดนผีหลอกบางคนก็เคยเห็นมีคนเดินรอบๆบบ้านของคุณเดชาตอนแรกก็เข้าใจว่าคุณเดชาคงจะปฏิบัติธรรมแล้วมาเดินจงกรมรอบบ้านเมื่อคุณเดชาปฏิเสธก็มีเสียงเล่าลือว่าบ้านคุณเดชาเนี่ยเจ้าที่แรงบางคนกลัวถึงกับไม่กล้าเดินผ่านในตอนกลางคืน คำโจดจันจากปากต่อปากก็ทำให้คุณเดชาเกิดความสงสัยว่าพระภูมิคือใครเป็นผีเป็นเทวดาเป็นอสุรกายเป็นเปรดหรืออะไรกันแน่เพื่อนคุณเดชาก็เล่าให้ฟังจากที่เคยไปฝึกนั่งวิปัสนาที่วัดจัดอบรมแล้วได้วิชาตาทิพย์และหูทิพย์ติดมาเป็นของแถมว่ากันว่าท้าวทศราชกษัตริย์ผู้ครองกรุงพาลีมีพระราชโอรสเก้าพระองค์แต่ละองค์มีอิทธิฤทธิ์ปรีชาสามารถ รอบรู้สิ่งต่างๆเป็นอย่างดีท้าวทศราชก็เลยมอบอำนาจให้แต่ละพระองค์ไปปกครองเขตนิเวศสถานที่ต่างๆท้าวทศราชผู้นี้มีจิตใจขาดมนุษยธรรมสันดานโกงหยาบช้าลามกเห็นแก่ได้มีความโลภไม่สิ้นสุดทั้งให้พระโอรสทั้ง9ก้าพระองค์ทำการหยาบช้าเข้าสิงสู่ผู้คนแล้วก็เรียกร้องเครื่องสังเวยและสินบนโดยไม่เกรงกลัวบาปกรรม เรื่องเจ้ากรุงพาลีกล่นแกล้งประชาชนนี่ทำให้พระนารายลร่วงรู้และเห็นว่าขืนปล่อยไว้จะทำให้บ้านเมืองพินาศจึงได้ปลอมตนเป็นพรามไปเข้าเฝ้าเท้าทศราชและทูลขอแผ่นดินอันเป็นที่อยู่แค่สามเก้าเท้าทศราชตกลงอนุญาตโดยไม่ได้ระแวงแล้วก็หลังน้ำเพื่อให้เป็นสิทธิตามคำดำรัสขณะจะทำพิธีหลังน้าพระสุกผู้เป็นอาจารย์ของเท้าทศราช ร, รู้กลลวงของพระาราย ก็เนรมิตตนเข้าไปนอนขวางในรูพระเต้าก็ทําให้น้ําไม่ไหลพระนารายงสงสัยก็เล็งยานดูก็รู้ว่าพระสุขเอาตัวไปนอนขวางรูอยู่ก็เลยเอายาา่าขาย้อนแยงเข้าไปในรูพระเต้าไปถูกในตาพระสุขได้รับความเจ็บปวดต้องเหาะหนีไปน้ําจึงไหลออกมาเมื่อหลังน้ํธธ า, าอุทกทาราอุทิศเรียบร้อยพรามก็กลายร่างเป็นพระนารายงใช้อภินิหารก้าวย่างบนแผ่นดินของเจ้ากรุงพะลีได้เพียงสองก้าวก็หมดสิ้นเขตพระธรณี เทศราชตกตะลึงเสียรู้คนพระนารายก็ไหว้วนทูลขอว่าอย่าขับไล่พระองค์ไปจากที่นี่ขอเพียงให้มีที่อยู่อาศัยบ้างพระนารายไม่ยอมต้องลงโทษให้หลับจําจึงขับไล่ทั้งครอบครัวไปอยู่นอกเขตป่าหิมพานต์ทั้งวงวานกลุ่มของเท้าทศราชก็ไม่เว้นทําให้ทุกคนได้รับความลาบากยากแค้นแสนสาหัสต้องใช้พื้นดินเป็นบ้านป่าไม้เป็นหลังคาหญ้าแพรกป่าเป็นพรมปูนอน ในที่สุดท้าวทศราชก็ได้ปรึกษากันในกลุ่มว่าไหนๆเราทำผิดไปแล้วและลำบากยากแค้นมาพอสมควรยอมทนอดสูพาบริวารขึ้นไปฝ้าพระนารายเพื่อทูนขอแผ่นดินกลับคืนมาบ้างทนารายเห็นสภาพของทุกคนก็มีจิตคิดสงสารจึงทรงอนุญาตแต่ไม่ยกแผ่นดินให้ทั้งหมดให้เพียงปักเสาลงดินได้เพียงเสาเดียวแล้วต้องคอยดูแลความเรียบร้อยอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและสถานที่ต่างๆให้แก่ประชาชน ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขท้าทศราชและบริวารให้คำมั่นสัญญาจึงอนุญาตให้ไปทำหน้าที่ของแต่ละพระองค์ตามเขตที่กำหนดไว้แต่ต้นประชาชนจึงมีความร่มเย็นเป็นสุขสืบมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หลังจากตั้งศาลแล้วคุณเดชาไม่เคยพบเหตุการณ์ดังที่เพื่อนบ้านใกล้เคียงพบสักครั้งก็นึกแปลกใจว่าตนเองเป็นเจ้าของบ้านยกศาลประภูมิให้ท่านแต่ไม่เคยรู้เห็นอะไรแล้วก็ไม่รู้จะสื่อความไปถึงท่านได้อย่างไร คืนหนึ่งหลังจากสวดมนต์แล้วก่อนนอนก็ได้อธิษฐานจิตว่าถ้าหากว่าท่านคุ้มครองอนาเขตนี้จริงขอให้ข้าพเจ้าได้สนทนาเพื่อสอบถามจะในนิมิตหรือแบบใดก็ได้ที่ข้าพเจ้าจะไม่กลัวจนกระทั่งหลับไปประมาณตีสามคุณเดชาก็สะดุ้งตื่นครับคล้ายจะได้ยินเสียงเรียกชื่อก้องในหัวขณะนั่งสลืมสลือบนเตียงพลันก็ได้ยินเสียงแหววเข้าหูเดินมาที่สนามหน้าบ้านสิจะได้คุยกัน น้ำเสียงนั้นมีอำนาจบางอย่างทำให้คุณเดชาต้องลุกจากเตียงเดินไปเปิดประตูเพื่อไปสนามหน้าบ้านโดยไม่ได้มีความรู้สึกกลัวอะไรแม้แต่นิดเดียวในช่วงเวลานั้นภรรยาปวดท้องลุกออกมาเข้าห้องน้ำพอดีก็ถามคุณเดชาว่าจะไปไหนก็ตอบไปว่าจะไปสนามหน้าบ้านไม่รู้ว่าใครมาเรียกเธอก็พูดว่าจะบ้าหรือไงดึกดื่นตีสองตีสามแล้วใครจะมาหา แต่เธอก็ยังเดินตามคุณเดชาไปหยุดยืนมองที่หน้าต่างบานเกตเมื่อคุณเดชาเดินถึงบริเวณสารพระภูมิก็เห็นผู้ชายแต่งกายสีขาวรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำเหมือนที่เคยฝันเห็นเมื่อเขาหันหน้ามองอคุณเดชาร่างกายคุณเดชาก็ถึงกับขนลุกเกรียวไปทั่วร่างแกก็ยกมือไหว้พระภูมิทันทีท่านก็ชี้ตรงโตหินสาหรับวางเครื่องสองเวยแล้วก็บอกว่า คุณวางโตหินทับบนหัวหนางตะเคียนพอดีเธ อ, อบอกว่าอยากจะให้คุณตั้งศาลคุณเดชาก็พูดว่าจะต้องทำยังไงบ้างครับท่านก็บอกว่าให้คุณเดชาไปนิมนต์พระซึ่งมีความรู้ทางคาถาอาคมวัดใดก็ได้มาสวดชยันโตขณะที่คุณขุดดินซึ่งลึกประมาณสอกเศษจะพบตอไม้ตะเคียนไม่ใหญ่นะักขุดขึ้นมาแล้วเอาไปล้างให้สะอาดวางบนผ้าขาวไว้ในห้องพระ ต่อจากนั้นทุกคืนคุณควรจะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็สวดคาถาชินมันชรนเจ็จบสักห้าคืนหรือเจ็ดคืนเรียบร้อยแล้วไปบอกเพื่อนคุณมาช่วยยกศารเจ้าที่ให้เมื่อทําพิธีเอาไม้ตะเคียนไปไว้ที่สารแล้วหลังจากนั้นคุณจงเตรียมตัวรอรับโชคใหญ่ที่คุณมีบรารมีพอจะได้รับในวันหน้าจากนางตะเคียนองค์นี้พูดจบร่างท่านก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาเมื่อคุณเดชาทําตามคําแนะนําของพระภูมิ จึงได้พบความจริงทุกประการนับว่าเป็นคุณวิเศษของพระภูมิส่วนคนที่รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทําของคุณเดชาก็คือภรรยาแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์จนเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเยียนสารพระภูมิกันไม่เว้นแต่ละวันความกลัวที่เคยมีกันก็ไม่รู้หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าคุณเดชาได้เตือนสติพักพวกเพื่อนผูกว่าเทวดาไม่ใช่ว่าจะช่วยเหลือทุกคนได้เสมอไปสิ่งสําคัญคือกรรมของบุคคล น, นั้นต่างหากเช่นจะมีโชคมีลาภ เพราะเราเคยให้ทานบ่อยๆในอดีตชาติถ้าไม่เคยหรือว่าไม่ไม่มีนิสัยให้ทานแก่ใครก็อย่าหวังเลยว่าจะมีโชคลาภรอยมาให้ง่ายๆคุณเดชาอ่านหนังสือไตรภูมิของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่เล่าถึงภุมมะเทวดาตามประสบะการณ์ของท่านกล่าวโดยสรุปว่าคนที่เสียชีวิตแล้วไปเกิดเป็นพระภูมินั้นจะต้องประกอบกรรมดีวันธรรมดาก็ถือศีลห้าวันพระถือศีลแปด ตั้งใจให้มั่นคงมีบุคคลหนึ่งที่ท่านรู้จักตายไปแล้วมาปรากฏกายให้เห็นเล่าว่าตั้งใจไปเป็นพระภูมิหลังจากเสียชีวิตและได้เป็นดังใจหวังทั้งๆ ท, ท, ที่บุญบา ร, รมีจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านเล่าว่าพระภูมินั้นไม่ได้นอนในศาลที่ตั้งขึ้นท่านอยู่ในวิมานของท่านหากใครตั้งศาลพระภูมิแล้วควรบูชาทุกวันมีกล้วยอ้อยน้ำขนมให้บ้างเป็นไปตามอัตยาศัย สวนจะจุดธูป ก, กี่ดอกจุดเทียนกี่เล่มพระพุทธเจ้าไมา่ได้สอนไว้คนมาคิดกําหนดขึ้นกันในภายหลังดังนั้นจะจุดเท่าไหร่ก็ได้การบูชาพระภูมิที่ถูกต้องนั้นควรจะเป็นไปในลักษณะที่ยอมรับนับถือกันจงอย่าบูชาพระภูมิแบบให้ท่านเป็นคนรับใช้เช่นขอให้ท่านช่วยถูกหวยรวยโปขอให้อ่าให้ช่วยให้ค้าขายร่ํารวยเป็นต้น แล้วก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือว่างมงายพระคนที่ไปเกิดเป็นเทวดาได้ต้องมีคุณสมบัติสำคัญสองประการคือฮิริคือความละอายต่อบาปแล้วก็โอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปซึ่งเรายกมือไหว้ได้โดยสนิทใ จ, จเนื่องจากเรายกมือไหว้คุณธรรมสองข้อนี้ของท่านต่างหากไม่ได้ไหว้วัตถุที่ตั้งขึ้นมาประการสาคัญไม่ควรลืมถือเป็นการปฏิบัติบูบชาแบบอนุสติสิบ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญเทวตานุสติกรรมฐานคือการระลึกนึกถึงความดีของเทวดาเมื่อเราผ่านสถานที่ราชการหรือว่าหมู่บ้านจัดสรรหรือบ้านที่พักอาศัยขนาดใหญ่หรือว่าขนาดย่อมบางบ้านจะเห็นศาลพระภูมิเจ้าที่ตั้งอยู่ด้านหน้าขนาดต่างๆกันบอกถึงความเชื่อของคนไทยที่ยังให้ความเคารพ บ, บูชาเทวดาไม่เสื่อมลาย วัตถุนี้จึงเป็นเสมือนสั ญ, ญลักษณ์เตือนใจให้ปฏบิบัติบูชาในคุณธรรมที่ว่าควรละอายต่อการทำบาปแล้วให้เกรงกลัวต่อการทำบาปถ้าทำได้แค่นี้สังคมคงจะสงบสุขตามที่คนไทยปรารถนากันละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ